จเจริญพ ร, ท, รท่านสาธารชนสวัสดีครับอาจารย์สบายดีกันทุกคนนะวันนี้ให้จะเข้ามาก่อนอ า, อาจารย์ผมพิไลก่อนวันนี้เชิญอาจารย์กรรมรัศการลอาจารย์ค่ะเปยังไงสบายดีเหอ้อสบายดีค่ะอาจารย์สบายดีค่ะ สดใสค่ะกบนวัสการนอาจารย์ครับอ่าก่อนค่ะวันนี้ไม่ไม่มีวุฒธนาค่ะรับฟังค่ะค่ะได้ไปที่ท่านต่อไปค่ะกรับค่ะคุณสาธกะคุณสาธกค่เชิญเปิดได้ไหมได้ยินไหมคะอาจารย์ได้ยินแล้วสาธก่ะที่ชื่อใครเนี่ย ชื่อตัวเองค่ะเป็นคนญี่ปุ่นเลไม่ใช่ไม่ใช่สาธกาค่ะพระอาจารย์สาทกาค่ะทำหนึ่งมันชื่อญี่ปุ่นสากค่ะพระอาจารย์ก็ยังปฏิบัติต่อเนื่องค่ะแต่ก็คือบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็ร่มรูปคกคานไปก่อนอย่าท้อแท้นแล้วกันไม่ยากทำไปเรื่อย พยายามคัเลกเดี๋ยวมันก็ชำนาญขึ้นไปนะก็คือค่ะพอไปดูรีวิวของคนอื่นก็มีกำลังใจขึ้นนะคะค่ะทางนี้ต้องอดทนต้องนะอย่ายอม้ง่ายๆห้ามเลี้ยงขาวค่ะค่ะวันนี้มาเริ่มแล้วด่ะตามาบนบอกสู้ไม่ถอยนะค่ะเก้าปาร์ตั้งม่ถอยงแต ตื่นเช้ามาก็สะดุ้งตื่นค่ะอาจารย์แล้วก็พุโทโธพุโทโธเพราะว่าอาจารย์บอกเช้าว่าต้องตื่นพุโทโธพุโทโธกระตั้งนะน่าดีไมน่าดีนะพอเริ่มต้นพูท ด, ด้วยพุทถอนนี่มันจะดีไปทั้งวันค่ะค่ะจะพยายามต่อนเนื่องค่ะอาจารย์ถ้าพุโทโธคอยกำกับใจอยู่ทั้งวันนีใจจะเย็นใจจะสบาย แต่คือก็เริ่มไปในทิศทางดีขึ้นนะคะเพราะปกติเนี่ยเป็นคนที่ใจร้อนมากๆะคะ่ะถ้าเปรียบเป็นไอ้พวกการน้ำก็แบบแบ บ, บเดือ น, นปุบปุปปบบค่ะประมาณอย่างนั้นแต่ว่าก็มีอยู่วันนึงนั่งรถไปกับแฟนแล้วปกติเนี่ยถ้าแฟนขับรถผิดอ่ะก็จะแบบปี๊ดแตกทีนี้แฟนก็ตกใจมองเหมือนกันวันก่อนไปแล้วก็ไม่ปี๊ดค่ะ เพราะว่าพอเขาหันมาก็นั่งพุตโตพุตโตยืด ใ, ใจเขาก็อมยิม้มนั่นแหละแม่คุณพระคุณของพระพุโทโธดีไหมละ่ะ<ด>ทำให้เราอยู่ฝันได้อย่างสงบ น, นะเพราะว่าปกติเป็นคน ใ, นใจร้อนมากๆค่ะอาจ<ต>นะก็ก็เลยตามที่พระอาจารย์บอก <Okay. S 2> ค่ะแล้วก็ แล้วก็คิดว่าตัวเองก็คือเหมือนที่บอกพระอาจารย์นะคะก็คือเริ่มที่จะไม่มีภาระอะไรแล้วอะค่ะก็เลยจะพยายามที่จะฝึกแล้วก็อาจจะไปัดไปปีกวิเวกบ่อยๆะะอะอค่ะเพราะว่าก็จองไว้ว่าเดี๋ยวประมาณวันที่สิบเก้าเอ้สิบเก้าอะค่ะพระอาจารย์ก็จะไปอีกทีหนึ่งะะอะค่ะค่ะ หลอดกาลเมื่อไหร่ดิ้นไปเวลาเราน้อยลงทุกวันแล้วเนะเพราะว่าก็พยายามนึกที่ฟังที่พระอาจารย์สอนนะคะว่าคือเวลาเราก็น้อยลงถ้าเราเหมือนหายใจทิ้งไปวันวันนะค่ะมันก็จะไม่ไม่ได้อะไรอย่างน้อยกะเลยบอกแฟนไว้ว่าอย่างน้อยก็ให้มีคำว่าถ้าเกิดเป็นอะไรไปก็พยายามนึกถึงที่พระอาจารย์บอกอะค่ะถ้าเราไม่นึกถึงความตายเราก็จะ เหมือนไปเรื่อยๆเปนแต่ละวันนะคะก็เลยพยายามพยายามฝึกไปเรื่อยๆะค่ะทำตัวเองอยู่เลยวันเวลาผ่านไปผ่านไปกาลังทำอะไรอยู่ค่ะพยายามคิดตามที่พระอาจารย์<ม>บอกแล้วก็<ม>พอเวลาฟังทำมาก็รู้สึกว่าแบบมันก็ดีอะคะ่ะเพราะว่าตอใช่เพราะว่าตั้งแต่แบบประมาณที่ที่มาฟังพระอาจารย์ก็ส่วนมากก็คือไม่ไม่ไม่ได้ ตอนหลังก็จะเบื่อๆเพราะไอ้ไม่เปิดดูทูบไม่ไม่ดูพวกทีวีอะไรอ่ะค่ะก็จะฟังพวกธรรมะแล้วก็พอจะมาดูตามซูมที่เก่าๆอะค่ะก็ดีค่ะได้แต่ละคนได้ได้ได้ฟังอะไรที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเราก็เอามาฝึกค่ะเดี๋อวท่านนี้ก่อนนะจะได้ไปที่ท่านต่อไป ค่ะขอบคุณค่ะคุณสมพรการ a x y กซี่อยู่ที่ไหนได้ยินไหครับได้ยินแล้วอยู่ที่ไหนโอเคโอเคผมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกพอกับน้ำมันสการท่านอาจารย์ครับเคยไปที่วัดครั้งหนึ่งพบพบพระบอมก็ได้ได้ได้ได้ไดสนทนากันผมก็ส่วนใหญ่ผมก็ทำเพจขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น เว็บออธรรมะบนเขาอยู่แล้วครับไม่าทราบท่านอาจารย์เคยไ ด, ได้ได้เห็นไหมครับเป็ดสมพรสมเจริญสินครับก็ไม่ได้ไม่ได้ดูว่าเป็นไทยเท่าไหร่ก็ดูแบบกั บ, บ <S <S 1> <S 1> ก็คือเริ่มมาสนใจธรรมะนี่ก็นานแสนนานแล้วตั้งแต่ทำงานแล้วตอนนี้ก็เสียอายุมาแล้วนะ <S <S นะก็มีปัญหาอยากจะถามถามคำถามท่านอาจารย์ สักหนึ่งหรือสองคำถามครับอถามได้เลยจิตที่ควรแก่การงานมีสภาวะเช่นไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตของเรายังอยู่ในสภาวะดีแล้วหรือเรายังห่างจากสภาวะจิตที่ควรแก่การงานนี้ก็จิตที่มีสติในความรู้สึกตัวรู้สึกผิดถูกดีชั่ว แล้วถึงขั้นต้องเป็นอัปปนาสมาธิหรือปรเปอลอ่าก็ต้องพัฒนาไปให้ถึงขั้นอัปปนาสมาธิให้ได้โู้โหถ้างั้นเราเราเราจะเข้าใจว่าจิตที่ควรเดือการงานก็คือเอ อ, อัปปนาสมาธิที่มีจิตตั้งมั่นและเป็นกลางถูกต้องไหมครับใช่หมายถึงงานวิปัสนาใช่ไมที่คุณพูดใช่ใช่ใช่ครับโอเคเมื่อกี้ม่ในไม่ได้พูดอะไรคิดว่างานทั่วไปอ๋อครับครับ แล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้จิตของเราเข้าสู่สภาวะนี้ได้เร็วขึ้นกับต้องมันจเจริญสติอยู่ตลอดเวลาเราต้องด่าเรื่อตาขึ้นมาเตื่นขึ้นมาที่มันคือได้ป่วยกระโยงมันแล้วพุทโธพุทโธเริ่มควบคุมความคิดทันทีตั้งแต่เร่อตาขึ้นมาความความคิดนี้ อยากคิดคุณทำยากยากมากก็ใช้พุทธโธช่วยพุทโธช่วยได้ดรวยเฝ้าดูดูใช้การจดจอ่เอเฝ้าดูการกระทําของเราทำหน้ากายับว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่มันก็จะไปคิดเรื่องเหมือนไม่ได้ครับต้องมีสติสามารถดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นได้รูเ้เฉยเฉยไม่ให้คิดปลูกแต่งถึงอดีตอนาคตต่างๆ คำว่าปัจจุบันธรรมนี้จะหมายถึงทั้งรู้สภาวะทั้งร่างกายและจิตใจทั้งคู่ใช่ไหมครับก็ตอนนี้เอาแค่ร่างกายก่อนเอาแค่ร่างกายออ่ให้ดูตรงเฉพาะที่ร่างกายแล้วให้ให้รู้อยู่กับพุทโธก็ได้อย่างไดอย่างไนึ่กับอย่าให้แสดงไปคิดเรื่องราวต่างๆแสดงว่าขั้นต้นนี้ต้องเรื่องสติต้องมาก่อนเลยต้องปูพื้นฐานเรื่องสติให้มั่นให้ให้แน่นเช่ไหครับ ถูกต้องสติเป็นธรรมที่สาคัญที่สุดพระพทธชาสงสอนอืม อ, อืม อ, อืมครับพอมีธรรมพอมีสติแล้วสมาธิก็จะตามมาแล้วปัญญาก็จะตามมาตามลามดับต่อไปญญเคยเคยอ่านบทความของท่านอาจารย์มีอยู่คำานึงที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าเออถ้าเราจะนั่งสมาธินี่ถ้า ในเวลาปัจจุบันนี้เราเราไม่อยู่ในสติเลยเดียเวลานั่งสมาธินี้จะทำํำได้ยากมากเพราะฉะนั้นในช่วงปัจจุบันก็ต้องรักษาสติไวใ้ให้ให้ให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้มั่นคงก่อนแล้วเวลานั่งสมาธินี้ก็จะเข้าถึงสมาธิได้เร็วขึ้นอันนั้นคือคือสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมครับก็ ถ, ถูกต้องเยาะยามันอยู่ในปัจจุบันตั้งแต่ตึงตาขึ้นมารครับครับอยู่กับร่างกาย เคื่อนไหวของร่ า, างกายกับกับวันก่อนเมลกาดได้ไปหาอาจารย์ที่วัดแต่ว่าท่านอาจารย์ก็ก็ก็ไม่ได้รับแขกแล้วช่วงนี้ก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ก็ก็อยากอยาฝากตัวเป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์นะครับอยากให้อาจารย์ช่วยสั่งสอนว่าถ้ามีปัญหาทางธรรมะช่วยช่วยสั่งสอนกับผมด้วยนะครับยินดีเสมอเข้ามาได้ทุกทุกวันนะทุธ น, นะจนสองทุ่มโอ้ ครับครับแล้วก็คือวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์สองทุ่มเหมือนกันมีสองสองเวลาครับครับครับโอเคสามารถที่จะถามคำถามได้ถ้ามีคำถามอะไรครับครับครับมามาจากที่ไหนอยู่ที่ไหนอยุระยองครับมาตอนนี้ก็เกษียณอายุได้ได้ประมาณห้าหกปีแล้วก็คิดว่าจะสข้ามาศึกษาการทำงาน สมคเวลาว่างเยอะนะทีนี้จะได้ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่นะครับครับ้บจะไม่เหงาแล้วชีวิตจะไม่เหงาแล้วจากเกษียนะถ้ามีการปฏิบัติทาเป็นเพื่อนครับครับไปที่ท่านต่อไป ค, คุณนันทพัเชิญ ค, คุณนนทพัจากคุณกอมอกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ วันวันนี้มีมีคําถามหนึ่งคำถามเจ้าค่ะส่วนใหญ่จะถามไปเมื่อคืนแล้วเจ้าค่ะในภาคภาษาอังกฤษถ้าถ้าเราเจ อ, เ อ, อคนที่ค่อนข้างจะมเีเขาเรียกว่าอารมณ์ที่อยากจะฟอสให้เราทําในหลายๆอย่างตามที่เขาต้องการบ่อยๆ อ, อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์การที่เราหลีกเลี่ยงเขาเนี่ยมันเป็นการเป็นเป็นมงค ล, ลสูตรข้อที่1 ห, หรือแล้เป็นการหนีปัญหาเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็แล้วแต่คุณจะมองคุณจะมองว่าเป็นเป็นยางไรถ้าถ้ายังมีปัญหายังต้องมาเจอกับเขาก็ต้องก็ต้องไม่ดีเพระพุทธเจ้าเคยพระนรินทร์เคยชวนพระพุทธเจ้าว่าอย่าอู่ที่นี่เลยคนเขาไม่ศรัทธาคนเขาจะคอยหาเรื่องพระพุทธเจ้าบอกว่าไปที่นั้นก็เหมือนกันต้องเจอคนแบบนี้นี่ลราพระธรรมอยากให้อยู่กับเขาได้ อยู่เขาด้วยความเมตตาชนะเขาด้วยความเมตตาไม่ได้ชนะเขาด้วยอัตตาตัวตนชนะด้วยความเมตตายอมหยุดเย็นอถ้าทําได้ถ้าทําไม่ได้ก็หลีกไปก่อนหกไปก่อนถ้าอยู่แล้วอยู่เขาแล้วจะจะวุ่นวายใจจนไม่สามารถทําอะไรเป็นปกติสุขได้ก็อาจจะต้องหลีกก่อนดล ก, ก่อน ใหสร้างพลังขึ้นมากคนถ้ามีพลังแล้วสามารถที่จะรับกับคนทุกรูปแบบได้อยู่กับคนทุกรูปแบบแต่ไม่เลือกที่อยู่บบนะเป็นแต่ว่าถ้าเหตุการณ์บังทับให้อยู่ก็ต้องอยู่ไปแต่ถ้ามีโอกาสเลือกกับบางอยไม่อยู่ตามหลักของมงคลรัศมีโดยถ้าเลือกคนได้ก็เลือกถ้าเลือกไม่ได้ยังเป็นจะต้องอยู่ก็ อ, อยู่ไป แบบยอมหยุดเจนให้ให้เป็นการฝึกจิตเราด้วยถูกไหมเจ้าค่ะอาจคือมาใเข้ามาเป็นข้อสอบเนาะเป็นครูล้วเจ้าค<อ>่ะเราก็จะได้รับประโยชน์นี่เราจะต้องหนีไปเรื่อยๆหนีแบบานี้เดี๋ยวก็ไปหนีเสียป่าจระอเข้เยอะมาก <c oughs> หนีหนีไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรามีมีมีสิทธิ์ที่จะเลือกเราก็เลือกอครบครที่ดีคนที่ฉลาดก็เราดีกว่เรา เปนคนละครณีกัน่ในกรณีที่เราเลือกได้เราก็เลือกคนไม่ดีเราก็อย่าไปคบคนกินเหล้าเมายามันเล่นการพ น, นันนี้อย่าไปครบกับเขาแล้วเดี๋ยว ก, ก็ช่วยเราไปเล่นการพนันไปคบกับคนที่เขาปฏิบัติธรรมมากกว่าเรานีกว่าคนที่ชอบไปปิดีกวเวครั้างล่างเจ็ดวันสิบวัน อ, อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะช่วยเราไปทํานั้นคนี่หมาถึงแค่เราเลือกได้ค่ะ อย่านันชีวิตของเราบางทีมันอยในสภาพที่เลือกไม่ได้ทํางานทําการหรืออยู่ในสภาพที่จะต้องเจอคนแปลกตาดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็ต้องทาใจฝึกทําใจแต่ก็พอจะหลีกได้เห็นเขามาทางนี้เราจะเดินไปทางได้นก็เดินไปทาไม่ต้องเผชิญหน้ากันได้ก็ดีดจะได้ลดภาวะของการอชนกันให้มันน้อยหน่อย อแต่ถ้าหลีกไม่ได้ก็ก็เบรกเบรกใจทําใจเปดูเบรกขาไปนะวะถือว่าเป็นกรรมของเรามาแล้วามาทดสอบทดสอบพอเรามาดูทดสอบทดสอบเราเบคกาเราถือว่าเป็นยังไงวะแกไม่เฉยไม่ได้เลยค่ะแต่แต่ก็ไม่เคยก็ไม่เคยแบบ ตัตอบนะคะแต่จิตมันมันใช้คําว่าอะไรเจ้าคะพระอาจารย์มันกระเพื่อมอะค่ะอาจารย์มันมันมีแรงแรงขึ้นมาถ้ามันไม่กระเพื่อมมันก็ไม่ตัวตอบที่มันกระเพื่อมเพราะมันมันถึงตัวตอบเพมันกระเพื่อมเข้าใจมันนอนขึ้นมาะอัตราตัวตนออกมาแล้วใช่ค่ะถ้ามันไม่กระเพื่อมมันก็เฉยๆเป็นผู้รู้เฉยๆไปแต่ละเรื่ไปถ้าไม่มีอัตราก็คือมันจะไม่ไม่กระเพื่อมเลยใช่ไหมเจ้าค่ะมันเฉยๆไป เหมือ น, น, นหน้ำบนใบบัวไปไม่โ ด, ดเข้อหาไปอ๋อค่ะก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องทดสอบได้เหมือนกันเจ้าค่าอะอเจ้าค่ะวันนี้ลูกมีเท่านี้เจ้ า, า, าค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์เจ้ามันธรรมวันเจิญที่ไหนสาเสนองเ<ะ>สาเสนเจ้าค่ะวันนี้เกือบไม่ได้เข้ามาแล้วเ่ะ โปรยแล้ค่ะแต่เห็นพระอาจารย์อายุเจ็ดสิบสองเองเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่แล้วเจ้ค่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็ยังทํากิจสม่ําเสมอเลยต้องสู้เข้ามาจ้าค่ะมันถ้าถ้าถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆมันก็ถึงเวลามันก็จะทําทของมันได้เจ้าค่ะถ้าเรานานๆทําทีนเดียวมันก็ทําไม่ไหวนั่นมีได้ เจ้าค่ ะ, ะ, ยะพยายามฝึกฝึกฝนลอจิตใจเจ้า ค, ค่ะพระอาจารย์เนี่ยคะอาทิตย์ที่แล้วพระอาจารย์ให้กันบ้านว่าให้มรณานุสติโยมก็ทั้งวันตลอดทั้งวันนึกขึ้นได้ก็คิดว่าตัวเองเป็นศพศพแบบศพสดศพเนา่าศพแห้งเผาเป็นจุนอะไรอย่างนี้คะ่ะ ทุกอย่างเนี่ยมันมันยอมรับได้แล้วมันใจมันก็ผ่านไปหมดยกเว้นอันเดียวที่โยมทําไม่ได้ไม่ผ่านก็คือว่าอันที่มันเป็ น, ปนแบบศพ บ, บวมดำอืดแล้วแบบมีหนอนออกมาจากปากอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นอันเดียวที่แบบชนไม่ได้แบบต้องริดเปลี่ยนภาพอะไรเงี้ยด้วยโยมจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เราไม่ต้อง ไม่ต้องเอาทุกภาพไปได้เพียงแต้ให้เรารู้ว่าความเป็นจริงของร่างกายมันจะต้องมีวันสิ้นสุดดงแล้ ว, วค่ะแล้วก็ความความไม่สวยงามของร่างกายมันก็จะต้องโผล่ขึ้นมาเวลาร่างกายนี้ตายไปขึ้นเหนยขึ้นทองแล้วค่ะบุกช้ำําเขียวแต่ทำไมานี่หาสอย่างนี่ดูไม่ได้แล้วเพราะเขาไม่ได้เอาไปที่นในป่าช้าเหมือนสมัยก่อน คือเข้าเข้ า, เ ข, า, เ, ขาเข้าตู้เย็นหมนดลองสบก็เป็นลองลองเย็นคือในภาพที่โยมเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตนะคะมันจะเป็นแบบศพที่แบบประสบอุบัติเหตุหรือซีอนอมิแล้วมันบวมแล้วมันอืดมากจนหนอนออกมาจากปากโยมไม่คิดว่าแล้วถ้าวันหนึ่งเราเป็นอย่างนี้อาจ้าเบค้าแล้วอาจจะยังมีแม่ทอภาพ น, <อ>นี้เป็นภาพเดี๋ยวที่ไม่ผ่านด้วย่ะ ก็ไปเถากูเบคาให้มากขึ้นจิตให้นิ่งต้องกลับมานั่งสมาธิอ่ใช่ทําพิจารณาเกิดมีอาการเกิดมีอาการก็ต้องหยุดพิจารณาแล้วก็กลับมานั่งสมาธิก่อนเจ้าค่ะก็ทำอย่างนัอยู่เจคะเพิ่มพลังของอูเบคาถ้าถ้ามันถึงฐานแล้วมันจะเห็นดูอะไรได้หมดมันไม่ไม่มีความหวั่นไหวเจ้าค่ะกอดีก็ฝึกไปดีอย่างนั้นมันก็ช่วยทําให้ อความโยกความอยากนี่มันอดตัวระยะใช่ไหมความยึดความติดในสิ่งต่ตางๆมันก็จะลดน้อยถอยลงทุกครั้งที่เราคิดถึงความตายเจ้าค่ะโยมีเท่านี้เจ้าค่ะโอเคพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะอเควันเอกกิจกิจสการวันกกิจสการวันนี้มีหลายเอกเราวันเอกกิจสการกัน ไม่อยู่น่จะได้งข้ามไปมไปที่คุณหมอภาสนะค่ะนักวิชการพระอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณบอยพี่จุ๊บแล้วก็คุณชัยก็อที่พระอาจารย์อให้คุยกับคุณมิ้นก็เรียบร้อยนะคะพระอาจารย์แนะนำํำน้องเแล้วแล้วลก็เรื่องความทุกข์อ่ะที่พระอาจารย์ให้ให้ลองดูว่าถ้าจะพิจารณาตไตรักก็ความทุกข์ก็ตอนนี้ก็คือใช้ได้ทั้งสามตัวพระอาจารย์ก็คือเวลาถ้ามีอะไรมาก็มันก็เลยยัง มันก็เลยยังไม่กระเพื่อมเพราะว่าก็ใช้อย่างที่บอกอค่ะพระอาจารย์ใช้สมาธิแล้วก็สติคุมแต่มีอย่างหนึง่งค่ะพระอาจารย์คือตอนเนี้ยพอนั่งนั่งไปปุ๊บเนี้ยพอออกมาจากสมาธิตอนนี้มันมันก็เหมือนกจะเห็นเพราะว่าเราเน้นเน้นเรื่องของการท่านดินใช่ไหมคะจะเห็นกระดูกคือเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้ไมดองนะคะแตจเราเห็นกระดูกโวยเองคือแบบเห็นเห็นก็เลยเออโอเคเพราะว่ามันก็เลยยิ่งทําให้ทหําให้รู้สึกว่าเออมันไม่มันมันไม่เที่ยงมันเป็นการอจัง ก็ก็ใช้ตรงนี้ค่ะพระอาจารย์อนุตาเนี่ยในการที่แบบดูทุกอย่างมันก็ยังยังคุมได้อยู่พระอาจารย์แล้วก็แล้วก็เวลามองสิ่งอะไรน้อยอย่างเช่นขับรถอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีกระเพื่อมแล้วพระอาจารย์คือรู้สึกว่ามันมันมีความมีมันมีความสุขมากมากมากมากมากกว่าแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะคําถามตอนนี้ก็ไม่มีเพราะตอนนี้กําลังทําอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันวันศุกร์นี้ก็ไปกับน้องสาวไปสาชีโอนค่ะ มีคำถามอันหนึ่งค่ะพระอาจารย์คือว่าเดี๋ยวปีตอนปีปีใหม่จะไปที่วัดสักป่าสารน้อยเนี่ยอ่าอุณภูมิเป็นศิลองศาค่ะพระอาจารย์เราสามารถที่จะทําอะไรได้ไหมกับเรื่องของอุณภูมิหนาวกับการที่จะลาดกิเลสอะพระอาจารย์คือหมถึงว่ามันจะทําอะไรได้ไหมเหมือนกับที่เคยอ่านพระป่าท่านเวลาไปหนาวเราท่านนั่งสมาธิหรือว่าอะไรหรือว่าเราควรจะทําตัวปกติค่ะพระอาจารย์ถ้าต้องมีถ้าต้องมีผ้าห่มมีอ๋อใช้ผ้าห่มได้ขนหนาวได้ไป อ, อแล้วถ้าเกิดมันหมแล้วมันยังไม่หายหนาวก็ต้องลุกขึ้นมานั่งสมาธิแทนคือต้องหม่มต้องห่มตอนแรกนึกว่าให้ไม่ต้องห่มว่าหม่มแล้วก็ให้นั่งสมาธิดูความอ๋อคือห่มได้ใช่ไหม <laughs> ก็แล้วแต่แล้วเราอยากจะทดลองว่าสมาธิจะช่วยให้เราช่วความหนาวได้หรือเปล่าก็ลองถ้าเกิดฝุ่นบา ง, งาอย่างผ้าเน้นจะไม่ค่อยมีผ้าท่านมักจะใช้แค่ผ้าสามผืนตรงนั้น ถ้ามันเวลาท่านไปทุดดองนี่บางทีผ้าสามผืนนี่มันมันกันหนาวไม่ไม่ไหวดังนันก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิแทนเพราะนอนไม่ได้นอนแล้วมันไม่หลับเพราะมันหนาวนั่สมาธิมันจะร้อนค่ะแล้วเดินด้วยไหมคะ่สมาธเดินนี่ส่วนใหญ่ถ้านเดินจะต้องเดินกลางวันถ้าหน้าหนาวอ๋อคือกงคืนเนี้ยเดินเดินเยอะๆกจะได้เอาเวลานั่งตอนกลางคืนเยอะๆได้อ๋อและค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการฝึก ตัวเองฉันไม่ใจเ จ, จะลองดูค่ะพระอาจารย์เพราะว่าที่อ่านมาอลอง ก, ก, ก็ฝึกรับกับสิ่งแวดา้อมน้อยเหมือนโดดตามตามสำรวจคือเรายังไม่มีเครื่องอะไรมากมายแบบท่านี่ท่านไปทุดงนี่ท่านก็มีแค่ผ้าสามแบบนี้ผ้าจีวรแล้วก็ผ้าสามอัติท่านก็ห่มแค่ผ้าสองผืนเนี่ย แล้วถ้ามันนอนไม่หลับมันเย็นมากๆก็มุขเขนมานั่งสมาธิแล้วก็หลับในท่านั่งสมาธิแล้วเข้าไปในสมาธิเข้าไปในปราดสงบได้อ๋อค่ะอ๋อได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวอยางนั้นอย่งนั้นเดี๋ยวจะไปฝึกที่เขาชีโอนก่อนเพราะว่ามันก็คงจะตะคงหนาวไม่มากเดี๋ยวจะได้ไปทําที่มันจะหายมันมันจะหายสั่นหายหายหายนาวเวลานั่งสมาธิตอนต้นมันจะสั่นบางทีปากมันจะสั่น เนีพอสัตยานึงพอจิตเริ่มเข้าที่แล้วมันก็จะนิ่งออืสงบสบายอย่างนี้มันกลายเป็นเนสันชิกไปเลยไหมคะพระอาจารย์หรือว่าหรือว่าไม่ถึงคํำนั้นหรอก็หมายถึงว่าชื่วชั่วช่วงที่มันหนาวแล้วนอนนอนไม่ได้อะไรเราค่อยมาดังอ๋ออ๋อค่ะพระอาจารย์ได้เดี๋ยวจะลองลองปฏิบัตดูก่อนแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังเดี๋ยววันนี้ไม่มีอะไรก็ทำอยู่ตลอดทาไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะ คุณเอกเมื่อกี้ไม่อยู่กลับมาแล้วคุณเอกเชิญกิจสารทอยู่ที่ไหนครับนวัตการครับอาจารย์แชทไหมครับอยู่กรุงเทพครับอ่าเมื่อกี้ต้องประทานโทษด้วยครับพอดีลูกค้าโทรเข้ามาไม่เป็นไรมีสองคำถามครับอาจารย์ก็คำถามแรกอ่ะครับก็อาการสามสิบสองนี่มันไม่ใช่อวัยวะสาสิบสองใช่ไหมครับ มันกนะ็มันมีทา้งอวัยวะมีทั้งน้ำต่างๆแต่เราก็เรียกว่าอากาศสาสอาการของร่างกายเป็นของส่วนที่เป็นของแข็งล้วก็ก็เป็นพวกอวัยวะที่เราเห็นกันเนื้อหนังมังสาอะไรพวกนี้กระดูกแล้วก็ส่วนที่เป็นไม่ได้เป็นอวัยวะก็คือน้ำต่างๆ น้ำเหลือน้ำเหลืองน้ำดีน้ำใสน้ำเหนือน้ำหมูกน้ำอะไรต่างๆเลยแล้วแล้วทําไมถึงไม่มีตาหูจมูกลิ้นในรูปก็เพราะว่ามั น, ม, นมันแยกไว้อยู่ในอยนายัดนะก็คือในในกายนี้ก็คือสามสิบสองอาการนี้ก็คือเป็นเป็นหนึ่งอายาัดนะเช่ไมครัไม่ใช่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นส่วนประกอบของร่างกายส่วนส่วนใหญ่ส่วนคือไม่ไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะว่าแต่สมัยก่อนเขาก็ ไม่มีเทคโนโลยีเหมือนสมัยเรานี้เ่าก็เห็นแค่เท่าที่เขาเห็นจากการชำระศพนี้ก็แล้วประโยชน์ของที่เราท่องอาการสามสิบสองนี่คือจะได้เรื่องสติจะสตินนะนนแล้วก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับร่างกายของเราและของคนอื่นว่ามันไม่ใช่เพียงแต่ที่เราเห็นเพียงภายนอกมันมีส่วนที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังที่เรามองไม่เห็นกัน มันเลยให้เราหล ง, งคลั่งคลายร่างร่างกายคนนั้นคนนี้แต่ถ้าเราเห็นส่วนที่อยภายใต้ขนน้องแล้วความรับความคข้ในร่างกายก็มันก็จะหายไปแต่ต้องดูบ่อยๆุกครั้งมันจะเห็นร่างกายของใครก็ตามต้องเห็นเข้าไปทะลุเข้าไปเลยเมือนเป็นตาเอ็กซเรย์เห็นโครงกระดูกนะพวกเรามีโครงกระดูกกันทุกคนี หน้าเราก็มีกระโหลกศีรษะแต่เรามองไม่เห็นกันเราไม่มองกันแต่ถ้าเราฝึกอยู่เรี่ยๆต่อไปก็เราก็จะว่าเราก็หน้าเราก็เป็นแค่หนังหุ้มกระโหลกศีรษะนี่แ ล, แล้วก็คำถามที่สองครับพราจารเวลานั่งสมาธินี่ทุกครั้งเนี่ยที่มันเกิดทุกขเวทนาเวลาเจ็บปวดที่ที่ขาอย่างเงี้ยครับ เราเราต้องผ่านกันไปได้ทุกครั้งหรือว่าคือบางครั้งมันก็เจ็บปวดบางครั้งก็ไม่เจ็บปวดอย่างเงี้ยครับเราควร จ, <ะ>จะวางใจยังไงครับหรือว่าจะปฏิบัติยังไงต่อครับคือมันก็ต้องทำให้เราสามารถที่จะผ่านมันได้ไม่อยู่กับมันได้ก็คื อ, เ, อ, อเราเจ็บแต่ว่าเรารู้ใช่ไหมครับรู้แล้วเราไม่เดือนอ่ไม่เดือดอนนี่นเราผ่านเข้าไปจิตเข้าสู่ความสงบแล้ว อาการเจ็บหายไปเรือว่าเราไม่ได้รับรู้ความเจ็บก็ได้แล้วแล้วพอมันกลับมาอีกครับคือบางทีพอมันสงบปุ๊บมันกลับมาอีกเราก็แค่รู้ใช่ไหมครับว่ามันเจ็บทำต่อไปพยายามนั่งให้นานแล้วพยายามสอนจิตให้หัดอยู่กับความเจ็บว่ามันเป็นธรรมชาติของร่างกายที่เรามนีไม่พ้นที่เราจะต้องฝึกอยู่กับมันให้ได้พอต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะเจ็บ ถ้าเราอยู่กับมันได้จิตของเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับมันจบทคําถามครับพระอาจารย์โอเคเหินไปที่คุณโ อ, โอต่ออนโอโอนจิราอยที่ไหนจําไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพค่ะก<อ>ารมรดการพระอาจารย์ค่ะมีอะไรไหมวันนี้มีค่ะมีคําถามนะคะคือเคยไปนั่งสมาพร้อนั่งสมาธิอ่ะค่ะ อาจารย์ก็เคยบอกเอาไว้ว่าสติกับสมาธิรวมกันเป็นร้อยตลอดถ้ามีสมาธิจะไม่มีสติอันนี้พอมาคิดกับตัวเองอะค่ะก็คือตัวเองเป็นคนฟุง้งแล้วก็เป็นคนคิดมากมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แต่ว่าเป็นคนทําสมาธิได้ดีนะคะเพราะว่าเน้นการเพ่งอะคะ่ะเหมือนทําวัดเช้าวัดเย็นแล้วก็ช่วยหย่องว่าก็จะเพ่งแผ่นนิทาไปอะคะ่ะ แต่พอเวลาใครที่มันมากระทบหรือว่าอะไรที่มาเนี่ยจะควบคุมสติไม่ได้เลยด้วยความที่เป็นโทสะจริตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ค, คือไม่แน่ใจว่าทางพระท่ทานมีอ่คําแนะนําหรือไม่เจ้าคะก็สติเราไม่ไม่ต่อเนี่ยสติเรามีแต่เฉพาะเวลานั่งสมาธิแต่พออกจากสมาธิมาเราก็ทิ้งมันไปเราก็ต้องรักษาสติต่อไปไม่ว่าเราจะทําอะไร กับใครที่ไหนเวลาไห น, นก็ต้องคอยมีปสิตแบบสติคอยกับข้าประกอบใจคอยมีพู้โธผูทโทหรือคอยมีการควบคุมไม่ให้จิตไปคิดเรื่องราวต่างๆอยู่ตลอดเวลาและเวลามีอะไรมากระทบมันก็จะมีสติคอยยับยัง้งความโกรธได้ แต่ถ้าเกิดการท่องพุโทโธจะเหมือนกันเพ่งอีกต่อไปแลยคะ่ะแบกดอารมณ์ลงมาค่ะคือเราไม่ได้ไปกดอารมณ์เราเพียงแต่ใช้พุโทโธเป็นความสนใจของเราให้ไปอยู่ที่พุโทโธแล้วพอเราไม่ได้ไปอยู่กับเรื่องที่ทำให้เราเกิดอารมณ์อารมณ์มันก็จะหายไปไม่ต้องไปกดมันคือถ้อยู่กับพุโทโธแล้ว อย่าไปอยู่กับเรื่องที่ทําให้เราเกิดความโกรธขึ้นมาอย่าไปคิดถึงคนที่เราโกรธเป็นต้นถ้าเรายิ้มคิดอยู่พุโธพุทโธเดี๋ยวอารมโกรธก็จะหายไปหรืออีกวิธีหนึ่งก็ใช้เมตตาก็ได้ถ้าเราอยากจะเวลาโกรธล้วก็เมตตาให้อภัยบอกว่าเป็นเป็นการทําบุญก็แล้วกันเขาทําอะไรเราที่มันเป็นการทำบุญให้กับเราไป ถ้าเขาดา่าเราแล้วก็มีความสุขก็ขให้เขาด่าไปที่ว่าเป็นการทําบุญไม่ถโดโดดือโทษโกอธกันใน อ, อย่างนี้ก็ได้วิธีวิธีมิที่จะทําให้ไม่โกรธคือใช้ปัญญาปัญญาจะบอกว่าสาเหตุของความโกรธนั้นเกิดจากความอยากอยากให้เขาทาอย่างนั้นทําทอย่างนี้ฉันอยากให้เขาไม่ว่าเราเราเขาว่าเราเราก็โกรธ แต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาว่าเราปลกอยให้าทำอะไรก็ได้ก็อยากจะว่าเราก็ได้อยากจะชมเราก็ได้อย่างนี้เราก็จะไม่โกรธเขาเราเราควบคุมบังคับไปสั่งเขาไม่ได้ใช่ไหมอยากให้คนนั้นทุกคนดีกับเราชมเราอย่างเดียวไม่ให้ตําหนิเราไม่ให้ว่าเราได้นเราต้องยอมรับสภาพว่าเราอยู่กับสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ เราจะไปหวังอะไรจากเขาไม่ได้ก็วหวังสิ่งที่เลวที่สุดแต่ดีสุดภาษาฝรั่งเราว่า expect the worst hope for the best expect the worst ถ้ า, ถ, าถ้าหวังสิ่งที่เลวที่สุดย่างมากมันก็ฆ่าเราทัานเองอย่างนี้แล้วมันก็สบายมันจะทำอะไรเราก็รับท่านถ้ารัก็จะไม่โกรธเขาแล้วก็จะเฉยเย ความโกรธนี้ไม่ได้ไปทําร้ายเขาความโกรธมันทำร้ายเราความโกรธนี้ทําให้จิตใจเราทุกข์จิตใจเราไม่สบายเพราะฉ้าอย่าไปโกรธเขาอยา่าไปคิดว่าเราไปโกรธเขาแล้วก็จะเดือดร้อนก็ไม่เดือดร้อนเรามันพูดเดือดร้อนเองอันนี้คือมองด้วยปัญญายอมหยุดเย็นตอนสอนให้ใช้สูตรสามยอด ยอมแพ้แพ้ชนะแพ้เป็นพระชนะเป็นบาป ย, ยอมแล้วก็หยุดต่อ ต, อตาเขาหยุดต่อสู้ขเขาน้องใจก็จะเย็นสบายเอาจะเข้าใจไหมค่ะมีไหมค่ะ ม, ม, มีค่ะเอ่อทางเพื่อนแล้วก็คนรอบั้างแล้วก็ครอบครัวค่ะส่วนใหญ่จะเน้นแอบว่า การที่สวดมนต์ก็จะได้บุญนั่งสมาธิก็จะได้บุญค่ะแล้วก็ชอบตรงศาสนาพูทพราะว่ารู้สึกว่าทําแค่นั้นพอเพราะว่าที่ทําเท่านี้ไม่ต้องไปปฏิสัมพันธ์กับใครเนี่ยด้วยการที่นั่งอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวสวดมนต์อยู่คนเดียวเนี่ยได้บุญแล้วเขาก็จะบอกว่าออกไปข้างนอกก็จะดูได้เลยว่าพารมีเพิ่มขึ้นบุกคนจะเอาขอมาให้เยอะแยะมากขึ้นเหมือนบอกทําแล้วมีตัวกูของกูมากขึ้นนะคะ หลวงพ่อมีคำชี้นำยังไงต้งงองรึกษาเพราะว่าทำเพื่อให้ใจเราสงบเราไม่ได้หวังอะไรจากใครทั้งนั้นทําให้ใจเรามีความสุขความสุขใจนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าข้าวของเงินทองที่คนไหนเขาจะให้เราได้นั้นเราไม่ได้เราส่วนมนต์นี่นั่งสมายที่เพื่อให้ใจเราสงบเพื่อให้ใจเรามีความสุขแล้ว เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ความสุขนี้มีคุณค่ายิ่งกว่าเงินทองเข้าของอตา่างๆพระพุทธเจ้าบอกว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขเอืนที่เหนือกว่าความสงบไม่มีแล้วเราสวดมนต์เพื่อให้ใจสงบเราจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงลดแห่งธรรมะลดทั้งปุกหข้าใจไหม อม่เลยว่าอม่เส่วนวันเล่เลาลจะถูกขว่วยไม่สวม่วนวันเล่าจะมีคนเข้ามาจีบเราไม่ใช่คนเราเาลือกี้ส่วนวันเ่าจะมีคนดา่าเราทั้งั้นซ้ำไปแต่ใจเราจะเย็นใจจะรอเฉยอยากจะดา่าก็ด่าไปเราทําตัวเป็นเสาซะอ่ญญาพูดโทพูดโทไปเดี๋ยวมันก็เบื่อเองอะ่ะคนไปด่าเสาซักพักเดีวมันก็หยุดดนะ่าแะเพราะแม่เสามไม่มีการตอบโต้อย่างนั้น เรามาทำตัวเป็นเสาไป mm. นั่นคประโยชน์ของการสวดการมีสติจะทำให้ใจเรามาอีอเบกขาใจเราจะเย็นใจจะเฉยสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินเขาดา่าเวาก็เพียงแต่ว่าได้ยินนี่แหละคือประโยชน์ที่เกิดจากการสวดมนต์ ว่ยพระนั่งสมาธิเป็นการเจริญสติเจริญอุเบกขาไม่ได้ไม่ได้ต้องการลาบยึดสรรเสริญอะไรทั้งสิ้นนี่อันนี้คนเราเลือกันมันเข้าใจผิดกันน้อง ม, มีวิธีจะแก้ความเข้าใจผิดนี้กับคนรอบข้างไมไ้ยคะก็เราไปแก้คนอื่นไม่ได้แต่เราแก้ของเราได้คนเดียวะเราแก้ความเขา้ขขเขาใจผิดของเราเพราะเราขาดปัญญา เรีนศึกษาให้เขา้าให้มีปัญญาแล้วเรามันจะไม่เข้าใจผิดแต่ตอนนี้เราเข้าใจผิดคิดว่าเราไปแก้คนอื่นได้แก้ไม่ได้เพราะคนอื่นนี้เราเป็นเหมือนดินป้าอากาอานาตาเข้าใจหมอ่างั้แก้เราคนเดียวได้แก้ใจเราได้แก้ใจเราให้สงบไม่ให้วุ่นวายกับอะไรได้แต่เราไปแก้คนอื่นไม่ได้ คนเหลือมันต้องแก้เขาเองวันละห้าค่ะคุณเอกจากเชียงรายเชิญกรรมนวัสการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีครับพระอาจารย์เข้ามาร่วมรับฟังพระอาจารย์แล้วก็กลับพระอาจารย์ครับเดินางมาเช้าที้เกียองศาชเชียงราย ก็จชิงไลก็ประมาณสิบสองสิบสามองศานะครับสิบสองสิบสามครับก็ไม่ถึงกับเจ็นมากครับก็โอ้ก็น่าจะว่าที่นี่ยี่สิบก็สิบเย็นนะครับครัช่วงนี้อุ่นอุ่นมาบ้างครับประมาณสิบสามมาครับดีด้นายิ่งาายุซาถามว่าขึ้นไปสัมผัสความหนาวกันครับช่วงนี้ก็ครัมันหยุดยาวกาลดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ตามเขาตามโดยฮนระับแต่ผมเองก็ไม่ไปครับก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะครับเอาความสงบดีกว่าสดกว่าเยอะไม่ต้องไปไหนให้เหนื่อยครับผมทีนี้ก็เสียเงินเสียทองครับผมมันก็ส่วนใหญ่ก็สงบมากกว่าไม่สงบฮรก็จะมีสงบไม่สงบสักสักเช้าประมาณเช้าสองเช้านะคับอาจารย์งนั้นก็สง บ, บ่ครับอ า, าจารย์ตอนนี้มันสงบมัน มันเบาครับเหมือนจะลอยเลยครับอาจารย์เอออืมเบาโล่งเบาครับอาจารย์ความหนักอกหนักใจหายไปหมดเนะี่ย <c oughs> มันเป็นเบาเราไม่ไปรแบบี้ยแปลยเไม่ไปแปรเราอยู่แปรครับ <c oughs> ผมป่งโล่งเบาก็สบายครับอาจารย์แต่ก็มันยังไม่ถึงอัปนาครับอาจารย์ก็พยายามพยายามอยู่ครับก็มไม่เป็นไรทําให้ได้อย่าไปติดกับคำว่าอัปนา อันม oh, ันจะอยู่อาการกครับด้วยเสรีใจเรได้เลยเดี๋ยวันดีคืนดีมันก็จะเข้าไปครับผมครับผมครับผมก็ทําอยู่ทุกวันไม่ขาดนะครับะอาจารย์เช้าก่อนนอนนะครับทำครับผมยันจอไปท่านต่อไปเลยนะครับผมครับผมขอพูดพระอาจารย์ครับอุรนนทานนี่อุณนนท่าไหร่พระเช้านี่กลับธรรมสการค่ะไม่ไม่ได้ดูค่ะค่ะ แต่ว่าก็เย็นๆค่ะเม่เชา้าไปใส่บาทคนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่ารถเริ่มติดนะคะโรงเรียนเปิดค่ ะ, ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะวันนี้คุ ณ, ณตั้งนาสาธิตชนบรีอารมาสักการเจ้าค่ะไม่มีคำถาม่ะค่ะยัน okay. ไปที่คุณธนินาธนิตาอยู่ที่ไหน อยู่กรุงเทพเจ้าค่ะตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะเออมาฟังพระอาจารย์ครั้งนี้ครั้งที่สองอะค่ะก็ขออนุญาตจะมีสองคำถามนะคะคือเรื่องคำถามในการปฏิบัติอะค่ะคือตัวเองพอเวลานั่งสมาธิจะมีสองลักษณะคือถ้าเกิดเหมือนกับไม่ไม่เพ่งที่พุโทโธเอาไว้ค่ะก็จะฟูมซ่านก็จะแบบเหมือนหลุดอะค่ะก็จะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเหมือนพยายามเพ่งอะค่ะ ก็จะเกิดอาการเกร็งที่ต้นคอกับคอบา่าไหลเพราะว่าเป็นอาการปกติของตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดมอยู่แล้วค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเหมือนพอพยายามเพ่งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้แบบเหมือนไม่หลุดไปเนี้ยค่ะอาการพวก น, นี้มันจะแบบขึ้นมาเร็วมากเลยค่ะปกติถ้าทํางานก็สประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงถึงจะเริ่มปวดแต่พอมานั่งสมาธิค่ะเหมือนกับสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงนี้ยก็จะแบบปวดตึงไปหมดแล้วค่ะก็เลยแบบพอพอพยายามจะไม่เพ่งก็กลายเป็นฝุ่น แต่พอพยายามเพ่งอาการพวดนี้มันก็จะขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นว่าแบบได้นานสุดไม่เคยเกินครึ่งชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงอะไรอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ไม่แน่ใจว่าแบบควรจะต้องแก้ยังไงดีมันก็อาจจะเพราะว่าสติเรามีกําลังไม่มากพองั้นบางทีเราควรจะฝึกสติ ก, ก่อนที่เราจะมานั่งด้วย กินก็เลยใช้ใช้สลับไปเดินจงกรมแทนเพราะว่าแบบเหมือนร่างกายแบันี้เดินจงกรมแล้ครับพุทโธพุทโธไปก็ได้ให้มันมีสติมากขึ้นแล้วก็กลับมานั่งใหม่ไ้วนอกจากเดินจงกรมแล้วเราควรจะเจริญสติตลอดทั้งวันเลยพุทโธพุทโธไปเวลาใดที่เราไม่ต้องใช้ความคิดกับพุทโธพุทโธไปหรือเวลาเราทํางานก็จดจ่ออยู่งานของเราอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องอื่น นี่ก็จะเพิ่มกำลังของสติให้มากขึ้นและเวลานั่งมันก็จะสงบได้ง่ายแล้วมันจะไม่มีปัญหากับอา ก, การต่างๆของร่างกายแล้วก็เดี๋ยวจะขอถามเสริมจากเมื่อกี้ค่ะจาไม่ได้ว่าเป็นท่านไหนที่พระอาจารย์บอกว่าเวลาที่เขาด่าค่ะให้ให้ยอมให้ยอมไว้ก็คือจ ะ, จะถามเพิ่มเติมว่าอย่างเวลาในการทำงานนะคะ บางเรื่องมันมันต้องสู้ค่ะอาจารย์มันเป็นเรื่องของการทํางานทีนี้ขอให้สู้ด้วยเหตุผล <c oughs> อย่าไปสู้ด้วยเอาแพร่ชนะอย่าสู้ด้วยอารมณ์เรก็ด่าว่าแล้วเราว่าเป็นหมาแล้วก็ว่าควายกลับไปไม่ถูกคือ <c oughs> บางทีในที่ทํางานนะคะ่ะพอมันมันเป็นเรื่องที่มันต้องเร็วใช่ไหยคะาาอาจารย์อเป็นเรื่องตัวเลขเนี้ยคะ่ะคือต่อสู้ในห้องประชุมอะคะ่ะต้องเร็วมากเลยค<ต>่ะคูดด้วยทางทางหลักวิชาการไม่เป็นปา แต่ยังเอา แ, <ต>แ พ, แพชนะครับคือหนูจะคิดไม่เร็วเท่าเขาก็เลยโต้อตอบไม่ทันเพราะว่ากลัวว่าโต้อตอบไปแล้วจะเป็นอารมณ์ก็เลยแบบเหมือนกับชะงักไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ตัวเองแสดงอารมณ์กลายเป็นว่าเราโต้อตอบได้ช้าเรื่องมันผ่านไปแล้วค่ะ ห, หนูแพ้ไปเรียบร้อยแล้วมันกลายเป็นเรื่องอื่นไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ไม่เหนเสียหายเลยไม่มีเรื่องกันแล้วกันแต่ว่ามันเป็นประเด็นที่เราจะต้องแบบ แก้ในการทํางานนะคะมันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถเอ่อเอ่อยกเหตุผลในห้องประชุมได้เพราะว่ามันเหมือนกับเราไม่ไม่ไปสักทางอะค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าปัญญาเราช่างก็ต้องยอมรับความจริงว่าคนเรามีความช้าเรื่องต่างกันในด้านของสติปัญญาถ้าอย่างนั้นก็คือแปลว่ า, าระงับอารมณ์ไม่โต้อตอบอย่างนั้นดีกว่าแต่ว่าค่อยมาแก้นอกห้องประชุมหมอใช่ไหมค่อยชุดก็ได้ก็ได้ อย่าใช้อารมณ์ใช้วิชาการเวลาพูดการทํางานใช้หลักวิชาการเป็นหลักใช้เหตุใช้ผลอย่าใช้อารมณ์บางทีเราใช้ความคิดความรู้สึกของเราแล้วมันอาจจะไม่ดีก็ได้เนื่งแต่ว่าเราคิดว่ามันดีเราต้องมีมีหลักวิชาการมายืนยันจะดีกว่ามีตัวเลขมายืนยันว่าทําแบบนี้ได้ผล อ, อย่างนั้นอย่างนี้ไป แล้วก็ ต, ต้องยอมแพ้บ้างต้องยอมรับว่าการแข่งขันกันย่อมมีการแพ้มีการชนะเป็นธรรมดาแพ้ประจำในการห้องประชุม<แ>อ่ะก็ไม่เป็นไรแพ้ก็แพ้ก็ขอให้เขายัางจ้างเราอยู่ก็ใช้ได้ครับแต่ออกมานอกห้องประชุมคือหนูผูกไงเถียงไม่ทันไงขออนุญาตอีกคําถามค่ะพระอาจารย์คือในกรณีที่บุพการีเราอะค่ะท่านท่านอาจจะชอบดื่มตุลา ดื่มแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยนะคะซึ่งแบบไม่น่าจะเปลี่ยนได้เพราะว่าเหมือนเตือนหรือคอยบอกแล้วก็ก็ก็กไม่ไม่ค่อยเชื่อยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยใช้วิธีว่าเวลาที่ให้เงินบุพการีอะค่ะหนูก็จะให้เป็นเงินไปเพื่อแบบไม่รับรู้ว่าท่านเอาไปซื้ออะไรเพราะว่าหนูไม่หนูจะพยายามไม่ซื้อให้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวแต่ว่าบางทีแบบเหมือนไปทานข้าวด้วยกันไปทานข้าวนอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ ทันก็สั่งเนี้ยค่ะแต่ว่าเวลาหนูจ่ายมันก็กลายเป็นว่าหนูซื้อให้อยู่ดีมันก็เลี่ยงไม่ได้อ่ะค่ะอย่างกรณีนี้มันจะแบบไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะมันเป็นเป็นมันเป็นเรื่องของพ่อเขาไม่ใช่เรียองขเราเราไม่หน้าที่จ่ายแล้วก็จ่ายไปก็ไปแม้ว่าจะเป็นปัจจัยเราก็อไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาเราเป็นหนี้เขาคิดว่าเงินที่เราจ่ายให้พ่อเป็นเงินเป็นหนี้เขาพ่อก็เลียยงดูพอก็เลี้ยงดูเรามาต้องเยอะแยะ เราเบิกจากเข้ามาไม่รู้กี่แสนนะที้ถึงเวลาต้องใช้หนี้แล้วก็ใช้ไปอันนี้เป็นเรื่องนิสัยของเราเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปก้าวไกลในใ น, ในเรื่องของเขาได้แต่เราก็พยายามไม่ส่งเสริมแต่ถ้ามันอยู่ในกรณีที่มันต้องต้องต้องจำยอมก็ต้องยอมไป น, นั่นเพราะถ้าเราไม่จ่ายเขาก็เดิอ น, อนือยรูปนี้ใช่มใช่ แเราเราไม่อยู่แล้วตายไปเขาก็เดินอยู่ดีมเราจะไปวุ่นยุ่งอะไรกับเขาอถ้าเขาถามว่าพ่อดื่มน้ำนีดดีไม่ดีโอกไม่ดีหรอกพ่อพระพุทธเจ้าสอนวนะ่าดื่มชรายามา แ, แล้วถ้าขาดสติเนีอะไรก็ว่าไปแต่ถ้ามันอยู่ในสภาพที่บอกไม่ได้ก็ต้องมันต้องต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของท่านก็ได แต่เราก็ยังต้องดูแลเรื่องดูท่านอยู่ อ, นนอันนั้นไม่ไม่ขาดอยู่แล้วจ้ะครับเพราะเราเป็นนี่นะนี่บุตรคุณพ่อแม่มากพระพุทธเจ้าบอกว่าต่อให้นี่ดูพ่อแม่ดีขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทดแทนบุตรคุณให้หมดได้นอกจากทําให้ท่านเป็นพระโสดาบันทำให้ท่านพ้นอับายถึงจะหมดบุญคุณได้จะ เ, นะ เ, เต็มที่ยากเลยค่ะ เรายังทำงํำในตัวเราเองไม่ได้แล้วเราจะไปทำคนอื่นได้ไย่งไรเนเพระนั้นเรื่องเหล่านี้ก็ต้องเป็นเรื่องของของของของตัวใครตัวมันเราช่วยดูแลทางร่างกายก็ ด, ดูแลปัจจัยสี่พ่อแม่ขาดอาหารขาดยารกักษาโรคขาดอะไรก็สลับสนุนไปหมดใช่ไหมหมดแล้ ว, ลวค่ะโอเคอาเชิดคุณอ้อมตาอ้อมจากบวรเวชชนบุรี นักการค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะไม่มีคําถามเหไปที่คุณทวิศาสวิตเซอร์แลประเทศสวิตร์นวันนี้ก็หนาวเหมือนกันนะเห็นสายเสืส้อนาวเลยค่ะกับนักการกับอาจารย์หน า, าวค่ะวันนี้มีมาตกทั้งวันเลยค่ะอาจารย์ค่ะไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์โอเคไปนไปที่คุณคุณมีมีมีเอหนึ่งคะ อยู่ที่ไหนกราบนำมัสกรร า, ารพระอาจารย์ค่ะโย ม, มอยู่ที่ไหนบางแคกรุงเทพค่ะเพิ่งเข้ามาเช้า ว, วันค่ะเข้าครั้งแรกค่ะ น, นอนนอนละวันวละวันค่ะกราบคุณวอวันค่ะมีมีคำถามอยากถามพระอาจารย์ค่ะคือปกติโยมปฏิบัติพุทโธแต่ว่าช่วงหลัง โยมไปทําบุญที่วัดก็ไปนั่งสมาธิเป็นสัมมาล拉หังโยมก็นําสองอย่างมารวมกันเวลาปฏิบัตินะคะไม่ทราบว่าทําแบบนี้จะผิดไหมคะก็โดยที่ผลน่ะผลมันถ้าได้ผลดีก็ไม่ผิดมันสงบไหมล่ะมันทำให้เราสงบขึ้นไหมคือปกติปกติโยมก็สงบแต่พอไปทํา ถ้าเขาให้ละลึกดวงแก้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้แบบเขาอะค่ะ<ม>ก็อย่าไปทำโอไม่ได้ครับอยา่าไปทำทําแบบที่ทำให้จิตท้นใจหมดค่ะค่ะก็มีคำถามแค่อันนี้ อ, อันเดียวค่ะคือแต่ละคนอาจจะมีจิตเบดไม่เหมือนกันบางคนดูดวงแก้วก็สำุรได้บางคนก็พุโทโธบางคนก็สามมาแล ได้ทั้งนั้นนะนับแต่ว่าเราเหมาะกับแบบไหนแล้วเข้าแบบที่เหมาะกับเราก็แล้วกัน<า>ได้คนะ่ะขอบพระคุณค่ะคุณการณพัฒนต่อคุณการณพัฒน์อยู่ที่ไหนกลับนักสการค่ะอาจารย์ตอนนี้นอยู่กรรินมค่ะกลับมา อ, อยู่บ้านแล้วจักที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว กบาบอาจารย์อยู่ขวัแก่นค่ะพรคุณแม่ไปเข้าโรงพยาบาลตอนนี้กลับมาแล้วค่ะวันนี้เข้ามารับฟังค่ะ <ไอ S 2> แล้วก็พอดีเจอคําถามคําถามที่หลายท่านถามมาก็คือมีอัตตาเนี่ยะคะพระอาจารย์อารมณ์คือตอนนี้เจริญสติคือพยายามดูอารมณ์เองพอมาเจอไม่ค่อยมีอารมณ์โมโหค่ะเพราะว่าไม่ค่อยโดนดุแต่จะโดนตําหนิค่ะพระอาจารย์แค่อารมณ์ตําหนิเนี่ยเรารู้สึก ก็แค่เราว่าเรารู้สึกนะคะแต่ว่าอยากจะทราบว่าก็คือใช้อเบกขาเหมือนกันใช่ไหมคะคือแบบไม่ต้ออย่างต้องอุเบกขาหมดอือย่าไปยินดียินร้ายกับรูปเสียงกลิ่นลวดกันตาที่เราได้สัมผัสรับรู้อต้องรู้สึกแต่ว่าคือเห็นทุกคือรู้ตัวทุกครั้งะค่ะว่าเราเรารู้สึกแล้วเราเร า, เราโดนตําหนิค่ะเราเมียมีความาว่าเพราะว่าเราไม่ชอบตำํำหนิค่ เลย อ, อ, อยากเราชอบแต่คําชมไม่ชอบตำหนิที่เราต้องสอนใจแล้วว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ตํำหนิกับคาชมนี่มันมักจะมาคู่แบบมันอยู่ในโลกนี้มันในไม่พ้นชาวแต่คําชมอย่างเดียวไม่ได้ทุกอย่างก็คือต้องเฉยพอพอได้ยินอะไรต้องเฉยนิ่งอะไรถ้าไป่เฉยก็ทำพุดเธอพูดเธอไปภายในใจไม่ต้องไปตอบโต้ดีกว่าค่ะ ค่ะตอนนี้ก็ใช้พุดโธเป็นหลักค่ะพระอาจารย์ใช่ชวานก็พุดโธพุดโธ ใ, ให้ตลอดเวลาเพราะว่าต้องการให้สติลรามั่นคงก่อนนะคะเพราะว่าอย่างหนักไม่ได้ค่ะไม่มีอะไรแล้วคะ่ะอาจารย์ค่ะโอเคไปที่สอนสอนดวงใช่ไหมสอนสอนดวงจากประเทศดาวชวานโอเค อ, อาจารย์พระอาจารย์ มีอะไรไหมวันนี้ไ ม, มีค่ะอาจารย์เข้ามากราบอาจารย์แล้วก็มาร่วมฟังธรรมสาธุปไปที่คุณสุพัฒนาจากบอกเองเหมือนกันมาส ก, การณจ้าค่ะพอาจารย์มากราบพระอาจารย์แล้วก็มาขอฟังธรรมเจ้าค่ะโอเคไม่มีอะไรนะวันนี้อ๋อเขียนกําลังเพียนเร่งให้เยอะๆเจ้าค่ะตอนนี้รู้สึกจะน้อยลงเพราะว่ามีงานเข้ามา ก็เลออยพยายามจะทําให้มากขึ้นเจ้าค่ะบางมาาเมื่อไหก็รีบทำใช่ั้นเวลาน้อยลงไปทั้งวันนะเชิญคุณสุพิมพต่อคุณสุพิมพอยู่ที่ไหนถามมาสักการเจ้าค่ะพระอาจารย์พิมพ์อยู่ปทุมธานีเจ้าค่ะอ่ามีคำถามอะไรไหมเออได้เข้าได้มาอ่านหนังสือพระอาจารย์แล้วก็เข้าฟังธรรมรู้สึก ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากก็ถือศีลห้าอยู่แล้วก็ใจใจดีขึ้นแบบคือแบบหมายความว่าใจเบาขึ้นวางอะไรได้ดีขึ้นนะะอันนี้ข้อแรกข้อที่สองคืออยากปฏิบัตินะคะอยากนั่งสมาธิอะไรพวกเนี้ยแต่ยังไม่มีเขาเรียกว่าวิชั่นหรือยังไม่มีแบบ จุดมุ่งหมายนะเจ้าค่ะก็เลยทําให้แบบเกเรไม่ไม่ปฏิบัติอยากปฏิบัติวันนี้ก็ปฏิบัติพรุ่งนี้ไม่ปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีหลักการยังไงบ้างเจ้าค่ะอ๋อก็หลักการก็คืออยากจะมีเป้าหมายก็คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่เป็นผลที่เลิศที่สุดเลิศ ก, ก่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีในโอกนี้ ทิ้ท่านพระเจ้าบอกว่าลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงนั่นแหละคือเป้าหมายของเราลดแห่งธรรมก็คือลดของความสงบของจิตที่เกิดจากการนั่งสมาธินี่ <Okay. S 1> แล้ลองสัาผัส ด, ดู <Okay. S 1> เมือนก่บวว่าพระพุทธเจ้าไปเป็นคนเชลชวนชิมพระพุทธเจ้าไปชิมมาหานต่างๆแล้วพระพุทธเจ้าบอกร้านไหนก็สูร้านนี้ไม่ได้ร้านนี้คือร้านสมาธินี่ให้ชาวร้านนี้เถอด นั่งหลับตาดูลมหายใจไม่พุทโถไม่โถไปเท่านั้นเองง่ายจะตายไปเจ้าค่ะจะไม่ลองก็ไม่รู้เจ้าค่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม่มีเรื่องยุงย่งยากขนาดที่ก็นั่งได้เลยเนี่ยเดี๋ยวปิดปิดสมมติปิดเครื่องนี้แล้วเนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกไปแค่้เจ้าค่ะจะต้องทําอะไรเจ้าค่ะดูเฉยๆถ้าดูลมก็ดูเฉยๆ ถ้าท่องพุทโธว่าท่อพุทโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปทิดเรื่อง ต, าตา่างๆเถ้าไปที่ก็ดึงกลับมาที่พุทโธเดิงกลับมาที่หลมก็ได้ยังได้อย่างหนึ่งก็ได้ใจสองอย่างพวบไปก็ได้หายใจเข้าว่าพุทก็ได้หายใจออกว่าโธก็ได้เจ้าค่ะนอกจากความความความเหมาะสมพุทโธอย่างเดียวก็ได้ดูลมอย่างเดียวก็ได้ เจ้าค่ะต้องทำดูเสงถ้าไม่ทำก็ไม่รู้หรอเจ้าค่ะจะต้องทำเช้าเย็นไหมคะทำตอนไหนก็ได้ตอนนี้ก็ทำได้เวลาไหนว่างเมื่อไหร่ก็ทำได้เลยขอบคุณคุณเจ้าค่ะเหมือนเปิดมือถือนี่คุณเปิดแต่เฉพาะเช้าเย็นรึเปล่าเปิดก็ตั้งค่ะว่าตอนเช้าเปิดเช็คนะคะเมลอะไรพวกนี้ไม่ไม่เปิดทั้งวันอ่ะไม่เปิดไม่ไม่เปิดทั้งวันค่ะเจ้าค่ะ อันนี้สามารถทําได้ทุกเวลาเวลาใดที่เราไม่มีภา ร, รกิจอะไรก็นั่งทํานั่งได้เลยทํำได้เจ้าค่ะถ้านั่งผัสสบายยังไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ไปก่อนก็ได้เจ้าค่ะแล้ลองทําดูมันจะได้สัมผัส ก, กับสิ่งที่เราไม่เคยพบไปเห็นมาก่อนเจ้าค่ะหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคไปนี้คุณแมนต่อคุณแมน ขอทำอ๋อครับพ่าจารย์วันนี้มีอะไรไหมเอ่อไม่ครับมาทำงานตัวครับอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปต่างจังหวัดครับไม่ค่อยได้นั่งกลับมาสัญญาว่าจะจะนั่งเหมือนเดิมแล้วครับเลี้ายวันก็เลยไปเที่ยวบ้นนะครับเดี๋ยวกลับมาไม่กี่เดี๋ยวเดี๋ยวปฏิบัติต่อครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับอับริสจากระยะแขน ก, ก่าและมาชักการเจ้าค่ะพระอาจารย์พอดีว่าสองอาทิต์ที่ผ่านมาขึ้นไปบนเขาค่ะเขาชีโอนนะคะมาจากจักรทิบัติเนี่ยใช่ค่ะไปไปได้แค่สองวันค่ ะ, ะไปสองันค่ะพรอาจารย์มีคำถามค่ะพอดีไปแล้วหนูไม่ได้เอาบอกว่านั่งสมาธิไปเอาเอาแค่ผ้าเหมือนผ้าเช็ดเท้าบางๆไปอะค่ ะ, ะแล้นั่งไปชั่วโมงนึงแล้วมัน แล้วก็ออกไปเดินสิบห้านาทีแล้วก็มานั่งชั่วโมงนึงแล้วก็เดินสิบห้านาทีค่ะอย่างนี้ค่ะสามรอบแล้วหลังจากนั้นก็คือมันมันปวดขามากเลยค่ะพระอาจารย์ก็พักบ้างแล้วค่อมาหายปวดแล้วค่าก็ทําใหม่ตอบค่ะมันแล้วมันปวดมนขึ้นมาที่หลังแล้วหลังๆมันเหมือนกําลังไม่ไม่ค่อยได้ะค่ะมันก็จะแบบเวลามันสั้นลงแล้วออกก็นอนทําได้มไหมค่ะก็ เวลานอนก็เวลานอนก็พูดโทรต่อแล้วดูลงต่อไปใช่ค่ะก็มันปวดหลังก็เลยไปนอนได้ค่ะท า, นาในท่านอยก็ได้ค่ะแล้วก็พูดโทรไปะคะ่ะพยายามทําทุกอาชีพค่ะค่ะใช่แล้วก็อดข้าวไม่ไม่ไม่ทานปกติหนูจะไม่กินข้าวเย็นอยู่แล้วคะ่ะตั้งแต่ได้ฟังพระอาจารย์นะคะอก็มไม่กินตั้งแต่เย็นมาสู่แล้วก็มาได้กินอีกที เช้าวันอาทิตย์อะค่ะเหมือนตื่นแล้วเหมือนแบบเหมือนไม่มีแรงคะ่ะพรอาจารย์อก็อไม่เป็นไรก็ร่างกายก็ต้างมีมีกินบ้างแต่อย่า ก, กินมากพราะ ก, กินมากมันจะทำให้ที่เกียรมันะชอบนอนใช่ค่ะแต่ถ้าไ <c oughs> ม่กินเน่ยมันจะรู้สึกไม่ว่วงแต่เมื่อร่างกายมันต้องการก็ต้องให้มันกินบ้าง <c oughs> แล้วแต่กําลังของเรา บางคนก็อดได้มันไปอยู่ันเขาเจดวันเขาก็ไม่จินเลยตั้งเจ็ดวันก็ไปแต่ถ้าเรายังมีอไม่หัดขับอยู่แล้วได้เอาแค่วันสองวันก่อนได้ทดลองไปก่อนเดี๋ยวกําลังมากกําลังใจมากขึ้นแล้วมันจะมันจะอดทนมันจะทนได้กับคาเพียรของร่างกายดูพรวพุทธเจ้าอดถึงสี่สิบเ้าวันใช่ค่ะพระค่ะตอนที่หนูไปหนูไม่ได้เอาอาหารไปเลยค่ะเอาแค่ แกละไปแท่งหนึ่งแล้ก็กล้วยอกับน้ำพึ่งหรือถ้าอยากจะดื่มบ้างนดิมน้ำผลไม้ก็ได้น้ำทิ้งผลไม้น้ำกอบอะไรพวกนี้ดื่มนี่ระหว่างวันเนี่ยนะคะถ้าเป็นน้ำผลไม้นี่ดื่มได้ทั้งวันเลช่วงไหนก็ได้น้ำปนานะเนี่ยเช่นน้ำส้มคั น, นอะไรแต่ถ้าเป็นน้ำนมนี่ดื่มได้เฉพาะช่วงก่อนเทียก่อนเที่ยงค่ะ ไม่วันวันเสาร์อะค่ะกินน้าเปล่าทั้งวันเลยค่ะแบบไม่มีอาหารน้าเปล่าอย่างเดียวเลยค่ะพระอาจารย์มันไม่หิวนะคะดีฝึกอดทนฝึกฝึกการอดกั้นต่ความความหิวความอยากของกิเลสใช่ค่ะพระอาจารย์จะได้แค่วันดีพอแล้ววันอาทิตย์ก็เริ่มแบบไม่ไหวอเลยเนี้ยหมดแร้วใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรก็ทําต่อไปเดี๋ยวก็เพิ่มไปเอง ในกำลังก right. like ็เพิ direct, uh, uh, ่มมากขึ้นไปต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ครั้งหน้าก็ไปทั้งห้าวันย่างไปนะคะพระอาจารย์แต่แบบนี่ค่าลางานเก่งใจหัวนะก็ลาวันหยุดมันเดี๋ยวปีใหม่นี้ก็หยุดสี่วันก็จองไว้มกกระลาค่ะพระอาจารย์ได้สามวันอก็ดีลาวันหนึ่ะยังไม่ต้องลางานก็ได้เอาเฉพาะวันที่เราหยุด ฮะเราช่วงวันไหนจังหวะไหนที่ก็ายุดหลายวันหยุดยาเราก็จะรูปหน้าไม่นานๆก่อนค่ะค่ะหนูก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันคะ่ะถ้าแบบช่วงสงการอะไรเลงี้ยค่ะออถ้ามีคนเลี้ยงลูกก็จะจะไปยาวๆถ้าไม่ได้ก็ต้องทำที่บ้านไปก็แล้วอยู่ที่บ้านก็ทําได้ทําหน้าที่ทําได้คร่ะเหมือนเป็นเต่าคะ่ะอาจ า, ารย์ก็ดีกว่าไม่ทํำนี่ เหมือนส่มรวมใจไปด้วยนะคะปดีค่ะเนี่ยม่มีคำถามแล้วค่ะไปจ่าอ๋อคุณยินดีคันยินดีก็อยู่อเมริการัฐเซาท์แคโรไลน่าไ้นะกายอย่ามาเมืยแล้วนะ่ะวันอาทิ่ยนี้ค่ะ่่นอาทิตย่ออกเงินทางแล้วค่ะเดวิดกลับกับเมื่อไหร่ถึ่เม่อไหร่ถึงวันจันรนัถึงวันนันค่ะ ก็อีกสองวันถึงนะคะอ่าสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ถึงะคะ่ะอืมแล้ 9, วพันมงแล้วคืนค่ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็ไม่มีอะไรไันค่อยมาคุยกันไม่ค่อยมาเจอกันค่ะท่านอาจารย์ขอให้สุขภาพแข็งแรงคะ่ะท่านอาจารย์อ่าสาธุเชิญคุณไปโยนตาคุณไปโยนอยู่ที่ไหนครับนับกพัฒนาข้าพอาจารย์ อันนั้วออ่าลูกสาวหรือลูกชายครับสาวครับนั้นนะชื่อไรจ้ารรมานก่อนชื่อดาหน้าค่ะชื่อดาหน้าเลยธรรมาสรัรรค่ะเรนเือป่าจเรียนค่ะอยู่ชั้นไหนนะหนูอุดาลสองค่ะอ่อเดนเก่งหมเกงค่ะเกงค่ะ้ที่หนึ่งแล้วค่ะ ได้ที่เท่าไหร่สอบได้ที่เท่าไร่นีได้ที่หนึ่งค่ะเราได้ที่หนึ่ง เ, เก่งมากมพยายามนักษาที่หนึ่งไว้ด้ว่อยนะใช่ค่ะค่ะหนูมีจะถามมีคําถามจะถามพระ อ, อาจารย์เลยนะหนูหนูมีคาถามจะให้พระ อ, อาจารย์ด้วยค่ะหนูกลัวผีค่ะอ๋อพวกผีมันมีสองแบบผีที่อยู่ข้างนอกใจเรากับผีที่อยู่ในใจเรา ผีที่อยู่ข้างนอกใจเรามันไม่หลอกมันไม่ทําอะไรเราผีที่มันหลอกเราก็คือผีที่เราคิดขึ้นมาเองเวลาหนูนึกถึงผีป้าหนกูกลัวขึ้นมาทันทีวิธีฆ่าวิธีกําจัดผีที่คิดอยู่ในอยู่ในใจก็หยุดคิดให้ท่องพุโทโธพุทโธไปอาจารย์ไหมเวลาเวลาหนูกัวผีป้าว่าพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธไป อย่าไปคิดถึงผีแล้วเดี๋ยวผีก็หายไปนะเราทํำดูนะแล้วเรามาไล่าตามอาจารย์ห น, นุ่นผีก็ท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าหยุดอ ย, อย่าหยุดจนกว่าจะหายกนะ ล, นะลัวนะเราทําดูนะอ่าครับการมักสารครับอาจารย์ครับหมดนล้วครัครับหมดแล้วครับโอเคดีน่นเด็กฉลาดนะัะลูกครับร ที<ม>่นอนไปไรอบหนึ่งอบอกว่าถ้าพระอาจารย์มาให้ปลูกด้วยก็เลยก็เลยรีบปลูกแกเเนะเมาร่วมฟังธรรมที่เฉยครับนนพรอะอาจารย์ครับนรัติากา ร, รครับนมัตการนี่ครับนรัติการค่ะคุณพิมพ์ธนกิจานุพินธนกนรัสการค่ะท่านพระอาจารย์คือเกี่ยวกับการทําสมาธิอ่ะค่ะ เคยทำสมาธิได้ดีอะค่ะแต่พอหยุดทำไปเหมือนกับเข้าไม่ได้อีกเลยอะค่ะเหมือนเวลาที่จิตใจจะดิ่งลงไปเนี่ยมันจะถอนขึ้นมาทันทีอะค่ะเลยอยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ค่ะก็ะเวลาเรานั่งเราอย่าไปดูอาการที่มันจะดิง่งให้ดูพุโทโธไม่ดูลงไปอย่างเดียวอย่าไปสนใจมันจะดิ่งแล้วไม่ดิง่งถ้าเราไปจ้องมนันแล้วมันก็จะหยุดดิง่งทันที ใช้ลมไมือใช้พุโทโธนะนั่งหมือใช่อะไรอะเหรอได้ยินไหมไหายไปแล้วเคุณเร็ญพี่น้องปิดไม้กันละวเปิดไม้ห ม, ม, ม่เป็นไหมครับร น, นัน่งนี้มานัาน่งนี้ใช้การดูลมไม่อใช้พุโทโธไม่ใช่อะไรใช้การ ดูลมอะค่ะลลแล<ต>้วมันแบบพุทธอ<ห>อกโทอะค่ะก็ได้แตแต่อย่าไปดูเวลามันจะดิ่งนะปล่อยมันปล่อยมันจะดิ่ง้วไม่ดิ่งไม่ต้องไปสนใจถ้าจิตเราไปอยู่ที่อาการมันก็จะทําให้มันหยุดดิ่งแต่ถ้าเราอยู่กับพุทโทอยู่กับลมไปเดี๋ยวมันดิ่งออกมาดิง่ง่ะก็ะอยู่ที่เหตุต้องทําเหตุน้าผลมันจะตา ม, มาเล ขอเรียนถามพระอาจารย์อีกคําถามนึ่งนะคะ่ะเกี่ยวกับอสุภกรรมฐานนะคะเหมือนแบบพอนึกถึงแล้วทําให้เราเริ่มรังเกียจร่างกายหรือบางครั้งรังเกยียจอาหารขึ้นมาค่ะก็เลยไม่ทราบว่าเป็นอกุศลหรือเปล่าคะถ้ามันรังเกียจก็ถือว่ามันกินยาแรงเกินไปกินมากเกินไปต้องอยาต้องหยุด เอาทำ ใ, ให้ใช้มันตอนที่เราเกิดความอยากถ้าอยากจะเสกกามก็ให้นึกถึงมาสุภะหนึง่งเดี๋ยวเวลาที่เราอยากจะกินอาหารแล้วมันนึกถึงปฏิคูนขึ้นมาแต่ถ้าเวลาเป็นปกตินก็ไม่ต้องเป็นนึกถึงมันถ้าเรื่องเล่ามันทําให้ให้เราเกิดอาการเราเกลียดขึ้นมาก็อาจจะเป็นเพราะหนึ่งจิตเราขาดอุเบกขาด้วยเราต้องพยายามฝึกสมาธิให้มากๆให้จิตเป็นอุเบกขาก่อน ก่อนที่จะสามารถมาพิจารณาสุภาษิตมาพิจารณ า, า, า, า, ราปฏิบุรณได้เข้าใจไหมเข้าใจนะพขเข้าใจค่ะขอบพระคุณค่ะถ้นพยายามลองสังเกตอยู่ถ้าเราออกจากสมาธิมาแล้วพิจารณามันจะรู้สึกไม่ไม่นลำเกลียดแต่ถ้าออกมาจากสมาธินานๆก็แล้วกําลังของของเุเบกขามันหมดไปมันก็จะรู้สึกลำเกลียดขึ้นมาเราก็หยุด กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุนอนนะท่านอาจารย์กลับมาหนึงนนหน่งครส้งนะอาจารย์ครับวันนี้เข้ามาฟังธรรมครับไม่มีไม่มีคำถามเลยนะไม่มีคำถาม เดี๋ยวสักสองอาทิตย์จะเข้าไปปฏิบัติแล้วนั่นน่ะเป็นหมอนาถวุฒิทนรู้จักกับคุณหมอคุณหมอวีเลยรู้สึกจากสีราดด้วยกันเนะคุณหมอนาถวุฒิเขเป็นหมอที่สีราชอยู่ตอนนี้ครับอาจานย์จสกันครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารยนาถวุฒิรุ่นไหนอะครับเพอผมจริงๆจบจุฬาครับแล้วก็มาอยู่ที่สีราดครับแล้วก็จบเป็นอาจารย์อ่า ครับที่นี่ครับอยู่ที่หน่วยวัาใจครับมอ๋อครับของยินดีที่ได้รู้จักนะครับอาจารย์ครับยินดีนะจ๊ะครับยินดีครับครับผมเพื่อจะได้เจอกันบางทีครับโอเคเห็นไปที่คุณวิรัยพรอนจารคุณวิรัพรกลาบนามสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเอ่อพอดีโยมมีปัญหานี้หน่อยค่ะรู้สึกว่าช่วงหลังที่จะเอ่อ สี่ห้าวันที่ทําทําสมาธิอะค่ะพระอาจารย์เหมือนกับกว่ามันถดถอยลงอะคะ่ะเหมือนกับมันถอยหลังซึ่งเมื่อก่อนโยมโยมจะไม่มีอาการที่แบบว่าพอนั่งไปสักพักแล้วก็ฟึ๊บแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะคะแต่พอช่วงหลังๆรู้สุดว่ามันเหมือนมันน่าจะกําลังหรือว่ามันถอยหลังลงะคะ่ะพระอาจารย์เหมือนพอเรานั่งสมาธิไปสักแล้วก็พุโทโธพุโทโธด้วยแล้วเรากส็สังเกตเอ่อสภาวะภายใน เวลาเราพิวไหวหรือว่าอะไรเราก็จะตามตามรู้ตามดูสภาวะภายในอะค่ะหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเราเข้าพูดออกโทรแล้วเราก็ดูสภาวะภายในด้วยหอ่า ะ, ะพระอาจารย์มันถึงได้กําลังมันเลยอ่อนนะคะเหมือนกับพอนั่งักหนึ่งมันเราพูดทบไปเหมือนกันมันก็แบบฟุ๊บไปมันก็ฟุ๊บแบบเหมือนกั บ, บสะดุ้งขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับแรงมันแรงมันขึ้นมาอีกองนี้ค่ะพระอาจารย์เป็นเพราะว่าเราถอยหลังไหมคะ เปนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับพุทโธไม่อยู่กับลมาหายใจอ ย, อย่างต่อเนื่อง น, นั่นเองงั้นอย่าไปสนใจอาการอื่นๆให้อยู่กับพุทโธกันลงไปได้เรื่อยๆอย่างเดียวเข้าพุทออกโทร เ, <อ>เรา<ป>เราเราต้องไปดูสภาวะข้างในใว่ามันไม่ต้องดูอะไรทั้งนั้นดูดูเข้าพุทออกโธอย่างเดียวอ๋อ ก, กาลังกําลังสมาธิมันก็เลยอ่อนใช่ไหมคะคุณเราเาการสตินะเผื่อสติไปดูนู่นดูนี่มันก็เลยมันก็แบบปุ๊บแล้วก็ฟุ๊บขึ้นมาพอระหว่างช่วงมันมันมันปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ กำลังมันจะแบบฉุดขึ้นมาแล้วก็จะมีแบบแบบเอ่อกำลังขึ้นมาแล้วก็พูดโทรใหม่สักพักมก็เป็นเหมือนเดิมอีกค่ะพระอาจารย์สามสี่วันแล้วค่ะอย่าไปสนใจอาการให้อยู่กับพูดเข้าโทรออกไป ถ, ถ้าแต่เราเริ่มต้นมาอย่างไรก็ทำอย่างั้นไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์แล้วอย่างเวลาเราเดินเราเดินข้างนอกเงค่ะเดินในหมู่บ้านเนี้ยค่ะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราจับสภาวะที่ว่าเวลาเราหมึกแกวกมือนะคะพระอาจารย์แล้วก็จะรับรู้ได้ถึงว่าลมมันมัน มือซ้ายมือขวาอย่างนี้คือเราทําถูกแล้วใช่ไหมคะเวลาเดินดูที่ท้ามันจะจะจ ะ, จะง่ายกว่านะดูทั้งตัวอาจารย์เราเราจะรู้สึกเราจะรับ ร, รู้ได้ถึงเวลาเราแกว่งเลยอนะคะอาจารย์คือลมมันจะแบบท<ม>ุบซ้ายทุบขา่าเนี่ยเรา<ม>เราเราจับสภาวะได้หมดนะคะอย่างนี้ยงทาถูกใช่ไหมคะจะว่าถูกก็ถูกนะแ ต, แต่คิดว่าถ้าเราต้องการให้จิตมันนิ่งดูอาการนายการหนึ่งดีกว่า พูดโทหรอหรือว่าก้าวเท้าเดินใช่ดูพูดโทไปอย่างเดียวเริ่มดูเท้าซ้ายขวาไปก็ได้ได้เพราะเดินในแบบเหมือนเราออกกําลังเราก็จะเดินแบบเดินปกติอะค่ะเราจะไม่ได้เดินแบบว่าช้าช้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเดินเราก็จะสังเกตว่าได้ช้าเร็วไม่เป็นไม่ไม่ไม่เป็นปัญหาช้าเร็วเราก็ดูเท้าได้ช้าเร็วเราก็พูดโทได้ค่ะเพราะฉะนั้นอีกคําถามหนึ่งนะคะอย่างเวลาที่ยมฟังเขาบอกว่า เ, เวลาผัด ส, สะมามากระทบโสว่าเราเราท า, านอาหารอยู่ใช่ไหมคะพอเราเข า, เาบอกว่าถ้าเราตัดเข้าเข้าปากปุ๊บเนี่ยเราเราแค่รู้แค่ว่าอาหารเข้าเข้าแล้วก็ตัดไปอย่าไปตามรู้รสแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตามว่าอร่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรพระอาจารย์หรือว่าพอเราลองทําแล้วเราทําไม่ได้คะ่พะพอเข้าปากปุ๊บอะอร่อยรู้รสชาตินี่เราต้องตัดยังไงคะพระอาจารย์หรือว่าก็ปกติเราลืมเฉยๆไป ถ้ามันอร่อยก็ให้คิดถึงภาพของอาหารที่มันอยู่ในปากว่ามันอาหารที่อร่อยนี้มันหน้าตาอย่างไรลองคายมันออกมาดูด้วยว่ามันจะกลับกินเข้าไปใหม่ได้ปะงั้นแต่เราก็ต้องเอาแค่จานเดียวเราเราไม่เราไมต้องเบิรนแบบตามกิเลสไปว่าอเ้ออร่อยตามอีกแล้วก็แค่พอแค่นั้นแต่เรากินเพื่อดับความหิวก็ไ่ได้กินเพื่ อ, อเพื่อความสุขทางใจทุกวันนี้ก็งดเข้าเย็นแล้วค่ะเออ ทานแค่สองมื้อทำทุกวันค่ะพระอาจารย์แต่เพียงแต่ ว, ว่าสงสัยว่าทําไมมันถอยหลังทําไมมันไม่เดินได้นะวิธีหนึ่งถ้ามันอร่อยก็คือข้าวหน้าก็อย่าไปกินมันอันนั้น ถ, ถ้ามันอร่อยก็อย่าไปกินมันดันที่สายเลยได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะ ก, กินของ ท, ที่ไม่อร่อยกินของที่ไม่อร่อยได้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะ<ม>เอ อ, อยู่ในกลุ่มของวัยรุ่นของขอ ง, ของลูกๆอะค่ะลูกอยากรู้ว่าการที่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้เขาเรียก กับขอโทษนะคะพระอาจารย์เขาเรียกพาว่าแครอทเนี่ยจะเป็นบาปทางวจีทางวจีกรรมไหมคะเด็กแครอทใช่เด็กใคเป็นแครอทเรียกพระอะคะ่ะอก็สแสดงว่าเขาไม่เข้าโลกนั่นเองก็เขาไม่ศรัทธายพวกเด็กวัยรุ่นเขาก็เห็นพราเป็นเป็นปแครอทก็เลยหวังเขาไแล้วนี้เราจะสอนเขายัางไงพระอาจารย์ก็ต้องสอนก็ต้องค่อยๆสอนเขาบอกว่าพระนี่เป็นเหมือนครูเป็นอาจารย์มีความรู้ ที่เราไม่รู้ถ้าได้ศึกษาจากพระแล้วเราจะได้ฉลาดขึ้นอะไรคทำนองนี้ต้องบอกเขาาให้เขารู้ว่าพระเป็ igail, นอะไรเพราะบางทีเขาไม่มีการสอนก็เห็นพระแต่เป็นทบายก็เข้าคิดว่าเป็นพระขอทานค่ะได้ก็พยายามพยายามสอนบอกว่าพวกเด็กๆเนี้ยค่ะบอกอย่าไปอย่าไปอย่าไปตามกระแสอย่าไปอย่าไปตามอะไรอย่างนี้เยอะเพรอเป็นบาปทั้งวัจีกรรมนะอะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามสอนเด็กๆคือพระที่ ท่านมีความรู้นี้เป็นพระที่จะทําให้เราฉลาดทําให้เรารู้จักผิดถูกดีช่วยอะไรแต่ก็ไม่<ต>ไม่ถึงกับ<อ>กบาปนะเพียง แ, แต่ว่าเป็นเป็นการตัดโอกาสของเขาที่ได้ศึกษาจากพระที่มีความรู้ถ้าถ้าเขามีมีอคติต่อพระแล้ ว, วก็าไม่อยากจะเข้าหาพระได้ค่ะเวลาเจอเด็กพลิกเราก็จะสอนเขาอย่าอย่าแบบนี้นะลูกมันบาป ควรจ ะ, จะควรจะพาลูกทํากิจกรรมทางศาสนาเช่นชวนเขาใส่บาตชวนเขาไปวัดอะไรค่อยๆเขาจะได้สัมผัสรับรู้ในในกลุ่มในกลุ่มเพื่อนของเขาค่ะพรอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้ทั้งเรื่องของคนอื่นถ้่เราไปเตะวัยรุ่นนะทั้งคนตอนนี้นหายมันนิยมทางวัตถุมากเนี่ยวัตถุนิยมเลยไม่สนใจทางด้านศิลปศิลธรรมนิยมกัน ก็เลยมันก็เป็นอย่างนี้ไปหวงหวงอนาคตเด็กยุคใหม่เยอะมากหวงก็ทําอะไรไม่ได้มันเป็นเ ร, เ, เรื่องของแต่ละคนตัองแต่ละคแ<ต>แ่แต่ไม่บาปใช่ไหมคะพระอาจารย์แต่ว่าเพีงเยงแต่ว่าเไม่บาปก็คือแปลวมันเป็นการแสดงความไม่ศรัทธาไม่เคารพไม่เลื่อมใสค่ะไม่เลื่อมใสพวกที่เต็มแรงเป็นการมากกว่า ค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคนะค่ะกรารขอบพระคุณค่ะพะอาจารย์อย่างนี้คือโยมต้องเอาแค่แค่รับรู้แค่ว่าเข้าปุทธออกโธแค่นั้นไม่ต้องไปสนใจสภาวะถูกต้องถูกต้องอย่าไปสนใจเพ้าะนั้นเวลานั่งสมาธิใช่เพราะ่าค่ะเพราะเวลานั่งองหัวใจแบบตุ๊กตุกนี่เราจับสภาวะได้หมดเลยค่ะพระอาจารย์แล้วมันไม่ต้องไปสนใจถ้าไปจับแล้วมันก็จะอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะไม่ไปต่อมัน พยายามพยายามจะตัดตรงนี้แต่มันก็จะกลับไปที่ตรงนี้มันจะเห็นชัดเด่นเด่นขึ้นมาเลยค่ะแต่มันไม่แปลดไปอยู่อะไรเอาจากที่ทัวลมดีกว่ามันจะได้นิ่งจะได้สงบได้ได้ค่ะ่งั้นถอยหลัง่กลับเขา้ามาคุณกับพระอาจารย์โอเคอพระอาจารย์สุภาพแข่งล่งค่ะสุนนวีเมื่อกี้่านสุนอาวีสุนอวนานอ ว, อวีมีอะไรจะถามหรืจะคุยไหมครับกลับธรรมสการพระอาจารย์ครับวันนี้จะเข้ามาถามส่วนตัวไดยกับาอาจารย์ก็ อาจารย์ครับเจอผมนี้จริงๆแล้วผมภาวนามานานพอสมควรนะครับอาจารย์แล้วก็แต่ว่าดูแล้วมันไม่ได้ไปข้างหน้าเท่าไหร่เลยครับอาจารย์เรื่องทานเรื่องศีลเนี่ยก็ก็ทําอยู่สม่ำเสมอนะครับอาจารย์ mm hmm. เรื่องปัญญาเนี่ยตัวอย่างสุตตะมายปัญญาจินตามายปัญญาเนี่ยผมก็จเจริญอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาฟังเทศจินตามายปัญญานี้ผมเจอคนไข้ผมก็จะพิจารณาเข้าตัวเรื่อยเลยครับอาจารย์ครับทีนี้ปัญหาก็คือว่า ผมยังไม่เคยเข้าอุเบกขาได้ครับอาจารย์ครับอ่พาพอเราขาดการกา ร, การปฏิบัติสติอย่างต่อเนื่องซึ่งมีความจาเป็นจะต้องทำในขณะที่เราไปปิดวิเวกอถ้าเราทาแต่เฉพาะในชีวิตประจำวันนี่มันจะมีเรื่องนาวมาคอยึ่งจิตไปเรื่อยถ้าเราไปปิดวิเวกนี่เราจะสามารถจะควบคุมจิตให้อยู่ในปัจจุบันไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรกับใครได้ไม่คิดปรุงแต่งได้ ต้องไปเปลีวิเวกถึงจะได้สมาธิถึงได้อพนาสมาธิได้อยู่ในชีวิตทำงานตามปกตินั้นย า, ยากยากครับผมว่าผมช้าไปหรือเปล่าครับผมแต่ไป่ช้าก็พออยู่ยังน้อยอยู่แต่ว่าอาจจะต้องเริ่มอ่ะจะมีปัญหาคือคุณหมอมีครอบครัวมันก็เลยไปไม่ได้ใช่ครับอาจารย์ครับก็เลยก็เหมือนกับเหมือนกับว่าขับรถอยู่ใต้ทางด่วน ย, ยังไม่ได้ขึ้นทาง ขึ้นไม่ได้ขึ้นไลยได้แตบสตินี่ก็พยายามเจริญเกือบตลอดนะครับอาจารย์นิ่ถ้ามีอะไรที่มากระทบเนี่ยจะรู้ทันทีเลยครับแล้วก็จะจ ะ, ะ <c oughs> จับะ <c oughs> ในระดับจินตาในระดับจินตาเมย์ปัญญายัางไม่อยู่ในระดับที่ปล่อยวางใช้ได้ผม <c oughs> ยังมีปฏิกิริยากับตา่างๆครับผม ้าเราไปปีเว่ยๆดูเนีวยเราไปหาอากรอยู่ันเดียวดูสักวันอวันเรากสติจะให้กราบแตกต่างกันะขึ้นไปบนเขาก็ได้ทำมาล้วท้หนไปยู่้วยหนึ่งตนักอาจารย์ไปอาจารย์ุไปด้วยเราทำได้เราดูอ๋อผมปัญหาคือผมไม่ได้ปีเวใช่มัาแตนั่นเยราบผม การการไม่วิเวกจิตมันเลยไม่วิเวกครับผมได้วิเวกพราะิตก็จะวิเวกเพราะอย่างสมัยก่อนนี่ผมนั่งสมาธิบางทีนั่งไปสองชั่วโมงเลยนะครับอาจารย์อ่า ก, ก็ก็ไม่สงบครับอาจารย์ครับมันก็ฟุง้งฟุงแล้วก็เจ็บแล้วก็ฟุ้งแล้วก็เจ็บอย่างนี้ครับอ่ามันนั่งปฏิบัติทั้งวันเถ้าไปอยู่คนเดียวเราไปปฏิบัติอย่างที่เมื่อกี้คนคนรีสบอกไปอยู่ว่าเขาที่อนมาเขาผู้หญิงไงแค่เขาเดินจะกองสลับกันนั่งสมาธิไป รครับอาจารย์ครับต้องทำอย่างต่อเนี่ยครับเดี๋ยวจะหาโอกาสไปได้กับอาจารย์ครับเ ร, จ า, รบ <Okay. S 2> าจะอุเบกขาสักครั้งหนึ่งนี่ผมจะผมดูจะดุกถ้าจะอุเบกขาแล้วไปเร็วแล้วทเนี้เพราะปัญญามีมาแล้วมี็นอากาอุเบกขาที่จะมาสนับสนุนให้จิต ป, ปล่อยว่างให้ได้ทั้งในครับผมั <Okay S 2> อนอะาจารย์ครับไม่คือนที่ค่อยเจอกันหน่ ครากจะติดตามคือมาที่เมกรอบนะสองเหมือนกันทั้งเฟซบุ๊ทั้ง youtube เข้าไปได้ครับอาจานกาบขอบทุกคนนะครับได้คำตอบแล้วครับผมโอเคคุณธนพลใช่คุณธนพลกาบนมัสกาดครับอาจารย์ครับมีอะไรล้ววันนี้คือ ท่านทาเยอะก็ได้เยอะครับทําน้อยทาน้อยก็พอกลับมาทําใหม่มันก็ก็ต้องเริ่มใหม่ก็ช้านิดหนึ่งครับแต่ว่าก็จได้ต่อก็ก็ไปต่อเนื่องครับอาจารย์พยายามพยายามพอนัดให้ได้ทุกวันครับดทําให้มันสม่ำเสมอทําให้มากขึงไปตามลำดับครับก็ครอบนั่นแหละครับอยู่ที่ที่ตัวเองเลยครับถ้าถ้าเราไม่เราไม่มีความเพียรมันก็ถดถอยนะครับ หลุดพ้นจากความทุกได้ด้วยความเพียรครับครับอาจารย์แต่บางครั้งก็รู้ว่าต้องมีความเพียรบางครั้งก็รู้ว่าจะต้องทําแต่มันก็สู้สู้กิเลสที่ว่าอยากจะทํางานให้เสร็จไม่ได้ อ, าา อ, อย่างเช่นค่ะการงานที่เราทํำงานปฏิบัติอาไหนมีคุณค่าออนกันไหบางทีก็รู้ว่างานนี้ไม่ค่อยสําคัญนะคะได้เงินก็นิดเดียวแต่ว่ามันก็ไม่รู้ทําไมต้องทําก็ไม่รู้บางทีก็รู้สึก อก็เพราะว่าหนึ่งจิตเรายังไม่ค่อยมีความดึโดูดกับการปฏิบัติธรรมนะเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นคุณค่าอ่ะยังไม่ได้เห็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติมันก็เลยไม่อยากปฏิบัตินะแล้วก็นำปียามบางคั้เผื่อให้ปฏิบัติให้มากๆขึ้นไปแล้วเดี๋ยวพอมันได้สัมผัสกับผลเนี่ยมันเหมือนกับได้ชิมรสของธรรมแล้วว่าเป็นยังไงที่นี่มันก็จะ มัน่็จะไปของมันเองนะมันก็อยากจะไปอ๋อมีคําถามครับอาจารย์นึกออกว่าระหว่างภาวนาบางครั้งเอ่อก็จะมีมีสุปหักขึ้นเองอะครับก็คือขึ้นแล้วเราก็จะเหมือนกับว่าเป็นอาการว่าว่าเหมือนกับเราเราเป็นน้ําเหลืองเป็นอะไรเงี้ยมันก็ไหลก็ไหลลงไปกองข้างล่างครับอันนี้คือคือเราตามไหลลงไป ก็เลยก็เลยก็เลยหายไปยครับก็เลยว่าเอ๊ะอย่างนี้มันต้องจริงๆเราก็ควรจะปล่อยถ้าถ้าเขาขึ้นมาก็ปล่อยเขาไปอย่างนั้น้ไหเพื่ออยู่ที่ว่าเราต้องการให้ให้เราเห็นชัดเห็นเห็นได้ตลอดเวลาหรือไมถ้ า, ายาังต้องต้องการเห็นเราก็พยายามนึกบ่อยๆแต่ถ้าเรายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้มันแล้วก็ บางทีมันโผล่ขึ้นม่กม็ให้รู้เฉยๆไปหรืว่ามันมาแล้วเดี๋ยวก็ดับไปก็ก็ะะจะตาก็ไม่ต้องตามก็ได้นะครับก็คือเราก็รู้ไว้ว่าว่าโอเคมันเป็นเป็นอาการอย่างนี้ก็ <c oughs> <c oughs> อยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะครับเ <c oughs> จริญสุภาพมากน้อยเพียงไรครับ <c oughs> ถ้าเราต้องการเจริญมากเราก็ต้องพยายามนึกถึงมันบ่อยๆนึกถึงภาพไม่สวยไม้งาดของร่างกาย ในรูปรบแบบต่างๆอยู่เพื่อนๆแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้มีความตั้งใจเ้าอยู่ดีๆมันโผล่ขึ้นมาเราก็เพียงแต่นับรู้ว่าไปโผล่มาแลเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ดับไปับถ้าเราก็ไปทําเรื่องของเราต่อไปอันนี้แสด บ, บว่ามันมันอาจจะมีมีฝังอยู่ในใจเราบ้างแล้วบางเวลาบางโอ ก, ออ ก, กาสมันก็โผล่ขึ้นมาให้เราม า, มาทักทายเราอืม แต่การจะเลาสุภาษณ์นี่มันจะเห็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อตอนที่เราต้องการที่จะรับมือจากการเสพการแล้วพอเวลาเราเกิดการอาราขึ้นมาถ้าเราคิดถึงอสุภาษได้ความอยากจะเสพการก็จะระลับไปได้ครับอาจารย์คะบางทีอภาวนาด้วยอสุทภาษค่ะบางทีภาพตรงหน้าที่ขึ้นมาด้วยออ มัวนีห่จะเป็นโครงกระดูกอย่างเงี้ยค uh ่ะพอเห็นภาพแล้วเนี่ยเราจะน้อมภาพนั้นเข้ามาที่ตัวเองค่ะให้มันเป็นตัวเองค่ะแต่พอมัน้อมจิตแบบนี้ปุ๊บมันหลุดนะคะมันเหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่อะค่ะก็เริ่มต้นใหม่ได้ก็ใหม่ๆมันก็ยังแบบว่ายังไม่เข้ากำลังสติยังมีไม่พอที่จะหนึ่งให้มันเข้ามาอยู่ในกายเราก็พยายามทาใหม่ ทำมันหลุดก็ทำใหม่นึงถึงภาพของกระดูกใหม่นึกไม่ได้เข้ามาในร่างกายเราก็ได้เพียงแต่ให้เรารู้ว่าเนี่ยกระดูกเนี่ยในร่างกายเราก็มีแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะร่างกายเราเป็นคนเดียวร่างกายของคนอื่นก็มีเหมือนกันใช้การพิจารณาไปก็ได้ไม่ต้องเพ่งแท้ไม่ต้องน้อมดึงเข้ามาให้น้อมมาด้วยการพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลก็ได้ กรจายไม่ไม่ต้องหมายถึงว่าน้ำเอาภาพเข้ามาเลื่นเข้ามาในร่างกายเหตุแต่ใช้ใช้คำค ำ, คำคาคิดความคิดว่าเนี่ยกระดูกที่เราเห็นเนี่ยมันมีในร่างกายของคนทุกคนทั้งเราและทั้งของผู้อย่างนี้ก็ได้ครั บ, รบแล้วพอเราตอบไปเวลาเรามองเห็นร่างกายของใครเราก็นึกถึงโครงกระดูกเขาเป็นมาทีครับ พันนี้ก็ใช่ได้ไม่มีำคำถาดนะครับตอนนี้ก่อนนะ ไ, ไ, ปไปดีคุณพระวิทยาเดลัสเท็กซสเช่คุณพระวิทย์อา Dallas, มาสการครับอาจารย์มาฟังข้อแก้ไขตัวเองครับจากญาติธรรททั้งหลายครับเป็นยังไงมีอะไรต้องแก้ไขเลยโ อ, กอ้ก็ ข้อที่เราปฏิบัติผิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีญาติทำถามแล้วว่าคล้ายๆของเราเราจะได้มาแก้ไขตัวเราให้ดีขึ้นครับเออดี์เ้ยไม่มีคําถามเลยวันนี้ว่าวันนี้ขอฟังครับพระอาจารย์อากาศเป็นงไงตอนนี้หนาวไหมก็เย็นอยู่ครับตอนตอนเช้าเช้านี่ก็ประมาณนี้ครับสิบองศาอะไรอย่างเงี้ยครับบางวันก็ลงไปลบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็หนาวพอสมควรลบหนึ่งก็เห็นาเครืองลงได้นะ ยังครับยังครับตอนนี้ยังไม่ตกครับอยากไม่อยากให้ตกครับเดี๋ยวไฟดับไปกันครับผมไม่มีอะไรครับขอบคุณครับเห็นไปที่อาจารย์สายทิมอาจารย์สายทิมมหาสารคามได้ว่าคอนเกตไงกับนิมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่มหาสารคามค่ะค่ะอยากจะ ให้กาียนพระอาจารย์ให้สอนหรืออธิบายเรื่องคำว่าวิปัส น, นาค่ะว่าอย่างเราเพิ่งแบบเหมือนปฏิบัติยังไม่ค่อยได้เก่งมากแล้วก็เริ่มต้นควรจะวิปัส น, นาแบบไหนดีค่ะคำว่าวิปัส น, นาคือความรู้จ้งเห็นจริงตามสภาพความเป็นจริงเช่นไม่เที่ยงเนี่ยความไม่เที่ยงเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง แต่เราไม่เห็นว่ามเราเห็นว่ามันเทียมกันเห็นว่ามันบ้านเรานี่จะต้องอยู่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยใช่ไหมถูกบ้านเสร็จก็คิดว่าบ้านนี้มันจะต้องอยู่อย่างนี้ไปน ร, ร่แต่ถ้าเราไม่ถึงภาพของมันอีก50ปีอีกร้อยปีมันก็ผุพัพไปนี่คือวิปัสสนาอย่าไปเห็นแต่าภาพเฉพาะปัจจุบันเอนเดียวต้องคิดถึงภาพของอนาคตด้วยและคิดภาพของอดีตด้วยว่า บ้านนี้มันก็อยู่ดีๆมันก็ไม่ได้โผล่ขึ้นมาเองมันก็ทำในการก่อการสร้างขึ้นมาน่างกันเราก็แบบเดียวกันน่ากันเราก็ถ้าเรามองแต่ปัจจุบันเราก็อาจจะคิดว่ามันเป็นอย่างนี้มองหน้าเราทีไรทุกวันมันก็หน้าอันเก่าอันเดิมแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปเมื่อสักสิบปีก่อนัวันนี้หน้าตาอันนี้ถ้าจะเป็นคนละคนอย่างไรนี้ก็าต้อฝึกมองแบบนี้มองความเปลี่ยนแปลงของสภาพต่าง ที่ตามหลักของอนิจจาก็คือมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ <c oughs> แล้วเดี๋ยวมันก็เสือ่อมแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปนะแล้วจบร่างกายของคนแล้วออกมาจากท้องแม่ก็เป็นเด็กทารกแล้วก็ค่อยจะเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กชายเด็กหญิงแล้วก็โผล่ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วต่อไปก็เป็นคนชราแล้วต่อไปก็กลายเป็นคนตาย นี่คือวิปัสสนามองอันนี้จับนั่งมองอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้นไม้อะไรเหมือนกันหมดมีเกิดแล้วมีตั้งอยู่แล้วเนี่ยก็มีการดับไปเป็นธรรมดาค่ะที่ที่เรียนถามพระอาจารย์เพราะว่าเวลานั่งสมาธิเสร็จค่ะแล้วก็เอ๊เราจะพิจารณาเรื่องอะไรดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอาเรื่องไหนเอาเรื่องที่เรานักที่เราหวงก่อนะ เราลากเราโหมอะไรเอาเรื่องนั้นอะเพราะว่าเมื่อวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปรักแฟนถ้ามีแฟนก็พิจารณาแฟนไปถ้ามีลูกก็พิจารณาลูกไปอ <Okay. S 2> ถ้ามีพ่อมีแม่ก็พิจารณาพ่อแม่ไปถ้ามีงานเนยงานเป็นอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีวันสิ้นสุดเรา okay. ก็คือพี่นะสิ่งที่เรารักเราห่วงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะพระอาจารย์สิ่งที่เรารักเราห่วงก่อนเราจะได้เราจะผ่อนคลายปล่อยวางแล้วจะไม่ค่อยทุกข์กับเขาต่อไปค่ะเพราะว่าพอนั่งสมาธิเสร็จเอ๊เราจะวิปัสสนาเรื่องอะไรดีเพราะเราก็รู้ว่าเอ๊ทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงแล้วพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บมันก็เหมือนแบบไม่รู้จะคิดอะไรต่อค่ะพระอาจารย์มันก็จะลุกขึ้นไปเลยอะค่ะก็เลยเอ๊เราเอายังไงดีก็เลยถามพระอาจารย์่ะ เราจะพิจาราเรื่องเมื่อไม่เทียแล้วเราเมื่อไม่เทียงแล้วเราปล่อยวางได้หรือเปล่าเราเรายินดีให้เขาเปลี่ยนไปหมดไปได้หรือเปล่าก็ข้อสอบใจเรารู้เฉยๆยังไม่พอรู้แล้วต้องมาพิสูจน์ว่าเรารู้จริงหรือไม่ค่ะตอนนี้ก็พยายามอเหมือนทําใจที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงอยู่ค่ะพระอาจารย์หมายถึงว่าทำใจเพื่อ เพื่อที่จะปรับใจตัวเองไปเรื่อยๆยอมรับความจริงไปเรื่อยๆอยู่ค่ะพระอาจารย์นั่นแหละกําลังฝึกนั่นแหละในียกว่าว <ๆ S 2> ิปสัสสนาพย<ม>ายามสอนใจให้ให้ยอมรับกับสภาพความเปจริงของสภาวะธรรมทั้งปวง<ม>สัพเพสังคารานิจจาค่ะสัพเพสังคาราทุกขาสัพเพธรรมานาตาค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่ที่เรียนถามพระอาจารย์เพราะว่าแล้ว แล้วเราเมื่อไหร่ที่เราจะต้องมาพิจารณาแบบร่างกายอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจริงๆก็ก็ไม่จําเป็นถ้าเราเลือกดูสิ่งที่เรารักเราห่วงมากที่สุดแล้วก็ก็ตัดตัดเรื่ร่างกายเราไม่นักรอ่างกายเราไม่รักเรารักร่างกายเรามีกการร่าง่ายหนึ่งไม่ใช่อก็น่ารักหยุดค่าคาชานแต่ก็เป็นงานร่างกายเปลี่ยนแปลงใช่เพาตอนนี้มันมัน เกิดมาแล้วนะตอนนี้มันมาครึ่งทางแล้วนะเดี๋ยวมันก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางต่อไปค่ะก็เห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาของของมันหมายถึงเราพิจารณาแล้วเราก็ยอมรับมันเนี้ยใช่ไหมคะอาจารย์ถ้ามันจะเป็นไปก็เป็นไปตามนั้นที่มันจะยาวหรือไม่ยอมเราจะทํอย่างไรถึงจะรู้อือต้องมีอะไรที่มันทําให้เกิด ก็ไปดูบางทีไปดูงานสดมันก็ช่วยนะมันใกล้ตัวเราขึ้นอย่างวันก่อนนี่ก็ดูภาพของ่มีผ้าของพระในวัดเขาพ้นเสียไปเขาก็ถ่ายรูปตั้งแต่เอาเข้าไปเตาเผาจนกระทั่งออกมาเนื้อแต่ใช้กระดูกขี้เท่าค่ะมันต้องเห็นอะไรอย่างนั้นแื้นแล้วก็อบปานายโก ย้อนกับเข้ามาที่ร่างกายแล้วว่าต่อไปร่างกายของเราก็ต้องเป็นอนี้ค่ะพอร่างกายเราหมดลมหายใจปั๊บเขาจัดการงานศพให้เราทันทีจับ เ, เราเข้าเข้าโลงจัดเราเข้าเราเท้า<ม>เสร็จแล้วกเก็บเศษกระดูกของเราไปลอยในในทะเลค่ะอันนี้ก็คือถ้าเรามองว่าก็หมายถึงว่าก็จะทําอะไรก็ปล่อยเขาทาไปนี่ก็ถือว่าความห่วงนั้นก็ ไม่ถึงกับมากใช่ไหมคะพระอาจารย์หมาถึงเราก็ยอมรับก็นั่นแหละก็คือยยอมรับว่าวันใดวันหนึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นกับเราต่างต่างนี้ <laughs> มันจะต้องเกิดขึ้นกับเราแล้วไม่จําเป็นว่ามันจะต้องเป็นเวลาอายุแปดสิบเก้าสิบปีมันอาจจะเกิดขึ้นเย็นนี้คืนนี้พรุ่งนี้ก็ได้ค่ะก็คือยอมรับว่ามันจะอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้เออถ้าห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะเกิดขึ้นมาถ้วมันจะตายขึ้นมาก็ห้ามมันไม่ได้ เราทำเรยอมรับได้ปะ่ะทำใจได้ปะ่ะอก็ฝึกใจตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ อ, อค่ะมีมีคำถามเพียงเท่านี้ค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะสาธุไปที่คนหมาสุ้ธทเสนีใช่ไหมครับชื่อใครมาใส่เลยสองสาวโอ้โหอูออชื่อเล่นเจา้าค่ะ ช, ชื่ออูเจ้าค่ะชื่ออู๋เหรอ อุค่ะค่ะ้านันค่ะวันนี้ลูกไปตรวจคุมภูมิกันโควิดมาค่ะก็คุมขึ้นไปตั้งหมื่นแปดแฉกค่ะโอชี้ได้เลยเลื่อนไปเยอะอ่าที่นอแบกสองแล้วก็กระตุ้นด้วยแอสตาค่ะวันนี้ค่ะเผื่อช่วงปลายปีจะได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมหรือไปเยี่ยมคุณแม่ค่ะก็เลยลองเป็นตรวจมาคุณหมอแจ้งให้ทราบว่าคุมขึ้นสูงมากๆเลยค่ะอ่ก็ดี ค่ะอ่าอ่าจงว่าสูตรนี้ค่อนข้างโอเคค่ะอาจารย์ค่ะค่ะวันนี้หนูไม่มีคำถามเจ้าค่ะอยังไงไปที่ใครต่อเลยคุณนิรามานิรามาเซรเชิญปัตมาก่อยู่ที่ไหนประการกรุงเทพครับผมมีอะไรไหม วันนี้มีคำถามครับผมพอดีเคยปฏิบัติดูลมหายใจครับแล้วแบบไม่มีครูบาอาจารย์สอนแล้วก็ก็สงบอยู่สงบดีอยู่ระดับหนึ่งฮะแล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆจนมาเป็นนั่งได้ถึงชั่วโมงครึ่งไ อ, อลักษณะของอาการมันก็จะมีการชาคือไม่ใช่ชาจากเน็บชาครับความรู้สึกมันตัดท้ายตัดไปหมดจเริ่มจากปลายเท้ายันถึงจนถึงหน้าอก พอถึงหน้าอกแล้วนี่มันจะเหมือลักษณะคล้ายๆกับคนกาลังจะจมน้ำอะกำลังจะขาดชีวิตนะหลังจากนั้นก็อดทนฝึกฝึกมาเรื่อยๆแล้วก็ผ่านตรงหน้าอกมาจนถึงไปรวมอยู่ที่กลางหน้าผากครับจากนั้นก็ไม่มีอะไรมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปครับอาจารย์ใช่นั่งสมาธิก็เพื่อให้มันเน่งให้มันสงบมันไม่ไม่เกิดปัญญาครับลักษณะนี้จะเรียกว่าเป็นฌานหรือไม่ครับอาจารย์ครับ มันก็อยู่ที่ว่าจิตของเราปราศจากอารมณ์หรือไม่เช่นรักชังกลัหลงหรือไม่ได้อุเบกขาหรือไม่ถ้าถ้าอยู่ในสภาพที่ไม่มีความรักชังกลัหลก็เรียกว่าเป็นฌานครับผมมันถ้ายังมีความรักชังกลัหลอยู่กับอย่างนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ไม่ยังไม่ไม่ใช่เป็นฌานแต่ที่ ตอนนั้นอารมณ์ไม่มีอะไรครับสงบนิ่งจนลมหายใจก็หายไปแล้วพระท่านไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รับรู้ถ้ามันจะสงบจริงจริงมันต้องว่างเลยไม่มีอะไรเลยเอาแต่ตอนนั้นยังมีอารมณ์รับรู้ว่าสภาวะนี้มันเปลี่ยนมันแปลกไปจากปกติแล้วก็ตื่นเต้นสนุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับ ต, ต้องไม่ตื่นเต้นต้องไม่สนุกต้องเฉยๆครับก็ยังสงบไม่เต็มที่ก็แล้วก็พูดอย่างนี้ ก็พยายามดูต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปอย่ไปสนใจกับอาการกต่างๆที่ปรากฏให้รับรู้ครับผมไม่อยู่กับลมแล้วเดี๋ยวต่อไปอาการต่างๆก็จะหายไปแต่ความว่าครับผมนะทํามาเกือบจะถึงจุดหมายแล้วแต่ติดอยู่ที่การดูดูสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ไม่ทําต่อทำดูลมต่อไป กลายเป็นกลัวตอนนั้นผมสึกมาตอนนั้นอายุยี่สิบกว่าเองครับอาจารย์แล้วไม่เคยไม่ไม่กล้าอ่านหนังสือไม่กล้าฟังคําเพราะกลัวเดี๋ยวจะเกิดอุปทานและคิดยึดไปตามนู่นตามนี้อยากเอาแบบเผชิญตร ง, งๆงอะไรเงี้ยเอไมาห่หรอกศึกษาได้แต่ต้องศึกษาเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติ<อ>แล้วก็ให้อยู่กับการปฏิบัติอย่าไปสนใจกับผลที่จะตามมาผลนมันจะเกิดไม่เกิดอยู่ที่เหตุคือการปฏิบัติของเรา ครับ ค, ครับถ้าไม่รู้ว่าเราศึกษาต้องอ่านอ่านหนังสือแต่ต้ อ, อ่านหนังสือที่สอนจริงรู้จริงถ้าไปอ่านหนังสือที่แบบแบบด่นดาว่าก็กา จ, จะถูกเข้าหลอกห ล, ล, ลงทางหงทางได้ครับพระเจ้าสอนในกา ร, รามาสวดว่าอย่าไปเชื่อว่าเขาพูดอย่างนี้แล้วจะเป็นจริงเสมอไปอย่าไปเชื่อเพราะว่าเขาเป็นคนนําคนมีชื่อมีเสียงอะไรนั่นตรงนี้ ก็อเอามาพิสูจน์ดูอีกทีนี่ครับว่าเขาทีศเสียงที่เขาสอนที่ถูกมันไม่ถูกครับังจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ศึกษามาเยอะเลยครับอาจารยครับก็ยังจะเ อ, อตั้งสัจจะไว้ว่าก็จะไม่ทิ้งสมาธิสักวันนะครับก็ต้องเอามาพิสูจน์ศึกษาไปแล้วก็เอามาพิสูจนะ์มาปฏิบัติดูว่าจะได้ขั้นเรื่องหอก ว, ว่าวิธีนี้ถูกไม่ถูกครับผมอย่างมาที่ก็มาศึกษาแล้วเราไปลองไปทดลองอย่างนี้ยวันนี้ได้ ให้ศึกษาเรื่องการนั่งสมาธิโดยการดูลมแลให้ดูลมอย่างเดียวมีอะไรปรากฏขึ้นมาในช่วงที่ดูลมก็อย่าไปสนใจอย่าทิ้งลมให้ดูลงไปตลอดครับผมพระอาจารย์ครับการที่จะเพิ่มสติให้เข้มแข็งขึ้นได้อย่างที่วันก่อนผมได้ฟังพระอาจารย์เแนะนํามสมาชิกท่านหนึ่งไปว่าให้เตามรู้ทุกกิริยาการของร่างกายในยืนคำวับ อันนี้ก็เป็นการฝึกสตินึกโดยการพูดโธรพูดโทไปตลอดเวลาก็ได้ครับพระอาจครับผมสามารถมีโปรแกรมในมือถือเนี่ยแล้วผมก็ตั้งให้มันสั่นทุกหนึ่งนาทีอย่างนี้ฮะเพื่อเป็นการวางกติกากับตัวเองว่าเออเมื่อมันสั่นแล้วเราต้องอย่าลืมพูดโธอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้ไหมครับอาจารย์ครับก็แค่ว่าถ้าเรายัางต้องใช้มันมาเตือนเราก็ได้แต่ทางที่ดีให้เราเตือนตัวเราเองจะดีกว่า เดี๋ยวเกิดมันเกิดมันเครืงมันเสียแล้วมันไม่มีใครมาเตือนเราครับผมเราเตือนตัวเราเองนี่าสมัยสมัยพุทธกาลถ้าไม่ดี เ, เครื่องอะไรมาเตือนครับทางเตือนตัวเองครับซึ่งดีกว่าอัตตาหฮอัตโนโนาโถเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับพระเจ้าครับพยายามเตือนตัวเองว่าเราต้องพุโทโธพุโทโธอยู่เลยครับผม แล้วคอยสังเกตอดูพุทโธอยู่หรือเปล่าพุโทพโธหายไปไแล้วแริ่มใหม่หรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ตอนนี้เราอยู่กับร่างกายนั่นปะร่างกายกำลังกินเรากินกับร่างกายนั่นปะนั่นเราไปคิดเรื่องนึงถ้าสมมุติเอาว่าเหมือนเหมือนเราเป็นอีกคนนึงแล้วกําลังเออเหมือนขี่้อหรืออยู่ข้างหลงังได้ใช่ร่างกายเราเป็นเหมือนนักโทษเราเป็นผู้คุมนักโทษแล้วแล้คอยเฝ้าดู ตลอดเวลาครับผมอย่อยาเผลอไปคิดอยา่าไปอยา่าเผลอไปทําอะไรอย่างอื่นขณะที่ที่ร่างกายกาลังทําอย่างหนึ่งครับเราเป็นเหมือนผู้คุมแต่ผู้คุมนอกจากไม่ค่อยควมน้ำโทษ่าไหรชาวไปเถอะถ ล, ลายถลายไปดูด้่นไปคิดเรื่องนู้นคิดนั่นนีดด้ไ ว, ว, ว้ให้น้ำโทษทำอะไรไปวันนี้ก็ทําผิดทําถูกไปครับผม บางทีเดินไปกเลื่นอกร้มบ้างเดินไปชนบ้างหรือทำงานก็ทําแบบไม่ถูกบ้างอะไรก็เพราะว่าไม่มีสติคอยคุมคอยคุมใจให้อยู่กับร่างกายครับเราลองฝึกดูนะครับผมกราบขอพระกรุณาบัดเดินครับโอเคสาธุคุณปรังวไยเชนปรังวไลจากศีราช้ากราบนธัษฐารเจ้าค่ะ วันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคเห็นคุณปัทละนัปัทละนเยใชกี่ขวบแล้วเนี่ยน้องไยออได้งอายุสิบเอ็ดปีสิบอ็ปีแล้วทำไมถึงมาฟังธรรมะสนใจเหรอครับเออลงเป็นพระครับตอนลงเป็นพระ ท่านสอนให้มาฟังธรรมะเลยท่าสอนให้ฟังธรรมะโดยสอนภาวนาโดยครับเอ่อภาวนาเป็นไหมนั่งสมาธิเป็นไหมเป็นครับเอ่อนั่งได้นานไหมก็ห้านาทีครับห้านาทีเลยเออนั่งบ่อยไหมถ้าถ้า บ่อยก็บ่อยอยู่ครับวันนึงนั่งเกียวนหะน่งแต่ทั้งบางวันก็นั่งบางวันก็ไม่นั่งครับนั่งตอนไหนเมื่อวานก็นั่งครับนั่งตอนไหนตอนนอนหรือตอนก่อนจะนอนหรือตอนไหนใกล้ใกล้จะนอนครับใกล้จะนอนนะนั่งห้านาทีแลก็นอนเลยนะบางครั้งก็จบกันเทศครับ มีฟังเท่นี่เลยครับเท่สงไก่เลยบางครั้งก็ของลงตาบ้างครับอ๋อตาของหลวงตาด้วยนะครับดีแสดว่านี่มีมีมีภูมิเก่าเยอะนะเห็เข้ามาในห้องธรรมะได้ครับมีอะอยากจะถามไหมวันนี้ วันนี้ไม่มีคำถามครับแล้วที่นําฟังที่ฟังได้ไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเท่าไหร่น ะ, อะโอเคนึ่ก็ฟังไปเรื่อยๆนะฟังไปบ่อยๆต่อไปก็จะเข้าใจดีขึ้นเองนะครับไปทีค่คุณหนึ่งต่อคุณหนึ่งคุณหนึ่งหกแปดชัน อยู่ที่ไหนมาพูดได้นะคุณหนึ่งใช่คุณหนึ่งพูดได้เลยพูดใกล้ๆหน่อยเสียงไม่ค่อยได้ยิ น, นดังๆแบตเตอรี่มันจะหมดมีอะไรจะถามไหมครับปิดได้ไหมอยากจะถา ม, มานะครับ ตามเลยตามเลยก็เคยภาวนามาครับแล้วก็เลิกไปครับเมื่อสองสมปีก่อนเมื่อเมื่อปีปีสี่ศูนแล้วครับสี่ย<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่สองสามปีนะ้นี่เป็นหกสี่แล้วนะ <c oughs> เนี่ยี่สิบสี่ปีอะไปีละครับทีนี้มันมันไปถึง มันไปถึงตรงตอนที่มันมันมันเหมือนเครียดมากครับเวลาเราคิดอะไรมันก็คิดไปเรื่องเดียวเลยครับอย่างเช่นคิดเรื่องน้ํามันก็จะไปเรื่องน้ําอย่างเดียวเลยครับอันนี้อย่าให้มันคิดเราฝึกความคิดก่อนเริ่มต้นต้อาหิดฝึความคิดด้วยสติไปให้มันคิดแต่พูดโธ้พูดโธอย่างเดียวไปก็ตอนนั้นมันบ้ามากกัน ครับแล้วมันมันมันเหมือนอ่าเมตตาก็จะแบบว่าอ่าจะจะสงสารคนทั่วโลกเลยครับเอาจนถึงร้องไห้อยู่ๆก็ร้องไห้เองครับมากไปเมตตามากไปต้อเมตตาพอกาลังของเราทาทังที่เราทำได้มันเป็นไม่เองครับมันไม่ได้ต้องเบรกมาต้องเบม เรใช้พุทโธพูดทโธอยู่ก็ก็สุดท้ายก็เลยเลิกครับเพราะเราปฏิบัติแบบมวยวัี่ยไม่รู้หลักหลักของการปฏิบัติที่ถูกต้องก็เลยปฏิบัติแบบมั่วไปมั่วมางานการเอาไอ้นี่ก็เเมตตาก็จะเอาเอาทีละอย่างเริ่มต้นแนลสติอย่างเดียวก่อนการปฏิบัติครับก็กลัวครับเลยเลิกมาแล้วทีนี้ก็เพิ่งเพิ่งมา เริ่มใหม่ครับเแลฉะแล้วมันจะไปได้เหมือนเดิมไหมครับได้ได้ไปเริ่มที่พุทโธก่อนแล้ ว, วลนะที่สติเราสติกลับ ม, มาก่อนเพราะผมจิตใจให้ได้ก่อนแล้วต่อไปมันก็จะมันก็จะไปได้แต่ตอนนั้นก็ตั้งสองสามปีนะครับกว่าจะไาถึงตรงนั้นได้ก็ต้องอดนะทนทําอะไระมันก็เหมือนปลูกต้นไม้มันไม่ใช่ปลูกปุ๊มมันจะได้ตั้ง มันจะไปเชื่อมที่เดิมไหมครับก็แล้วแต่เรานะมันมันจะเชื่อมหรือไม่เชื่อมเราก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีที่เดิมอาจจะไม่ดีก็ได้แต่ถ้ามีสติแล้วมันจะเชื่อมมันไปเชื่อมที่สมาธิแล้วจากสมาธิมันก็จะไปเชื่อมที่ปัญญาต่อมันจะเชื่อมได้ใช่ไหมได้ได้ เราเราปฏิบัติดูนะนเราจะเรียสติฝึกสติบ่อยๆครับโอเคคุณชนะดาเ<ม>ชิญชนะดาอยู่ที่ไหนเปิดไมค์ก่อนต้องเปิดไมค์ก่อนที่หน้าจอมันจะมีบอกให้นหดว่าอยูสมุด ป, ประการค่ะพระอาจารย์อที่ใส่บาตรประจําใช่ไหมใช่ค่ะจาไม่ได้สักว่ไปเลย <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะพระอาจารย์ เออคือช่วงนี้ก็ดูเรื่องกิเลสนะคะพระอาจารย์กิเลสกิเลสที่ที่ยังอยู่ในใจเราอะไรเงี้ยค่ะในในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะเป็นในเรื่องของความโลภคือพยายามลดความโลภขจัดความโลภออกไปที น, นี้ก็จะเป็นเรื่องของความตหณีความตหณีกับความโลภนี่อันเดียวกันไหมคะพระอาจารย์มันยึดคนละมุมอย่างเงี้ เออไม่ใช่ไม่ใช่เพไปความโลภมันก็เป็นความอยากได้ความตัณหาคือความไม่อยากเสียจะว่ามันเป็นเหมือนกับหรือนอันเดียวกันแต่เป็นสองด้านกัได้ความตัณหาคือเหมือนความอยากจะได้เนี่ยอยากจะได้ของของเราไม่อยากให้ของเราไปอยู่กับคนอ ơ, คนื่นก็ท้ายๆกันนะตัวเดียวกันแต่ต่างกันเราเรี่าความโลภคืออยากได้ในสิ่งที่เราไม่มีความตัณห็คือความอยาก ความโลภอยากจะเก็บของที่เรามีไว้ไม่ให้ใครค่าพระอาจารย์สอนให้เราใช้ทำทาทําทําำทานทำบุญทำานก็จะลดความตันตีเหล่านี้ได้ลดความโลภได้ค่ะก็เป็นเจออะไรอะจัดความเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ใช่ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นบ้างก็รู้สึกว่าเบาใจมันเบาอ่ะค่ะพระอาจารย์ ก็มีมีความมีความสุขขึ้นเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่าเบารู้สึกว่าเบาเบาเบาจังเลยอะค่ะประมาณนั้นนะคะทุกทานที่ทำนบนจะใจยรูร้สึกเย็นสบายในครามสุขเพราะว่าเราได้ปลดเครื่องทรัพย์ไปส่วนหนึ่งทรัพย์ที่มีเยู่กับเรามันทำให้เราหนักหัหนักใจได้นะพอไม่มีมาแล้วก็โลกสบายกัน ของหนูจะเป็นในลักษณะแบบเสียสละแล้วก็ช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยค่ะบางทีก็เป็นคนที่เขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าจากความดีที่เราทําอะไรเงี้ยแต่ก็ยังก็ยังทําก็ยังก็ยังให้ก็ยังทําอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้อะไรค่ะาไม่ได้ทําเพื่อให้เขาทําอะไรให้กับเราเราทำเพื่อให้เราใจสบายค่ะแม้แต่ความรู้สึกว่าจะอยากได้ความดีจากเขาก็ไม่ได้อยากได้ใช่ไม่ต้องการอะไร มันเบามากเลยค่ะปิดทองหลังพระเนี่ยดีที่สุดใจแล้วรู้สึกสุขที่สุดค่ะก็ก็ก็ยมไม่ได้เข้ามาแต่ก็ฟังทุกอาทิตย์นะคะทุกวันพุธเลยแต่ว่าไม่ได้เข้ามาเพราะว่าอาจจะแบบให้คนอื่นได้เข้ามากันอะไรเงี้ยช่วงวันคนเยอะๆก็จะไม่ได้เข้าอะไรเงี้ยค่ะอ่าแต่ก็เลึกถึงคําสอนเสมอค่ะพระอาจารย์มีมีคําถามก็ค่อยๆเข้ามาถามก็ได้ถ้าไม่มีก็ฟังข้างนอกันได้ ค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นถั่วเขียวต้มน้ำขิงนะคะพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็กล้วยหอมค่ะใส่บาตรก็พี่เอ๋เรียนท่านอาจารย์อยู่ใช่ไหมคะการทุการบอกสวัสดกาอ๋อค่ะค่ะพรอาจารย์ค่ะได้ค่ะพรอาจารย์กลับกลับเรียนเท่านี้ค่ะพรอาจารย์ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะอนุโมทนาสาธุในทานบุญนะที่ได้ทำเพื่ออย่างสำหรับเสมอสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะ ที่คุณจอยจอยจะนั่งไม่เสียงดังเหมือนกันได้ยินนอนทับลีคุณจอยอากนอนทับลีหาลุชายมาทักทายหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่นอนเหลือเด็กก็น่าเนี่ยกจะสี่ทุ่มแล้ว ถามบอไม่ถามพอแล้วดีแล้วนะใปีใหม่จะมาใส่บาตรไหมคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะไปแล้วค่ะไปไปอยู่น่าจะหลายวันหน่อยค่ะเออดีไปไปไปพักขมองค่ะสู้ไม่ค่อยไหวไปไปคือเว้มบ้าพักเข้ามุมพักบ้าง ต่โดนโดนดนมากตลอดสู้เขาไม่ไหวยังไม่สู้เลยก็ปล่อยก็ต่อยไปยอมหยุดเย็นไม่ต้องไปสู้นะเราอยากจะทําอะไรก็ปล่อยก็ทำไปเราเฉยอย่างเดียวแค่นี้ค่ะแล้อแล้วงที่เราอดต่อโต้ไม่ได้ก็แบบเดี๋ยวกับพยาก่อนนี่ฝ่าไม่ไหวเออถาไปสู้เขาก็เนื่ยแต่อย่าไปสู้เลยใช้หลักสามยอยอมหยุดเย็นยอมให้เขาทายอมให้เขาต่อยยอมให้เขาทาอะไรไปเราก็หยุด เราอยู่ต่อซู้นัวใจเราจะเย็นจะสบายค่ะถ้าหยุดดยเรียกม่ก็เลยแบบเดี๋ยวกับพยายก่อนเพราะว่าิเด็กเยนออนไลน์ไม่เป็นไรอาหารค่ะเดี๋ยวไปใส่บาตรนะคะโอเคไว้เจอกันนะขอบคุคุณไกรคุณไกรพิชเชที่นามํำแหงหรอือยทคารครับเราแหม่งครับพระจยครับ วันนี้มีคําถามถามอาจารย์ครับคือเมื่อสองวันก่อนผมไปพบแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับการนวดนะครับนวดจับเส้นคือพอดีวิ่งเยอะแล้วก็หินปูนมันเกาะที่เส้นประสาทนะครับแล้วก็หมอเขาก็เลยเหมือนใช้วิธีขูดใช้วิธีเคาะใช้วิธีอะไรเงี้ยครับก็เลยเหมือนเป็นบททดสอบว่า อในยามที่เราเจ็บป่วยอะไรเงี้ยครับก็ใช้ใช้สติครับพระอาจารย์ครับก็คือพุทโธพุทโธแต่ว่าพอมันหลุดจากพุทโธมันก็เจ็บปวดอะไรเงี้ยครับเจ็บปวดมากก็เลยก็เลยนึกถึงเวลาเราเอ่อป่วยหนักๆหรือเวลาเราใกล้จะตายเนี้ยครับพระอาจารย์ก็อยากจะขอความเมตตากับพระอาจารย์ถามว่าถ้าถึงถึงจุดที่เรา มีอุเบกขาหรือหรือทําจนเจริญเจริญปัญญาได้เนี่ยถึงจุดพวกนั้นมันจะทิ้งทิ้งกายทิ้งความเจ็บปวดอะไรนี้ได้ประมาณนี้ประคัดประกันครับคือมันไม่ทิ้งหรอกมันแต่มันจะวางเฉยกับความเจ็บปวดได้มันเป็นอย่างจะรับรู้เฉยๆไม่มีอารมณ์ ก, กับอาการเจ็บของร่างกายถ้าเราก้าถึงจุดของอุเบกขาได้ ถ้าเรายังเข้าไม่ถึงก็ใช้พุโทโธพุโทโธต่อไปอย่าหยุดพุดโทโธครับอยากขี้เกียจเวลาจิตเรายางังทุรนทุรายยังทรมานอยู่เราก็ต้องพยายามพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเรืนะ่อยๆเดี๋ยวสักพักหนึ่งเจ็บก็จะหยุดนี่แล้วก็จะสบายไม่เบื่ออย่าันก็จะสบายถึงพักๆไปพอพอหมดสตมมิมันกําลังหลดมันก็มันก็จะทรมาขึ้นมาใหม่ ขั้นต่อไปเมื่อเราได้เบรคคาแล้วก็ต้องสอนใจให้เข้าใจว่าเวทนาเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นเหมือนเงาตามตัวเราดนั้นเราอย่าไปรังเกยียจมันเราอย่ากระยากให้มันหายอย่าไปอยากนี้จากมันไปหัดทําใจดีสู้เสือหัดอยู่กับมันไปถ้าเรายหัดอยู่กับมันไปมันอย่าปรยากให้มันหายหรืออยากให้มัน ไม่มีเราก็จะไม่ทุกไม่เดือดร้อนกับมันในการเราหัดอยู่กับดินฟ้าอากาศได้ใช่ไหมดินฟ้าอากาศจะร้อนจะหนาวเราก็อยู่กับมนได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้เวลาก็เหมือนกันเราก็ห้ามเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้เวลาเขาปรากฏขึ้นมาเราก็ต้องหัดทําใจฝึกใจให้อยู่กับเขาให้ได้ ครับครับเราเราก็ยัง อ, อสมมุติเป็นมะเร็งขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าเราก็ยังมีความเจ็บปวดยังมีความอะไรอยู่ได้ไดทำร่างกายยังเจ็บอยู่แต่ทางใจยังไม่เจ็บเลยอืมส่วนใหญ่ความเจ็บมันอยู่ที่ทางใจเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ทางร่างกายแค่สิบเปอร์เซ็นตนัพอเราละลางความเจ็บทางใจได้แล้วความเจ็บทางร่างกายก็ไม่เป็นปนัญหา ก็เหมือนตอนที่ก่อนเวลาหมอบอกว่าจะฉีดยาให้นี่ยังไม่ทันฉีดเลยใจมันปวดขึ้นมาก่อนแล้วเจ็บขึ้นมาก่อนแลต่ลพอไปฉีดจริงๆเข้ามันแค่เหมือนกันบมดกัด น, นะเห็นครับครับครับถ้าเราเรานับความคิดปรุงแต่งหัวใจได้มันก็จะไม่รู้สึกเจ็บเลยทางใจครับผมแล้วไปอยากที่พูดโึ ถ้าเรายังเข้าถึงอุเบกขะไม่ได้ต้องใช้พ้องโทเดินเข้าไปฝึกไปเรื่อยๆครับ่อาจารย์โอเคนะครับกล่าขอบพระคุณครับคุณเซเลนดอนฌานมาดิแลนแมดิแลนซิวเวอร์สปริงเหมือนกันใช่ไหมอยู่ตรงเดียวกันใช่ไหมกันมัสการ์าพาตานอยู่ซิวเวอร์สปริงค่ะอยู่ที่แมดิแลนค่ะไม่อกี้เห็นบจิ๊บเข้ามาหายไปแล้ว สงสัยประชุมจสงสัยประชุมค่ะพระอาจารย์ยม<ง>มีคําถามาเชิญถามได้เลยถ้าคารุกุนสอบถามพระอาจารย์นะคะเพราะว่าอายังพระอาจารย์จะไม่ค่อยกล่าวถึงสภาวะธรรมเท่าไหร่นะักแต่ว่าถ้าโยมอยากจะทราบว่าสภาวะธรรมนี่คือผลของการปฏิบัติอันนี้เราเข้าใจถูกไหมคะไม่ถูกหรอกเขาบอกสภาวะธรรมก็คือสิ่ ง, งต่างๆสภาวะต่างๆ อากาศร้อนอาการหน้วเหตุการณ์ต่างๆที่เราเรียกเป็นสภาวะธรรมหนึ่งนอถ้าสภาวะธรรมตามจิตใจเราก็จิตใจเราก็เดี๋ยวก็เครียดเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็อะไรนี่ก็เป็นสภาวะธรรมค่ะแล้วอย่างเช่นในกรณีที่ อ, อสมมติเราเราปฏิบัติแล้วเราสมมติว่าเราพิจารณาในตามความเป็นจริงว่า เ, เดี๋ยวนะคะพระอาจารย์พอดีจิบ 12. ส่งข้อความมาเพราะฝากกราพระอาจารย์ด้วยกับนงประจำอยู่กันเอ่อแล้วก็รีบส่งเข้ามาเลยค่ะคงฟังอย่ขางนอกนะค ะ, ะไม่นประชุมอย่างสมมติว่าเราพิจารณาทางปัญญาในชีวิตประจำวันว่าทุกอย่างเราเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ใช่ไหมคะแล้วบางบางทีบางครั้งเราก็อาจจะพิจารณาแล้วไอ้ความรู้สึกเอ่อกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในในระยะนั้นมันก็ตัดไปได้ด้วยอารมณ์ของอุเบกขา แต่ในลักษณะของแล้วเราก็พิจารณาทางปัญญาพิจารณาการสามทิศสองนะคะพระอาจารย์แต่แสว่าโยมกลับเห็นเป็นสมมติมีกระดูกของตัวเองอย่างเนี้นะคะ่ะพระอาจารย์ซึ่งอันนี้มันก็เราก็ไม่รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ตรงหรือไม่ตรงแต่แรกๆที่โยมเห็นก็จะเป็นโครงกระดูกของคนอื่นอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็เห็นเป็นอสุภะลักษณะที่ผู้คน มีตับไตไส้พุงห้อยอย่างมาเต็มไปหมดเลยแต่หลังๆมันกลายเป็นเห็นเห็นโครงกระดูกของตัวเองเห็นเลือดเห็นกระดูกเห็นฟันเห็นลักษณะอย่างเงี้ยซึ่งยมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันคือนิมิตซึ่งมันเกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติในชีวิตประจำวันจริงๆหรือไม่เพราะว่ายมพิจารณาการเจิการพิจารณาอสุภะในเป้าหมายก็คือการดัดการมาลง อันนี้เหมาะกับพวกที่ถือศีลแปดขึ้นไปเพราะผู้ถือศีลแปดนี้จะเล่าเรจากการร่วมหลับหน่อนการเสดกางกับผู้ในเวลาถ้าเกิดการอารมณ์ขึ้นมาก็ต้องระลึกถึงความไม่สวยไม่งดของร่างกายแล้วมันจะทําให้ความอยากจะเสดก า, นางนั้นรงับไปได้แต่ถ้ายังไม่ได้ถ้าเรายังเสดกางอยู่มันก็ไม่มีประโยชน์ แต่จริงๆแล้วยงไม่ได้ต้องการพิจรารณาเพื่อเห็นอสุภังมาจะวยงต้องการพิจรารณาให้เห็นว่านี่ตัวเราคือไตลักยงต้องการพิจารณาให้เห็นว่าไตลักก็พิจารณาว่ามันเียต้องแก่เสื่อมตายไปครับผมแต่อีที่โผล่มามันไม่ใช่ตไตลักนะครับอาจารย์มันก็เป็นไตลักเหมือนกันก็ความไม่สวยไม่งามก็มันก็เป็ น, เ ป, นเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายร่างกายถ้ามองภายนอกมันก็เป็น ด้านอพอมองเข้าไปภายในะมันก็เป็นอกด้าน่แต่มันได้มีประโยชน์อะไรมากนกะสาหรับการพิจารณาเพื่อให้เห็นความไม่เทียงของร่างกายความไม่เทียงของร่างกายล้วงมองความตายเป็นลก็คือให้เปลี่ยนมาเป็นพิจารณามรณานุสติแทนใช่ ร, ใชร่างกายของเราในที่สุดก็้องตายเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยพอเรากลั ว, รวโรคะอะไรกันนั้น พ<ม>ิจารณาต่อไปเราจะเป็นก็ได้อย่างวันนี้มีข่าวของคุณแม่ชีสั น, นเจเนย์แลก็ตายด้วยโรคมอะไรเนี่ยค่ะแล้วการพิจนะารณาน่าจะเป็นเหมนท่านก็ได้ให้คิดอย่างนี้หมายความว่าเวลาโยมโยมกําหนดลมหายใจก็คิดว่าเข้าก็ตายออกก็ตายนี่อาจจะเป็นลมหายใจสุดท้ายอะไรอย่างนี้หรือเปล่คะะอาจารย์ก็ได้นี่เป็นการการการสอนเราว่าอันานี้สุดความตายมันก็ต้องมา ไม่นมข้ า, มาวมันก็มัวบอกค่ะแล้วมีอะไรอีกมั้งคะที่ที่ที่โยมสามารถออกไปพิจารณาได้มันไม่ไใช<ห>่ตัวเราไง ร, ร่างกายมันเป็นเพียงบินน้ำหลอมไฟเป็นต๊กตาตัวเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้อยู่ในร่างกายเรานั้นเพียงแต่ผู้มามาขี่ร่างกายเหมือนคนขี่ม้าอเอืมเราเป็นนายใจนี่เป็นนายใจเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆผู้สั่งการนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย งั้นเวลาร่างกายเป็นไรนี้ไม่มากระทบกระเทือนกับไม่ได้มาทําให้ผู้สั่งการนี้แก่เจ็บตายไปด้วยแต่เราหลงลราไปคิดว่าผู้สั่งการนี้เป็นเป็นเป็นร่างกายเวลาร่างกายเป็นอลายผู้สั่งการก็จะเป็นไปด้วยแล้วเราก็เอาเอาเอาความคิดอย่างนี้มาน้อมเข้ามาใส่ตัวในทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมคะพระอาจารย์อย่างเช่นโยมเคยเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เหรอคะ แล้วก็เขาก็เสียชีวิตไปเป็นหนูตัวเล็กๆอย่างนี้นคะ่ะแล้วเมื่อเขาตายไปเนี่ยไม่ว่าจะอาหารไม่ว่าจะบ้านหรือกรงที่เราซื้อมาให้เขาอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปแล้วที่จะต้องมีเพราะไม่มีร่างกายถ้าโยมเอาความคิดนับตั้งแต่วันที่เขาเสียชีวิตไปโยมก็ามาคิดว่าเออดูสิตัวเขาแค่นี้เขาพอเขาตายไปไม่ว่าจะเป็นบ้านอาหาร ของใช้ทุกอย่างก็ไม่มีความหมายในขณะเดียวกันถ้าเราตายไปไม่ว่าเราจะทำงานไม่ว่าเราจะต้องมีรถราต้องมีเงินใช้หรือจะต้องมีบ้านอยู่หรือแม่ญาติพี่น้องต่างๆที่เรารักนักหนา<ม>ทุกอย่างก็คือไม่มีอะไรทั้งสิน้นถ้าหากไ ม, ไม่ไม่เกี่ยวกับเราแล้วเราเร า, เราเหมือนจะจากโลกนี้ไปแล้วใช่ค่ะ<ม>เราก็พิจารณาเนืองๆว่าแล้วมันก็จะหมดไปแล้วเราก็จะต้องต้องมีการท้าาจากการเป็นธรรมดา อืพระอาจารย์คะแล้วถ้าสมุดคนเราเสียชีวิตไปถ้าญาติพี่น้องเสียชีวิตไปเนี่ยค่ะเขาจะมีโอกาสได้มาพบกันไหมคะก็มันก็แล้วแต่จังหวะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถไปกําหนดมันได้เหมือนกับโยมขับรถไปที่จอดอยู่ที่สี่แยกไฟแดงแล้วเจอรถข้างซ้ายเจอรถข้างขวาแล้วข้าวหน้าแล้ววันพรุ่งนี้เรากลับไปขับไปจอดอยู่ที่สี่แยกไฟ แดงกันเดิมนึกว่าจะเจอรถซ้ายขวาเหมือนเหมือนกันกับเมื่อวานี้หรือเปล่าเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้แลนะอาจจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม mm hmm. ก็เหมือนกันกับ <c oughs> การมาเกิดของเวันนี้เจอคนนั้นคนนี้แล้วคราวหน้าเรากลับมาเกิดใหม่ก็อาจจะเจอคนนั้นคนนี้กก็ได้หรืออาจจะไม่เจอกไ็ได้เหมือนกับเวลาที่เราไปจอดรถที่สี่แยกไฟแดงนี mm ่อืมค่ะค่ะค่ะ พระอาจารย์คะอีกคำถามหนึ่งค่ะอันนี้ <c oughs> ถ้าสมมติว่าเรานั่งสมาธิตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะโดยที่ตอนเย็นพอเรานั่งสมาธิเสร็จแล้วก่อนนอนเราก็กำหนดสติแล้วก็จับที่ลมหายใจจนเราเราเร า, เราหลับไปพระอาจารย์จะบอกว่าเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่สามารถเอาเวลานอนมาเกี่ยวข้องได้ ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเช้าขึ้นมาแล้วเราก็จับลมหายใจได้ต่อแล้วก็แล้วก็ปฏิบัติต่ออย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้เราบบกโกงดได้ไหมคะ <c oughs> ไม่ก็ถึงเวลาหลับนอนก็ต้องหลับนอนไม่ได้ห้ามไม่ให้หลับนอนเพียงแต่ว่าไม่ให้หลับตอนที่ไม่ใช่เวลานอนม้นใช่ไหมแต่เราคีดโกงไม่ได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ว่าเราเนี่ยเรากำหนดสติอยู่เวลาเราหลับแล้วเราก็หลับไปพร้อมสติแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาพร้อมสติอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็ได้เงแต่ว่ามันไม่ได้ผลจากการมีสติแบบนั้นองมนต้งมีสติแบบที่ทำให้จิตสงบนิ่งเบาสบายมีความสุขโยมก็หลับสบายพราจารใช่การหลับแบบไม่มีสติไงไม่รู้สึกตัวอ๋อครั้งนี้ก็นับไม่ได้ช่ะพะอาจารย์ค่ะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะก็วันนี้ก็มากลับพระอาจารย์ขอกำลังใจด้วยค่ะเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่ สนทนาทำกับพระอาจารย์แล้วจะรู้สึกว่าปฏิบัติได้ดีอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีงดค่ะพระอาจารย์ดียี่ดีเสมอค่ะกราบขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์นะคุเม่นต่อคนเม่นอยากต่อธรรมอัิการค่ะพระอาจารย์อะไรไงก็สรุปค่ะพระอาจารย์ที่หนูไปคุยกับพระอาจารย์เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะนะก็สรุปว่าหนูก็ไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปที่วัดนะคะแต่ว่าเหมือนล่าสุดก็คือหนูแบบ ได้ไปปฏิบัติธรรมประมาณเจ็ดเดือนนะคะอาจารย์ของโครงการหนึ่งแล้วก็เลยแบบว่าตัดสินใจว่าเดี๋ยวไปเลยก็ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวแับได้ปฏิบัติจริงๆยาวๆเลยค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงต้องได้ไต้องเจ็ดเดือนเขาให้เราไปบวชชีโครงการคือเขามันเป็นเหมือนโครงการที่แบบว่าปฏิบัติให้ปฏิบัติอย่างเดียวเลยอะคะ่ะแล้วก็แบบห้ามคุยกับใครอะไรอย่างนะะี้ยค่ะ เป็นเป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นวัดไี่เป็นอะไรนของของยูว่าพุทธอะ<ห>ค่ะตอนยูวพุทธเขเปิดรับให้ไปปฏิบัติได้เจ็ดเดือนเลยอยู่ตลอดเลาไม่ไม่ไปไหนอะไรใช่ไหมใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ก็เลยเหมือนหนูจริงจมันติดไปแล้วแต่อยู่ๆหนูก็เหมือนได้ไปเพราะว่ามันอาจจะมีคนฉลาดสิอะไรอย่างนีนนะคะ้ค่ะลองบอกคนอื่นดูเลยไหมบางคนอาจจะอยากจะไปลองดูด้วยก็ได้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู่ป่า ไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวลองถามดูก็ได้ค่ะอาจารย์แล้วไพ่ไ ป, ปอยู่คนเดียวหรือว่าให้ไปปฏิบัติเป็นหมู่มันมีปฏิบัติเป็นหมู่คณะค่ะอาจารย์คุยกันทําให้คุยกันได้แต่ถึงเวลาต้องต้องลงมันโดกตรงถึงเวลาก็มานั่งสมาธิถึงเวลาก็กินข้าวพร้อมกันถึงเวลาสวดมนต์อะไรพร้อมกันหมดใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์อันนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการไปปิดยบเว่ เป็นการทักพื้นฐานก่อนทักวินัยก่อนอืมแต่ก็คือถ้าเกิดปีวิ่งคือเหมือนเราต้องไปเองใช่ไหมคะเราไปเองแล้วเราต้องบังคับตัวเองเองทําเอ ง, เองอถ้าอยานี้เขามีเวลามีตารางก็ตื่นตีสีนะตื่นกลางน้องไหว้พระสวดนตั่ง ส, สมาธิเสร็จลงก็ามาเนินจงกรมเสร็จพักรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ช่วยกันทาาาําควาซ่าอะไรเสร็จแล้วก็ฟังเทศฟังธรรม เขาจะมีเขาจะมีโปรแกรมโปรแกรมให้เราทํำไปก็ดีสําหรับผู้ที่เริ่มปฏิบัติมาไม่รู้จะทําอะไรไปอยู่คนเดียวแล้วไม่รู้จะทําอะไรก็ต้องไปไปถึกแบบนี้ก่อนอือค่ะอาจารย์แล้วอยู่ตลอดเจ็ดเดือนเหรอใช่ค่ะอาจารย์ก็คือเหมือนน่าจะเขาไม่ได้ให้แบบติดต่อหรือว่าใครติดต่อกับใครอนะไรอย่างนี้ทำไมทำไมถึงทำไมถึงเจดเดือน หนก็ไม่แน่ใจว่าทําไมต้องเจ็บเปือนเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าจ็ดวันเจดเดือนเจ็ดปีหรือเปล่ามันจะบรรลุธรอ๋อใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นคกกนรับจะบรรลุครับ <laughs> ยูว่าพุทธิการเขาก็ใช้สติปัฏฐานเป็ น, เ ป, นเป็นรู้สึกเป็นหลักสูสตร น, นั่นฝึกสติฝึกสติเดนใมีความรู้สึกตัวตลาดทุกไอเดียบทขอการเคลื่อนไหค่ะนัว่วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะ ไม่มีคะ่ะพระอาจารย์แต่ต้องอยู่รวมกันอยู่กินนอนร่วมกันนะมีหอหรือวามีศาลาอะไรนี้หนุ่มก็น่าจะมีคะ่ะหนูเขาไม่ได้ไปเป็นหลังๆอยู่คนเดียวอย่างนั้นอันนี้เขาแล้วไป<ม>ไปเข้าคอร์เจ็ดเดือนค่ะพระอาจารย์ก็ดีนะ<ด>หนูหนูไปได้ค่ะอนุโมทนาเป็นอะไรว่าอย่านีออกมาอย่าหากคุกก็แล้วกัน <laughs> สลคิดว่าแบบเ อ, อนานจะไม่ได้เข้าสูงแต่ว่าก็จะลองดูเพราะว่ามันน่าจะได้อะไรแบบก้าวหน้า<ม>เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องหรอกถ้าลองปฏิบัติแล้วก็พักเรื่องการเข้าซูมเข้าอะไรต่างๆได้อ่านหนังสือแล้วงการค้าจะมีหนังสือทำมาให้อ่านได้แล้วจะมีคนสอนทำมาตลอดเวลามีค่ะเขา<ช>จะมีรายทำให้ถูกเด่นนะคะก็ลองดูลอง แล้วต้องทําสัญญาอะไรหรือเปล่าต้องอยู่เจ็ดเดือนหรือไม่อยู่ครบหรือไม่ก็ ค, คือเหมือนเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ทําตามกติกาเขออกาก็จะไล่ออกมาอาจารย์เช <laughs> ่นแบบถ้าไปคุยกับใครหรือว่าแบบว่าไม่ทําตามที่ปฏิบัติเขาก็จะให้ออกเลยอย่างนี้ค่ะอาจารย์แล้วรูว<แ>้ไหมจะมีคนเยอะไหมมีคนกี่่ ค, คนสิบคนร้อยคนเขาบอกว่าน่าจะประมาณสี่สิบคน <laughs> สีน่สิบคนนะดีดีดีไปอยู่บ้านเฉย เดี๋ยเราปฏิบัติที่บ้านเราถ้าเรายังไม่รู้แนวทางของการปฏิบัติที่ถูกต้องก็ไปเข้าคอร์สก่นอนครับอาจารย์<ป>ต้องลองไปดูคือออกมาแล้วเผือแบบบวชเลยอะไรเองเไม่ลองไม่รู้นะค่ะอาจารย์ไม่ออกมาแล้วจะเริ่มแนวแล้วนหยุดเลยอะไรอย่างงี้ไปเจอกัน <laughs> ดูเข้าไม่เอาแล้วไปเจอก้างเขาถอยดีกว่า <laughs> อ า, าจารย น, นุโมทนาด้วยมีอะไรไหมมีค่ะอาจารย์อยากจะถามอาจารย์ว่าเหมือนตอนที่เรานั่งสมาธิอะค่ะอาจารย์มันจะมีจังหวะที่เหมือนกับเรา ด, ดิ้งดิ้งเราก็รู้รู้อยู่แล้วก็แต่ว่ารู้สึกถึงกายอะไรอย่างนี้นะคะกับอีกอันนึงมันเหมือนกับว่าเราแบบเหมือนเข้าขวังไปยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้หลับอะคะ่ะก็คือรู้ ร, รู้รู้ตัวตลอดก็เลยถามอยากถามอาจารย์ว่าแบบ ตอนที่เราครอบพวังเนี่ยมันคือนั่นแะก็เป็นสมาธิเร้าสวะเข้าพวังถ้ามีสติรู้ตัวอยู่ก็เป็นเป็นสมาธิถ้าไม่รูตัวก็หลักมีสองพวงังพวังหลับพวองสมาธิอ๋อค่ะแล้วถ้าเราเข้าพวังสมาธิคือเราไม่จะต้องแบบไปรีบพุดโธกลับมาใช่ไหมคะรย์ตอนนั้นไม่ต้องแนละ้วตอนนั้นจิตมันนิ่งเฉยๆแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรให้รู้ให้ดูมันเฉย อ๋อค่ะอาจารย์แล้วหนูรู้สึกว่าหนูก็มีปัญหาเรื่องนี้ค่ะอาจารย์คือแบบเหมือนมันกิเลสส่วนตัวเลยคือแบบรู้สึกว่าความแบบอยากจะเป็ น, อ ย, ปนอยากจะเป็นสมวันหรืออยากจะมีตัวตนอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์อันนี้เราจะแก้ยังไงคะก็บอกว่ า, วามันมันเป็นเรื่องของกิเลสเนี่เพราะความจริงไม่มีตัวตนไม่มีอะไรสิ่งที่อยากเป็นนี่มันก็เป็นสมมุติเท่านั้นเป็นของชั่วคราวเป็นนายกเดี๋ยวมันก็ เดีมันก็พลันตำแหน่งไปเป็นนางงามจักรวาลเดี๋ยวมันก็พลันตำแหน่งไปเป็นอะไรนะครับมันก็มีวันเสื่อมมันมีวันหมดเพราว่ามันเป็นอนิจจ์ไม่เทียมอืมก็คือเราไปปรุงแต่งเอาเองใช่ไหมคะอาจารย์เออใชแล้วเวลามันเสื่อมมันหมดไปก็ทําให้เราเสียใจทําให้เราทุกข์ใจได้ก็ดูว่าเป็นาตรับไปทุกอย่างสิ่งที่เราอยากได้ทุกอย่างนี้เป็นไตรลักษณ์ ได้แล้วเนี่ยมันก็ต้องเสื่อมต้งหมดไปสิ้นไปพอเวลาเสื่อมเวลาหมดไปค่าเสียใจคืออย่าอยากอย่าอย่าไปอยากอยาามีอยากเป็นอะไรดีด่ะเป็นตัวเราแค่นีนะ้พอแลอ้าวพระอาจารย์แล้วก็มีคําถามหนึ่งค่ะะอาจารย์คือหนูเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่เคยมีแฟนเลยแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องของแบบ เพศตรงข้ามก็ด <wireless> <k> ีอ <k> ่านจะเป็นชาติก่อนด้ว่าจะใครเป็นนั่งบวชมาก็ได้อาจจะเป็นเคยบวชเป็นชีบวชเป็นพระมาก็ได้เนื่องการอารมณ์เราไม่ค่อยมีอยู่ในใจแล้วก็ดีถ้าเราต้องการจะไปนิพพานการไม่มีไม่มีการมัฉันท่านมันมันเป็นนิวรมันเป็นอุปสรรคตรงขารปฏิบัติถ้าไม่มีก็ทําให้เราเนี่ยไปได้เลยนะ ถ้าเรายังมีการอารมณ์อยู่ไปไม่ได้หรอกไปอยู่เจ็ดเดือนนี้รับประกันได้ออืยางท่านอยากจะเที่ยวกับแฟนยังอยากจะนอนกับแฟนอยู่ไปไม่ได้แล้วอืมค่ะเพาะฉะนั้แล้วเหมือนแบบเหมือนมันเป็นมาตั้งแต่แต่เด็กเลยว่าแบบเรามันเป็นมาตั้งแต่ชาติก่อนเลยมันไม่ใช่ตแต่เด็กจิตเรามันมันชาติก่อนมันเคยฝึกอย่างนี้มาชาติก่อนอาจจะเคยถือสิ่งแต่งมาตลอดก็ได้อืมค่ะเพราะมันจะรู้สึกเหมือน เหม็นแล้วก็แบบไม่ชอบแบบสงสัยว่าเขารักอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพิจารณาสุภาเนี่ยนะสุภามความเหม็นในการสุภาพอย่างเราถ้าอย่างนี้คือเหมือนแบบแต่ว่าอย่างเพื่อนหนูก็จะบอกว่าเพราแกไม่เคยลองแกก็เลยแบบว่าไม่รู้อันนี้หนูก็จะถามว่าเอ๊ะมันจะไมาต้องไปลองหรอในเมื่อเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ไม่ไม่ดีอะไย่างเงี้ยก็องเรารู้ว่าไม่ดีแล้วทำไต้องไปลองอีกทำไมอ๋อค่ะอาจารย์ ก็เหมือนแบบบุหรี่รั่วไม่ดีไม่ต้องไปสูบอะไรอี้ใช่รั่วไม่ดียาพิดรั่วไม่ดีนะต้องไปสูบดื่มมันแล้วบ<ป>แบบย้งก็ตายทันเลยอืมค่ะอาจารย์แล้วก็หนูขอคําถามสุดท้ายค่ะคือแบบสมมุติว่าเรานึกถึงความตายอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้มีปัญหากับมันไม่ได้แบบกลัวอะไรขนานั้นแต่ว่าแบบพอนึกถึงว่าก่อนจะตายมันจะต้องเจ็บแบบเช่นแบบเหมือน อะไรเงี้ยอันนี้คือจะกลัวขึ้นมาทีนี้เราจะแบบว่าแก้อย่างไรงก็นั่งนั่งสมาธิให้มันเจ็บแล้วอย่าลุกอย่าขยับหัดอยู่กับความเจ็บไปว่าต่อไปเวลาจะตายก็ต้ําเจ็บแบบนี้โออนั่งไปแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทพโธไปให้ใจเป็นโอเปค้าไปก็คือเหมือนฝึกทุกขเวทนาจากการนั่งเนี่ยแหละใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละพอเราผ่านทุกขเวทนาได้เราก็จะไม่กลัวควาเจ็บแลอืมโอเค อาจารย์ก็มีเท่านี้ค่ะพอาจารย์โอเคนราจะไปตลวเมื่อไหร่เขาจะให้ไปเข้าค่านเดือนหน้าแล้วค่ะพระอาจารย์คือหนู่เพิ่งรู้วันนี้แล้วหนูก็ตัดสินใจเลยว่าไปเลยทิ้งหมดทุกอย่างเลยทิ้งแบบว่าหยุดเรื่องราวไ้เลยคือตอนแรกค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าเขาปิดลับไปนานแล้วแล้วยอยู่อ่ะหนูก็โทรไปถามแม่ชี้ว่าแบบเฮ้ยถ้าวันหนึ่งจะตรวจชีต้องเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แม่ชี้เขาก็เลยแนะนํามาแล้วปรากฏว่าแบบแล้ววันถัดมาเขาก็ส่งมาบอกว่ายังมีที่เหลืออะไรเงี้ยค่ะถ่าใครจะสัดก็ส่งลายไปเลยหนูก็เลยเหมือนเพิ่งรู้เมื่อวานแล้วหนูก็สมัครเลยแล้วตอนแรกหนูก็นึกว่าจะต้องคัดเลือกอะไรเงี้ยค่ะแต่แล้วก็เขาก็บอกว่าไม่คัดเลยไปเลยเดี๋ยวเขาเรียกตัวแล้วก็เดี๋ยวมารับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกธรรมชรเนีายธรรมชาติศารให้กับเรา พราะาเพราะตอนแรกที่ไปหาพระอาจารย์ว่าแบบเอ้ยอยากจะบวชอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบมันไม่มีวัดก็เลยแบบเอก็คือเปลี่ยนใจไปแล้วรอบนึงว่ารอไปไปทําก่อนละกันทําธุรกิจอะไรก่อ น, น, อนแล้วสรุปอันนี้เข้ามาก็เลยเหมือนจะเหมือนได้ไปเลยอะไรไทำนัดอาจารย์ให้เราไปเนี่แล้วมีโอกาสเรียบคว้าเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็พอพอได้ไปก็รู้สึกว่าแบบ เออห้ามตายนะตอนนี้ห้ามตายเดี๋ยวไม่ได้ปฏิบัติไม่ต้องกลัวอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปห้ามถ้ามันจะตายก็ห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยเลยใช่ไหมคะอาจาปล่อยเลยไม่เป็นไรอาจจะบรรลุตอนตายเลยก็ได้ตอนนี้พอรู้วิธีตายแบบไม่ไม่ต้องจำอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะพระอาจารย์โอเคนะฮะมีอะไรก็มาเล่าให้ฟังทีหลังก็แล้วกันนะ โอเคค่ะพระอาจารย์เพื่อนเพื่อนเเพื่อนเเขาจะได้รู้ว่าเป็นยังไงพระอาจารย์จะให้กำลังใจคนอื่นด้วยอ๋อค่ะเพราะว่าตอนนนี้เคยไปแบบสิบวันเนี้ยค่ะกันนะ่ตอนนี้เคยไปแบบสินนนน บ, บวันก็รู้สึกว่าเหมือนกับพัฒนาเร็วแต่ว่าทีนี้ถ้ามันไปเจ็ดเดือนมันคงน่าจะแ่ามันอาจจะถึงนิพพานเลยก็ได้เจ็ดเดือนตาเท่พเจ้าสอนอืมค่ะพระอาจารย์สาธุค่ะพระอาจารย์โอเคนะครับท่านนิโมทนาดีด้วย ค่ะขอบคุณครับอาจารย์เชิคุณสุภัทราต่อจากเดลัสเท็กซัสคุณสุภัทราไม่กล้าจะไปแล้วเนี่ยผมชั่นของวันด้ววันนั้นเลยถามมามาตรการอาจารย์เจ้ค่ะสาธุอนุโมทนากับคุณมินด้ยค่ะที่มีโอกาสที่ดีๆในความก้าวหน้าในการปฏิบัติอยากไปเหมือนกันนะค่ะแต่แต่ก็ยังอยู่กับปัจจุบันอยู่ก่อนตอนนี้ยังเตืนอยู่ยังเตือนไฟแดงอยู่ เล็กติดไฟแดงยังไม่ได้ขึ้นทางด่วนสักทีเ <Gore. S 1> จ้าค่ะก็ก็อยู่ไปอีกทําไงได้ทํตาต า, ตามสภาพไปก่อนทําตามสภาพไปก่อนเจ<ห>้าค่ะก็คงมีโอกาสสักวันก็คงมีวันไหนก็วันนั้นเนาะค่ะล<ห>ูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะไม่มีคุณพ่อเขไม่มีเลยคุณพ่อไม่มีเจ้าค่ะตอนนี้เราคุยกันนานขึ้นมากเลยสนใจทำมากมากเลยนะ เจอค่ะแล้วคุณพ่อรู้สึกว่าเขามีความหวังขึ้นเขาบอกว่าเอาจริงๆถ้าตั้งใจทำชาตินี้ก็ได้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเจา้าค่ะโอ้พระพุทธเจ้าพ่อของพระพุทธเจ้าทำแค่เจ็เดวันก่อนตายก็ยังได้<ะ>ถ้ามีคนสอนมีคนมีคนค้อยู่ตลอดเวลาเดียวเดียวก็ได้ เจ้าค่ะก็เป็นกำลังใจให้ให้เขาแล้วก็ให้ตัวเองด้วยเจ้าค่ะแล้วก็บอกอย่าท้อนะปฏิบัติทุกวันนะอย่าท้ออย่าท้อเจ้าค่ะก็ช่วยกันไปเจ้ค่ะ <Yeah. S 2> กลับขอก็คุณเจ้าค่ะคุณเกศเชลยก็จากอเมริกาเป็นกันจากน o r t h c a r o l ลน a วันนี้ u เ a มาหลายคนนะสี่ห้าคนการนวัตการครับอาจารย์มาร่วมฟังธรรมดิฉันเจ้าค่ะ เอี ble, ah. ่ยเอาเจมาด้วยนะเจ้าังเรื<_<_<_<_<_่องมเจ้าเจ้เจ้นั่งหลับเจ้าค่าโอ้ยน่ารันะาม่กี่อายุเท่าไหร่แะอายุเท่าไหร่สิบปีขัี่สิบสามปีเจ้าค่ะโอ้ยี่บสามปีดูไม่แก่เลยนะแต่คนดูเก่แล้วเจ้าค่ะโอเคเนี่ยไปที่เป็มาลีตอหเพราะมันสี่ทุ่มครึ่งก็เกือบจะสี่ทุ่มครึ่ง กวงพอันนี้หนูหนูก็ไม่ไม่มีคำถามอะไรเพียงแต่ว่าแค่สงสัยนิดหน่อยค่ะหลวงพ่อบทสวดกับกับที่คำสอนที่บอกว่าให้เราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะหลวงพ่อมันเป็นการสอนใจเราให้เหมือนแบบให้มีปัญญาอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ไม่ให้เราเรีนเรามักจะเืมย เราอาจจะคิดว่าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันแล้วเพราะถ้าเราไม่ลืมเราจะไม่กลัวที่เราที่เรากลัวเพราะเราเราดึมไปว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคือแล้วถ้าเกิดเรายังยังเห็นไม่ได้ตามคําสอนนะคะของพ่อเราจะทํำยังไงะคะเห็นเดทําวทำเล็กบ่อมันก็เห็นเองนะแล้วก็ไปดูเดยดูว่าคนแก่ไปไงคนเจ็บไปไงคนตายเปไง แล้วก็ย่อบันไโกย้อนน้อมกลับเข้ามาที่ตัวเราเวลาไปยืงงนการศคกั็เงียบสมมุติว่าเราเ ข, า, ขาเป็นคนเดียวกันพออยู่ในรงต่อไปเราก็จะต้องเข้าไปอยู่ในโรงปครั้งค่ะพราหนูยังยังมีแวบๆวบในใจตรงที่ตรงไอ้เรื่องแก่เจ็บตายเนี้ยหนูไม่ไม่ไม่กังวลแต่ว่า พอมันนึกถึงไี้ตรงพัดภาคตรงเนี้ยค่ะหลวงพ่อในณขนาดเนี้ยมันยังมีห่วงอยู่เนี้ยมันก็มีรู้สึกขึ้นมาบ้างค่ะหลวงพ่อห่วงอย่างแม่ ม, มันก็ต้องเกิดขึ้นมาใดวันหนึ่งจะห่วงไม่ห่วงถึงเวลาค่ะมีมีตรงแม่กับลูกแค่เนี้ยค่ะหลวงพ่อหนูยังอยู่ตรงเนี้ย น, นิดนึ่งนะคะแล้วทีเนี้ยอย่างสิ้นสิ้นเดือนเนี้ยหนูจะไปอยู่วัดอีกแล้วค่ะหลวงพ่อมันมันมี เขาก็ถามว่าเออไม่กลับไปอยู่กับที่บ้านหรืออะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็บอกว่าหนูจะไปวัด mm. เขาบอกไม่เปลี่ยนใจหรืออะไรเงี้ยหนูก็ตัดสินใจบอกว่าจะไปเขาก็เงียบกันหมดเลยค่ะมันเหมือนกับว่าเราทิ้งทิ้ง เ, เ, รเราไปซ้อมไหมซ้อมซ้อมการพัดท่าจากกันเนี่ยค่ะพ่อตอนนี้เราเราจากกันตอนอย่างเป็นอยู่แล้วต่อไปก็จากกันตอนที่ตาย อพอเราซ้อมแล้วต่อไปเราจะไม่ลุกเราจะไม่รู้สึกอะไรแค่ไม่มีเข้าเราก็อยู่ได้ก็ก็คือก็ต้องตัดพยายามตัดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อ ย, อยจนต้องต้องไปเปลี่เวทเรื่อยเรื่อต้องแยกตัวไปอยู่คนเดียวเรื่อยอยค่ะหนูตัดนะด้วยคําคิดอย่างเดียวไม่ออกต้องตัดด้วยการกระทําหนูตอนเนี้ยคือมีเวลามีโอกาสหนูก็จะไปตลอดค่ะนูเพราะแต่แต่หนูย้อนกลับมาคิดถึงเขาว่าเอ๊ะเขา เขาก็บอกเออทําไมมันมันห่างออกไปจากครอบครัวเนี้ยค่มหลวพ่อก็เขาเข า, เขาไม่รู้ไงว่าเรากำลังซ้อมเราปฏิบัติธรรมเขาเขาไม่ปฏิบัติเดี๋ยวเวลาเกิดการท้าทายเขาก็จะล้องโหมน้องาย้ไงแต่ตอนนี้เราก็ทําซ้อมให้เขาด้วยเราจ่ายเข้าไปด้วยเขาเขาก็จะเลยซ้อมต่อไปแล้วอาจจะจ่ายเข้าไปก็ได้หนูก็บอกเขาว่าก็คิดซะว่าตอนนี้เราก็ห่าง ออกไปเพื่อเหมือนแบบไปอยู่อีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยให้เขาไม่ต้องมาต อ, อะไรกับเรามากอะไรเงี้ยทั้งเกี่ยวกับการรเวลาคนตายในร่องหมกน้องห้กันก็พาพ่อไม่เคยคิดว่าจะต้องจาก ค, คิดเหมือนกันแต่ไปคิดว่าคิดจเล่นๆคิดว่าไม่ไม่ไม่เป็นเรื่องจริงแต่พอเป็นรื่องจริงขึ้นมาก็ทําใจไม่ได้นี่เร า, าต้องทําให้เป็นเรื่องจริงขึ้นมาด้วยการกระทําด้วยการแยกตัวเราไปอยู่คนเดียว หนูก็เตรียมเตรียมตัวตลอดค่ะหลวงพ่อคือมีมีโอกาสในเวลาหนูก็จะไปตลอดค่ะหลวงพ่อมันกลายเป็นว่าเราตัดจากทางครอบครัวไปเลยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อเราก็ไม่ได้ไปร่วงไปอยู่ไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้จริงจริงเนี่ยวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากกันอยู่ดีไม่ใช่ค่ะหลวงพ่ อ, ห, อหนูก็เลยบอกว่าไม่ไปไม่เปลี่ยนใจหนูจะไปอยู่วัดอะค่ะหลวงพ่ อ, พอก็เลย เงียบกันไปเลยเออดีเขาจะได้รู้ว่าเอไม่ช้าก็เลยวันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการจาดกันใช่หลวงพ่อวันนี้หนูก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะหลวงพ่อดีไปปฏิบัติแล้วเนี่ยความทำแล้วขั้นที่สองก็คือการปฏิบัติปริยัติแล้วก็ปฏิบัติแล้จะได้ปฏิเวทที่คือบ้านลูกทำกันเป็นธรรมหนูตั้งใจไว้อะค่ะหลวงพ่อจะทําให้ดีที่สุดนะคะหลวงพ่อพยายาม อยู่หพ่อแล้วแล้วก็ไม่ทิ้งค่ะพยายามความพยายามไปที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะโอเคไปได้คุณปัตาลาพรจากสเปนอิบิซาก่ออิบิซาสเปนกับเดียวเดียวกับนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อมีอะไรไหมหลวงพ่อเจ้าขาอ่าวันอาทิตย์ที่แล้วที่คุยกับหลวงพ่อเราลูกก็ กลับมาดูตัวเองนะเจ้าค่ะกลับมาทะเลาะกับตัวเองนะเจ้าค่ะดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกว่าแล้วลูกก็เห็นว่าอ๋อลูกมันมีอัตราตัวตนอ่าอ่าลูกถามหลวงพ่อว่าไม่รู้ว่าลูกลูกเข้าใจถูกหรือผิดที่ลูกคิดว่าอ่าอย่างปกติลูกก็ไม่อยากจะออกไปไหนปฏิบัติแล้วก็อย่างตอนเนี้ยบ้านมันใกล้จะเสรสามีก็เธอไปเลือกเฟอร์นิเจอร์นู่นนี่นั่นแล้วพอไปเลือกแล้วก็ อัตตาตัวตนมันขึ้นมาว่าเอ้ยพอเลือกสีเลือกอะไรพื้นไม่ถูกใจเนี่ยความอัตตาตัวตนของลูกมันขึ้นมาแล้วมันทําให้จิตลูกขุ่นแล้วลูกก็มีความสึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันรู้สึกจากที่ลูกใสแล้วก็ว่างเปล่ามันกลับมาทําให้ลูกแบบไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมเหมือนไม่เสถียรนะเจ้ค่ะแล้วก็ลูกก็กลับมามาแล้วว่าที่ที่เราที่คุยกับหลวงพ่อแล้วก็ แล้วลูกก็มาพิจารณาลูกก็เห็นอ๋อแล้วมันเหมือนแบบที่ลูกบอกหลวงพ่อว่าขอปัญญาลูกนะแล้วคืนนั้นลูกไม่รู้เป็นะไรปกติลูกจะไม่นอนฝันอะไรเลยจะไม่ฝันอะไรแล้ววันนั้นลูกฝันฝันว่าลูกเดินลงไปข้างล่างแล้วก็เหมือนแบบ เจอควันอะไรไม่ไม่ไมทราบอะเจ้าค่ะเหมือนควันหมอกควันแล้วแบบลูกก็แบบพุทโธธรรมโอสังโคแบบมันออกมาจากในๆๆๆๆๆในในในอกของลูกออกมาแล้วลูกก็ก็เดินออกไปประตูข้างล่างอีกแล้วก็แบบเหมือนมีอะไรแบบมาดึงเราอะเจ้าค่ะแล้วลูกก็พุทธโทธรรมโอสังโคพุทธโทธรรมโอสังโคจนแบบเสียงมันออกมาข้างนอกสามีเขาเขามาดึงเขย่าแล้วก็ธรรมะมันเหมือนมันออกมาเจ้าค่ะแล้วลูกก็ก็มาพิจารณาว่า อพ่อแม่ครูบาอาจารย์กำลังมาเตือนอะไรเราแล้วลูกก็แบบมันเหมือนอ๋อหลวงพ่อเราต้องกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันดึงตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันธรรมะคือธรรมชาติแบบที่ลูกเคยปฏิบัติมาแบบเอ๊ะเราเคยไปปฏิบัติที่หลวงพ่อเขียนธโมที่ที่ที่สายอ่าอ่าที่ท่านเป็นสิทธิ์อ่าหลวงปู่ชาเจ้าคะ่ะแล้วท่านเคยแบบ ลูกเคยไปปฏิบัติแล้วท่านให้แม่ชีพาลูกไปเดินในป่าแล้วแบบว่าคือธรรมะแล้วมันทาให้ลูกเข้าใจว่าธรรมะมันคือธรรมชาติอยู่นกลับมาดูตัวเองอยู่กับปัจจุบันเดียวนี้แล้วก็อยู่ยึดถือในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมทําไมลูกไปยังไปมีอัตตาตัวตนเอ้ยนี่เสียนั่นๆ่นของเราทุกอย่างมันมันว่างเปล่ามันเป็นอนัตตาลูกอันนี้ลูกคิดถูกไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วลูกก็พอลูกก็ กลับมาตรงนี้ว่าทุกอย่างมันมันว่างเปล่านะมันในเมื่อเราพระพุทธเจ้าสอนว่ามันไม่มีอะไรมันว่างเปล่าก็คืออ่าอ่าทุกทุกอย่างสิเวลาดีไม่มีอะไรที่แบบว่าไม่ดีณเวลานั้นที่เราทาก็คือเราทําดีทุกอย่างดีเป็นหมดไม่ว่าไม่ว่าจะจะสีดีเวลาดีถ้าเราทําดีเวลาไหนเวลานั้นคือดีดีหมดอันนี้ลูกลูกคิดถูถกถูกไหเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะ่ะ ก็ดูที่ใจเราถ้าใจเราสงบ ก, ก็ถูกถ้าใจอะไรยังไม่สงบ ก, ก็ยังไม่ถูกเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วคือวันนี้ลูกกลับมาแบบกลับมาใจใสกลับมานิ่งแล้วพอ<ะ>พอย้อนมาเห็นตรงนี้ของลูกมาดูใจตัวลูกแล้วรู้สึกวันนี้ลูกกลับมามาโปร่งโลง่ลงโลง่ลงโลง่ลงเบาสบายเหมือนเดิมเจ้า<ะ>ค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะปล่อยวางเห็นไตรักแล้วก็ปล่อยมาเจ้าค่ะพิจารณาทุกอย่างเป็นไตรักเจ้าค่ะหลวงพ่อ อ่ะอ่ะก็ค่ะถูกต้องอย่าไปยึดอย่าไปติดทุกอย่างเป็นของชั่วคราวบ้านก็ชั่วคราวกระเบื้องสีอะไรก็ชั่วคราวไม่ต้องเมื่อมีตามจําเป็นยังต้องตัดสินใจก็ตัดสินใจไปจะได้ไม่ได้ไปอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ก็ช่างมันไปเจ้าค่ะหลวงพ่อโชคค่ะทั้งนั้นเองอย่าไปยึดอย่าไปติดเจ้าค่ะ สั่ก๋เ๋ยวได้เข้าวผัดก็กินมันได้ไม่ต้องไปอย่าไปยืดติดอยู่คำสั่งของเราเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะขอให้ลูกมีปัญญาแจ่มแจ้งในธรรมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสั่งนี่มันเป็นอนัตตาบางทีก็สั่งได้บางทีก็สั่งไม่ได้บานที่สั่งแล้วก็ไม่ได้ําใจที่เราสั่งก็มี ก็ต้องยอมรับความจริงนะสั่งอะไรได้อะไรมาก็เอาอย่างนั้นนะ่ะหรือไม่ใช่แล้วก็สองคืนไปเปลี่ยนใหม่เจ้าข้าหลวงพ่อแตไม่ต้องไม่แต่ไม่ต้องเกิดความหัวเสียขนะึ้นมาทําไปตามเหตุตามผลไปเจ้าค่าหลวงพ่อลูกใช่เพราะว่าลูกกับแล้วลูกมาดูดเอวี่ตายแล้วอัตราตัวตนเรากลับมาเนี่ยมันไม่ได้ต้องแก้ไขแล้วลูกก็ พอวันนั้นที่คุยกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเจ้าค่ะปล่อยลู้เกิดปัญญาแบบคือมันรู้สึกจับที่ลูกแบบมันโป่งร่วงสบายแล้วมันมันรู้สึกมันแน่นมันไม่ใช่มันเกิดอะไรขึ้นกับกับลูกไม่รู้แตนแบบรู้สึกได้เลยพอเห็ทุกอย่างเป็นธรรมชาติก็ปล่อยวางได้เห็นทุกอย่างเป็นแบบเหมือนลมพัดลมฝนตกนี้ก็ปล่อยได้ใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะพอแบบธรรมะหลวงพ่อแบบมันเข้ามาแล้วมันเหมือนแบบมันแบบ มันเข้ามาเป็นพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งเข้าใจเลยว่าสภาวะธรรมที่เราเคยปฏิบัติมาของเก่าอ่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขะที่หลวงพ่อพูดไว้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมามันเป็นจริงเจ้าค่ะมันมันกลับมาหมดเลยที่เราเคยปฏิบัติเอาไว้เจ้าค่ะมันย้อนกลับมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์แบบเหมือนเข้ามาเข้ามาเข้ามาแบบเห็นเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าขา ช่งที่มันทุกข์มันมือมันลื่มไปช่วงที่มันทุกข์มันลืมธรรมะไปนั่นเลยใช่คหลวงพ่อมันมันมันเหมือนบอกว่าที่วันนั้นที่ลูกถามหลวงพ่อไปว่ามันเหมือนเราลูกหนึ่งลูกจะแบบดิ่งนิ่งแล้วแบบมันเหมือนแบบไม่อยากจะพูดจะคุยอะไใครแม้แต่สามีทัดก็ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะไม่อยากอะไรอยากจะนั่งอ่านธรรมะอยากจะนั่งปฏิบัติ ใครอยากมายุ่งกับฉันนั่นอะไรอย่างเงี้ยจะฆ่าหลวงพ่อแล้วก็เฮ้ยเรายังอยู่กับโลกยังอยู่กับครอบครัวที่เรายังเจ้าค่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อมันมันวันนั้นพอบอกหลวงพ่อเจ้าค่ะมันมันกลับมาตอนนี้ลูกกลับมาแล้ใจที่มันแน่นเนี่ยตอนนี้ลูกก็กลับมาสว่าง ว่างเปล่าเหมือนเดิมเบาสบายวันนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้ค่ะระวังความอยากถึงแม้จะเป็นความอยากที่ดีแต่ถ้ามันอยู่ในสภาพที่ท่านทาไม่ได้ก็อย่าไปอยากเอาอย่างนี้ก็ค่าหลวงพ่อเจ้าค่ะเพราเรายังต้องอยู่กับโลกอยู่กับคนอื่นอยู่เจ้าค่ะหลวงพ่อนี่อ่ะตรงเนี้แล้วมันลูกเข้าใจอ่ะคนเมื่อกี้ที่ที่บอกพ่อลูกก็เป็นหนีวันไหนแบบ คือหนีแยกข้องได้ก็ก็จะแยกตลอดสักการสามีได้ยินเสียงรถเข้ามาลูกก็วิ่งเข้าห้องผ่าอะไรเ ง, งี้ยเขาจลูกเข้าใจแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อจะหนี้วเดีด๋ยวต่อไปก็หนีเรานะกลัวไม่ไม่กลัวอะไรเลยหลวงพ่อเจา้าขาไม่กลัวไม่ไม่กลัวมันเหมือนแบบมันเหมือนเราไม่กลัวไม่อะไรทั้งนั้นค่ะไม่กลัวล <Okay. S 2> ลอะไรค่ะค่ะ เดียวมีอะไรไหมลูกชายจะทาอะไรังการมัศการครับตาไม่เข้ามาฟังเฉยขอพรด้วยโอเคใเียวมีงอันนี้เรียนได้ปริญญาสูงๆนะู้ครับโอเคนะเดี๋ยวจะได้ไปที่ท่านต่อไปอ่ากูกที่ว่าคอทมอลลูกที่ว่า การนักประการเจ้าข่าวประการวันนี้ลูก ม, มีคําถามเดินจ้าโอเคสาธุเป็ น, น, นวัดมหาอเหมือนกันกรับนักการท่านหลวงพอ่อเมื่อกี้เห็นบางท่านพูดเรื่องเกี่ยวความตายแล้วแต่ผมเรื่องเกี่ยวความตายผมอาจะไม่กลัวแต่พูดถึงเรื่องการอยู่แล้วอันนี้ผมกลัวเลยหลวงพอ่อความความเมื่อถึงการอยู่แล้วมันแบบมก็ต้องวางแผนชีวิต แล้วมันต้องทําน้่นทํานี่นึกแล้วมันยุ่งบวดหัวไปหมดเลยหลวงพ่อขอแนวคิดในวิธีการแค่เออนึกถึงการอยู่นะครับก็อยู่ตามมีตามเกิดไปไหยอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายทำไมกลัวคุณไม่กลัมมกวความตายแล้วจะไปกลัวอะไรกลัวการอยู่ครับหลวงพ่อก็นั่นเองก็อยู่แบบตายไปสิถ้าไม่มีกินก็ตายอยู่แบบตายเลยคือแบบ เราไม่เราไปอยากอยู่แบบนั่นอยู่แบบนี้ก็ต้องวางแผนถ้าอยู่แบบขอทานก็ไม่ต้องมองแผน ฮ, ฮาหาเช้ากินขําไปนกถึงการอยู่อย่างเช่นทําประกันชีวิตอายุมากขึ้นเรื่อยๆค่าเบี้ยประกรันมันก็ต้องก็ไม่ต้องไปทําาอยุก็ไม่ต้องไปทำเล้ามันยุ่งยากไม่ต้องไปทำเออแบบโอ้โห อ, อ, อย่างวัน เสาร์ที่จะถึงนี่ญาติเขาก็จะแต่งงานญาติลูกพี่ลูกน้องผมก็คิดว่าถ้าผมไปบอกว่ายินดีด้วยนะผมคงมูสาวาทาแน่เลยหลวงพ่ออันนี้ก็มัน่็ไม่ได้มูส่าว่เราก็ยินดีจริงนะยิน ด, นดีให้เขามีความสุขถ้าไม่ยินดีก็อย่าไปงานต <c oughs> ัดง <c oughs> ถ้าคุณถ้าคุณไปแล้วบอกผมไม่ยินดีอะไรที่ผมมาที่เพราะนี่เขาเดี๋ยวก็เขาก็ไล่เรากลับบ้านนะ <c oughs> ครับหลก็อแบบโหมองแล้วแบบอนาคตเปไน็นไรภาระมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคิดมากก็ไปคิดมากเลยไปหยุดได้นะกลับมาหาพุโทโธพุโทโธดี่าเอาวันต่อวันเนี้ยพอแล้วไม่ต้องไปคิดมากแล้วเมื่อวันวันวันพ่อที่ผ่านมา เออหลังพี่จะบินตาบดจะบ้านอำเภอคือคนเขามารับอาหารเป็นปกติหรือวันนั้นเป็นวันพิเศงเลยมีแจกอาหารคารับทุกวับทุกวันแต่วันนั้นคนเยอะหน่อยเพราะของอาหารมันเยอะอ๋อชาวบ้านเขารู้แลอวไงว่าเวลาบินตาบดเสร็จ น, นี่ก็มีการแจกอาหารใครใครไม่มีอาหารรับประทานก็มาขอขอไปได้ตามมีตามเกิดอ๋อ มีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยทำมีทำเกิน อ, อ๋อครับหลวงพ่อแล้วในมรรคแปดมั น, มนเอองงคาว่ามิจฉาสติมิจฉาสติคืออะไรครับหลวงพ่อมีความแบบทบบี่ต้องมีสติแบบไม่นิ่งอ่ะเช่นมีสติอยู่กับการทํางานที่ต้องใช้ความคิดนี้เรียกว่าไม่ใช่เป็นสมาสติสมาสติต้องเป็นสติที่แบบไม่ต้องคิดเช่น น้ำหน้าแปลงฟันนี้ไม่ต้องคิดเนี่ยครับไม่ต้องคิดไม่ต้องสติที่ต้องใช้ป <Okay, S 1> ากคินี้ไม่ถือว่าเป็นสัมมาสติต้องเราสติแบบที่ไม่ต้องใช้ปากคิดให้ดูเฉยๆคือสติประฐานสี่ใช่ไหมครับหลวงพ่ออันนี้แหละสัมมาสติกันนี้ก็อยู่ในสติประฐานสี่นี่ okay, แล้ ว, ลวทํา นิดนึงครับแล้วทำมานุวิปัสสนาคือสติอยู่ในธรรมคือยังไงครับหลวงพ่ก็ดูว่าเรามีธรรมเราเรามีสติก็แ่าสติก็เป็นธรรมอย่างหนึ่สติธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมเอาใจเลยนะไปปฏิบัติเถอะรู้มากแล้วถามมากถามมันต้องกี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ย ครับโอเคครับโอเคคุณ 55, s อ55อสด้วยห้าห้านอมาราการค่ะพระอาจารย์อยู่กรุงเทพค่ะโอเคมีคำถามเลยไหมค่ะมีคำถามค่ะพระอาจารย์คือวันก่อนได้เดินที่ได้ฟังสังส่งยศสิบอะค่ะาาพระอาจารย์ทสันเทศในวันาทิตย์ะค่ะรู้สึกว่าได้คำตอบตรงที่าาทพระอาจารย์เทศว่า เวทนามันสถาพธรรมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุปัจจัยใช่ไหมคะเราบังคับไม่ได้ใช่ออโอเคค่ะเราแค่ปล่อยให้มันเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมค ะ, ะชใช่เพราะเราไปบังคับให้มันดับไม่ได้ถ้าดับแล้วมันก็เป็นเป็นการดับชัว่วคราวเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวก็มันก็โผล่ขึ้นมาสู้หัดอยู่กับมันดีกว่าค่ะอันนี้เข้าใจชัดเจนเลยค่ะอาจารย์ที่สงสัยคือ แต่ขั้นตอนแบบนี้เราใช้กับอารมณ์ไดไหมคะใช่ได้ได้ทุกอย่างทุกอย่างเป็นเหมือนเหมือนกันหมด อ, อารมณ์ร<ม>่างกายจิตเวทนานี่ใช้ได้หมดเป็นใจร่างไม่เทียมเป็นธรรมชาติที่เราก็คมบังคับไม่ได้แล้วก็ถ้าถ้าเออเวทนามันเกิดจากตาหูชมนิ้งกายใช่ไหมคะมีสิ่งกระทบผ่านมาทางวิญญาณสัญส ญ, ญาแล้วเกิดเวทนาทีนี้อารมณ์มันเกิดจากอะไรคะพระอาจารย์ อ้างว่า เ, เกิดจากความคิดตุงแต่ก เ, เกิดจากควา ม, มร้อนความยารับ<ม>ช้างตัวหลงก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเกิดเวทนาแล้วใจที่เราคิดอ่ิดเป็นอารมณเกิดอารมณ์มขึ้นมาแล้กนั่บ้างช้งบ้างอ่าค่ะทีนี้เวลามันเกิดอารมณ์ทีเรานัางทํางานแเราไปนึกว่าสมมติว่าเสารนี้ต้องไปฉีดวัคซีนเราก็ กังวลขึ้นมาเลยค่ะอาจารย์เราไม่ขั้นตอนแต่เรายุ่งแค่ว่าเรากังวลเกาไว้กับพูดโธนั้นเราใช้ปัญญากันด้ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดร่างกายเราก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็ควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะตายคือเราไม่จำก้ามมันไม่ได้ค่ะก็ก็ใช้สติหยุดได้ก็หยุดเลยหรือไม่ก็ใช้ปัญญาใช่ไหมได้ได้อย่างได้ยังถ้าสติก็พูดโธพูดโธอย่าให้มันไปคิดมันยังไม่ถึงเวลา นี่เราไม่จําเป็นต้องเห็นขั้นตอนใช่ไหมว่ามันเกิดจากวิญญาณาไม่จําเป็นเพราะเราดูไม่ทันหอหยุดมันทัในทในหยุดความทุกข์เรื่องสติเรื่องปัญญาก็พอหยุดความวิตกกังวลอ่านาค่ะเข้าใจ่ค่ะอีกคําถามหนึ่งค่ะพระอาจารย์พอดีตรงที่พระอาจารย์ที่บายอขั้นตอนของขันธะจนถึงเวทนาก็เลยพอพอได้เข้าใจรละเอียดรายละเอียดที่พระอาจารย์สอนก็เลยก็เลยเอาไปใช้กับพอดีมี มีจะต้องรับการรักษายังไงใช่ไหมคะพระชาติเดิมเราก็เราก็ใช้พุทโธหยุดครั้งนี้เราก็เลยตั้งใจดูเวทนาสิ่งกระทบจนถึงเวทนาพระชาย์เราก็รู้สึกว่าเราเรารู้อยู่แค่เวทนาได้จริงพระชาติมันไม่เกิดการปรุงแต่งหลุดออกมาไมกิดความยินดีนลยอยากให้ม<ช>ัยินดีให้มันเฉ ย, ถ, เฉยถ้าไม่เฉยถ้าไม่เฉยก็ใช้สติใช้พุทโธให้ทําให้มันเฉย ชือพอออกมาจากห้องห้องห้อ ง, ห, องห้องรักษาค่ะพระอาจารย์เราชื่อว่าจิตครั้งนี้เราไม่ถุกเรารับรู้แค่เวทนาได้ได้จริงจิตมันเป็นกลางกลางไม่ไม่ถุกเลยแล้วก็รู้สึกเป็นเป็ครั้งแรกที่มีสภาวะนี้ <S <S <S ก็เลยเปฏิบัติถูกนะทีนี้ก็เราก็เลยลองทนเจ็บไปเรื่อยๆคือมันจะมียาแก้ปวดให้ทานก็เลยเลือกที่จะไม่ทานพระอาจารย์ก็ทนไปจนพอยาชาหมดค่ะพระอาจารย์ เราก็ครั้นี้เร า, เราทนเราก็แค่รู้เวทนาได้ได้นานกว่าทุกๆครั้งค่ะจ่ะแต่ก็ไม่ต้องกินยาแยก้ปวดนะก็ไดไมใช่แต่ว่ามันทนจนสูท่ทักสักชู่เนี่ยค่ะมันมั น, ม, นมันไม่ไม่ไหวละมันมันปวดมากจนจนเราเราเราไม่สู้ต่อไปเราไม่สู้ต่อไเราไม่สู้ในสติเราสู้ใยปัญญามันก็เลยมันไม่หว ใช่ไม่ไหวจริงครับแต่ว่าถาราพิจารว่ามันมันก็เป็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้ดับไปแั้นเราก็ไปทําอะไรมันไม่ได้ถ้าเราไปกินยาล้วก็เหมือนกับว่าเราหนีมันสเวทนามันมากขึ้นเรื่อยๆจนจนมาถึงจุดที่เราทนไม่ไหวแล้วก็แต่ที่ว่าต่อไปเราก็จะไปติดยาแทนแต่เราเราเห็นเห็นกระบวนการที่มันเกิดความอยากการปรุงแต่ง สังขารแล้วก็แบบฟุ้งไปอันนี้เราเห็นทันพระชานแต่เราก็หยุดเลยพอมีทุกข์เราหยุดมันทันทีแต่เราไม่มีอ ย, อยากาแก้ปวดอยากแก้ปวดอยากทานแต่เราก็เลยไปกหยิบยากแก้ปวดมาทานแล้วก็นั่งดูเวทนาต่อทีนี้ถ้ า, ถ า, ถ า, ถาตอนจะก่อนที่เราจะตายพระชานถ้าเวทนามันแรงมากๆเรา ยาไาช่วยไม่ได้ยาไปช่วยไม่ได้เขาต้อใช้พูดโทและใช้ปัญญาสอนใจว่าปล่อยว่ามันเปรียบเทียบมันมันเหมือนกับดินฟ้าอากาศไปมันมันจะตกเราก็ห้ามมันไม่ได้เมตตามันจะเกิดก็ห้ามมันไม่ได้ถ้ามันแรงจนไม่ไหวจริงๆมันไหวจอะไรถ้าจะสู้จริงมันไหวถ้ามันม่เฉเฉยมันไหวอย่าไปอย่าไปรู้รู้ด้วยอารมณ์อย่าไปรู้ด้วยความชันความกลัวมัก็ไม่ไม่ไหว ถ้ารู้ใช้เฉยมันจะไหวสมมุติถ้าถ้ารู้ขึ้นมาว่ามีมีอารมณ์กลัวบม่ใช่สติุดมันใช่สติหยุดพุทโธพุทโธไปก่อนแล้วก็ดูเวทนาใหม่ได้ครับพระอาจารย์ก็การเทศพระอาจารย์สัญญุติเมื่อเดือนที่แล้ว4ี่สิบนาทีได้ได้ประโยชน์ได้คำตอบมาเลยครับอาจารย์ดีอันนี้เราการนปฏิบัตินนเราปฏิัตินะ ทำใ้วิสัยนเป็นแนวของวิปัสสนาลนวนๆค่ะถ้าไม่มีเบขาพอมันก็ยังจัดระบไม่ได้ค่ะคือถ้าถ้าเวทนามันเกิดตอนที่เราตั้งหลักได้ตอนน้าสมาธิก็ก็ไม่ไม่ชุกับมันแต่การรักษามันที่มันปวดมากๆค่ะจ้ามหลอกเราไม่ทำยามันไมยามฝึกสติให้มากๆต่อไปใช้สติมันนะ ไม่ใช่อยู่เพียงเท่านั้นหยุดหยุดใจหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้แล้วใจจะไม่ทรมาดถถ้าหยุดได้ก็ถือว่าพอใช่ไหมอาจารย์ไม่ต้องไปไม่ต้องทำอะไรแล้วใจไม่เดือดร้อนกับความเจ็บจะถือว่าผ่านได้แล้วใช่ความเจ็บได้เขาใจละครับพระอาจารย์กราบอนุโมทนาครับขับพระอาจารย์ อยู่ที่ไหนอ ย, อยู่กเทพอยู่กรุงเทพคะ่ะะอาจารย์คุณเข้ามาครั้งแรกเข้ามาครั้งที่สองค่ะอาจารย์ที่สองค่ะได้มีอะไรก็เข้ามาถามใหม่ได้นะค่ะค่ะขอพอะาารอ ะ, ค Pro, ะคุณตาอาจารย์คุณหัวเวรอยโปรคุณหัวเวรอยสามส่วนสวัสดีครับคุณธรรหน่อยนำ้ำมันน้ำมัสการครับพระอาจารย์อยู่ <ขอ S 1> ทไหนอยู่กรุงเทพครับอยู่ฉลันครับมีอะไรไหย ก็ครั้งที่แล้วเคยสอบถามพระอาจารย์และพระอาจารย์แนะนําให้มาปฏิบัติต่อเรื่องที่รู้อย่างเดียวไม่สามารถที่จะจบได้ต้องมีต้องรู้ด้วยปัญญาครับผมก็นํามาปฏิบัติต่อแล้วก็ตอนนี้ก็คือเหมือนอารมณ์ตอนนี้นะครับเหมือนกับว่าเราเราเรายินยอมรับทุกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเข้ามา ให้เขาอยู่กับเราด้วยแล้วก็อยู่ในอารมณ์ของอนิจจังทุกขังอนัตตามีตัวรู้ที่ไม่อยากรู้แล้วเนี่ยเราก็คือเราเหมือนเราอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เขานะเข้าไปเขาเข้าไปรู้เองมันก็รู้ของเขาเองแล้วก็มันก็อยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเองตอนนี้เหมือนผมแบบไม่ได้ทำอะไรเลยทุกอย่างอยู่รวมกันเป็นสันติครับตามที่แบบ ที่พระอาจารย์เคยให้มาปฏิบัติแล้วก็ตอนนี้มันก็อยู่ในอารมณ์นี้ครับก็ไม่ทราบว่าแบบเออมันวันยังไงแต่ก็รู้สึกแบบถ้าเราไม่ทุกข์กับอะไรถ้าเราไม่ทุกข์กับอะไรก็ใช้ได้ถ้าใจเราสบายก็ใช้ได้ใช่ครับมันมีมีทุกอย่างอะ่ะทุกก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดผุดมาไม่จบไม่สิ้นแต่แต่เราได้ทำลายแลถ้าเกิดไปเจอใครก็ด่าเราว่าเรายังจะสบายได้หรือเปล่า สบายได้ครับอาจารย์ตอนนี้เคตอนนี้เหมือนจบอยู่ที่หูเลยเพราะลมมากระทบหูแล้วก็จบตรงนั้นไม่เข้ามาในไม่เข้ามาในข้างในใจใครด่าเราใครพูดว่าร้ายเราใส่ร้ายปลายสีเราแล้วก็เฉยไม่ต้องตอบโต้อะไรแต่ถ้าต้องต้องอธิบายต้องต้องทำปาจารก็พูดได้ไม่ได้ทำด้วยอารมณ์ ตอนนี้มันอยู่แบบสันติมากเลยครับแล้วก็ทําตามที่พระอาจารย์บอกมาแล้วแบบดีมากๆเลยครับผมรู้สึก <Okay. S 2> แบบเบาสบายอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยอย่างเงี้ยต่อไปก็ลอาไปพิสูจน์ไปอยู่ในที่ที่มันแรนแค้นอยู่แล้วยังเฉยได้ครับที่แรนแค้นนะครับอที่มันแรนแค้นที่มันอดอยากขาดแคลนี่ไปอยู่วัดนี้ไม่มีอะไรให้เราดูให้เราฟังอะไรอยู่นี่มันยังจะเฉยได้ครับเดีย๋ยจะลองดูครับ ขอบพระคุณครับอาจารย์เพราะนี้เรายังมีอะไรขําใจเราอยูเนี่ยมีรูปเสียงกินรถคอยป้อนให้ให้ให้เสียงแล้วก็ อ, อยู่ในที่ที่ไม่มีรูปเสียงกินรถไม่มีคว า, ามสะดวกสบายอะไรมีอยู่ได้ก็ตั้อมเล็กในในป่าอย่างนี้หรือว่ายัางจะเฉยได้แบบถ้าเฉยได้ก็อาจจะไม่กลับเลยก็ได้ส่างกันจะสบาย <laughs> ครับ แล้วกเว็เดี๋ยวอาจจะลองดูสักเจ็ดวันออลองไปดูบ้างนะว่า <c oughs> เราอยู่ในที่ยังมีอะไรห้อมลอ้อมเราอยู่เยอะอยู่เรา่อาจจะไม่รู้ว่าเวลาไม่มีอะไรเลยเหมือนแบบเวลาที่เราสิ้นเนื้อปดาตัวนี้เป็นยังไงครับครับอารมณ์มันเหมือนกับว่าตัวคือตัวมีมีทุกอย่างอยู่อ ย, อยู่อยู่ตรงรอบกายอย่างนี้เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามัน <c oughs> ไอ้ตัวอยากก็ไม่ได้ทําอะไรเราไอ้ตัวไม่อยากเราก็ไม่ได้ทําอะไรเราทุกที่มีอยู่ก็ไม่ได้เข้าไปดับแล้วมันก็ เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเรื่อยๆเข้ามาก็ลองเอาไปพิสูจน์ที่มันไม่มีอะไรเลยเวถอะลองจริงดูได้ครับเดี๋ยวจะลองทุกขพาจารณ์เอาครับในวัดที่เขาวัดที่เขาอยู่ในป่าอยู่ที่ใครที่กันดาเนียอาจจะต้องอาจจะต้องบอกสังเสียทุกๆคนไว้ก่อนก่อนจะไป ไปเราไม่สั่งเสียดีกว่าหรือสั่งเสียต้อเดี๋ยวเขาก็าเบรก เ, เ, เราห้ามเราหรือว่าจะว่าเราบ้าหรือเปล่าไปแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปแบบไม่บอกใครอุตส่าห์ฟาจารย์แบบว่าช่วยแบบแก้ไขของผมตรงนี้ที่ผมติดมานานแล้วแบบว่ามันดีมากจริงครับเรากราบขอบพระคุณครับในความเม็นตาย ค, นะครับครับไบที่ท่านต่อไป คนปุ้ยพาสีิช่ปุยนักเซมเบอร์นวัสการ์ค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงกบนับสการเอ่อปุ้ยสบายดีค่ะปฏิบัติตามพระอาจารย์ทุกวันเลยเช้าเย็นแล้วพอดีว่าตอนนี้มาทำงานด้วยก็เลยถือโอกาส่อบพรไม่มีอะไรค่ะสอบพรสอบพรทำงานทำงานอะไร<ำ> ทำแคทเทอริ่งค่ะผู้ทําแคทเทอริ่งมากับบอสพวกอาหารเนี่ยค่ะมาพวกอาหารมาจัดเลี้ยงที่มหาลัยมาเสิร์ฟเขามากับบอสด้อค่ะก็อยมีคอยมีความสุขมากๆให้ร่ำให้รวยให้สวยไม่สาร่ไม่รู้รวยนะสาธุค่ะโยมอะติดอยู่เรื่องเดียวตอนที่ว่า โยมจะโดนเอ่อไม่เรียกอะไรนะฮะเอ่อเทว ด, ดามิจฉาทิถีอ่ะแก้งคือเหมือนกับว่าเวลาจะตื่นแลเหมือนกับมีอะไรมาเหยียบเราเหยียบเราเยอะแต่ว่าก็พยายามขวัญตัวเองบรับตัวเองเตือนใช่ไหมนั่งสมาธิเอ่อแม่เอ่อเชา้าชั่วโมงหนึ่งเย็นชั่วโมงหนึ่งสวดมนต์ไหว้พระทุกวันตามพระอาจารย์สอนค่ะเอ่อและโยมต้องขอเข้มาที่โยมไม่ได้เข้าเพราะโยมอยากจะเข้าแต่ทีนี้แบบ งานมันผจนคือคนที่ทำงานบางคนผขไม่ไม่อะไรเท่าไหร่เราก็โอเพยฟังย้อนหลังนะคะได้เข้ามาก็ดีไม่เข้ามาก็ดีไม่เป็นไรเน้ะแต่ส่ค่ะยงฟังไค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะค่ะขอบขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะัดี อคุณมัทลาคอนคุณัทละคอนมาตรดการครับอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามไม่มีคําถามนะเขาบอกว่าทุกคนที่เข้ามาในห้องตอนนี้ได้ถามหมดนล้นี่ไปที่ facebook ใช่ไหม facebook คนทุนจบมี f a เพจทูบคำถามคำถามถา ม, ถา ม, มีคําถามเลยตอนนี้เข้ามาทั้งหมดสิบคาถามคะ่ะพระอาจารย์คะใช่เลยคำถามคําถามที่หนึ่งนะคะจากคุณนางลูลูค่ะ ขอเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาเราฟังธรรมทาไมรู้สึกเหมือนเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างและรู้สึกมีกําลังใจที่จะปฏิบัติไปต่อได้ตลอดเวลาเลยแต่ถ้าไม่ฟังธรรมแล้วแป๊บเดียวทําไมถึงลืมสนิทไปเลยจําไม่ได้เลยเจ้าค่ะต้องฟังใหม่อยู่เร okay? ื่อยๆถึงจะมีกําลังใจไปนั่งสมาธิปฏิบัติต่อได้อย่างนี้เป็นเพราะอย่างไรเป็นเพราะอะไรเจ้าคะก็เป็นธรรมดาเวลาเราฟังอะไรเราก็เข้าใจ อย่าทับทากมันก็มีเรื่องอื่นเข้ามากบเหมือนไปเพราะเราไปทํางานอย่างอื่นไปคิดเรื่องอื่นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมามันถูกเรื่องใหม่มากบไปในวิธีก็คือถ้าจะไม่ให้มันลืมก็คือต้องเอามานึกมาคิดบ่อยๆหลังจากที่เราฟังเสร็จแล้วก็ามาทบทวนประเด็นที่เราเข้าใจว่าเป็นอย่างไรแล้วคิดบ่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะไม่ลืมแต่ถ้าถ้าคิดไม่ได้มันลืมเพราะเราไม่มีเวลา พ่เราต้องไปทํางานแทรกความคิดนี้แล้วก็ต้องกลับมาเปิดฟังบ่อยๆฟังแล้วฟังอีกฟังอีกไปเรื่อยๆไปก่อนคํำถามต่อไปจากคุณยานิสาค่ะมีผู้ฝากถามพระอาจารย์ว่าปฏิบัตินั่งสมาธิจนสงบตัวเบาทุกครั้งต้องทําอย่างไรต่อไปคะให้มันสงบนานๆนล้วหัดเข้าไปบ่อยๆให้มันจํานแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ให้นั่นพิจารณาทางปัญญา พิจารณาของที่เราลับเราชอบว่ามันเป็นของไม่เที่ยมทีวันใดวันหนึ่งจะต้องมีการทัดท่ากกันไปเป็นธรรมดาว่เช่นร่างกายของเราเราลับเราหัวของเราหัวเราว่าต้องพิจารณาว่าวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องแก่มันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันก็จะต้องตายไปแล้วถามใจเราว่าเรารับกับสภาพความจริงอันนี้ได้หรือไม่ถ้ารับไม่ได้เราก็ต้อง ต้องสอนว่าถ้ารับไม่ได้ก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องมีงความรับฟังป็จริงคาถามต่อไปจากคุณยูนิตี้ค่ะกรับนมรสการครับขอโอกาสครับขอชี้แนะในข้อการละสัญญาขันครับกราบขอบพวกคุณครับคือสัญญาของเราเนี่ยมันเป็นสัญญาที่ผิดไงเรามองสิ่งต่างๆว่าเป็นนิจจสุขขังหลัตตาเราเห็นอะไรก็าเป็นของที่เรา จะต้องอยู่กับเราไปตลอดเช่นร่างกายเราจะให้ความสุขกับเราไปตลอดเป็นของเราแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังมันมันจะให้ความทุกข์กับเราแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้แล้วมันก็จะมันเป็นของที่เราไปเก็บไว้ให้เป็นของเราไปตลอดไม่ได้มันในวันหนึ่งมันก็จะต้องจากออกไป แล้วต้องมาเปลี่ยนสัญญาไม่ได้ละสัญญาให้เปลี่ยนสัญญาเปลี่ยนจากนิจจังสุขังอัตตาให้เป็นอนิจจังทุกขังอนันตาที่เป็นตรงกับความเป็นจริงนิจจังสุขังอัตตานี่เป็นเป็นของปลอมไม่ใช่เป็นความจริงมันจะทําให้เราเสียใจถ้าเราไปคิดว่าทุกอย่างเป็นนิจจังสุขังอัตตาพรเดี๋ยวไม่นั้นเดี๋ยวไม่ก็จะกลายเป็นอนิจจังทุกขังอนันตาขึ้นมาให้เราทีนั่นนี่คือ เรื่องของการเปลี่ยนสัญญาที่เรามาปฏิบัติทางปัญญานี่ก็เพื่อเปลี่ยนสัญญาสัญญาเราตอนนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดมันต้องแก้มาให้เป็นสัมมาทิฏฐ<ข>ิต่อไปค่ะคำถามต่อไปจากคุณดาร์กุลค่ะอุเบขาคืออะไรครับอุเบขาก็คือใจที่นิ่งสงบปรญญาศจากอารมณ์นับชงังกุลหลงเกิจากการเจริญสตินั่งสมาธิ คำถามต่อไปจากคุณอรณิชาค่ะกลับนมรส ก, การพระอาจารย์ค่ะหนูขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์เมื่อช่วงก่อนนานมากแล้วคุณพ่อหนูท่านไม่สบายช่วงที่ท่านจะถ่ายหนักบางครั้งไม่ทันจะเข้าห้องน้ําเพราะเป็นเวลากลางคืนหนูก็เลยจะเอามือรองให้ท่านถ่ายใส่มือหนูบอกท่านว่าถ่ายมาเลยค่ะพ่อไม่เป็นไรค่ะและความรู้สึกของหนูตอนนั้นคือสุขใจที่ได้ทําแบบนี้เจ้าค่ะตอนนี้ท่านไม่ได้อยู่กับหนูแล้วค่ะ แต่หนูทําบุญให้ท่านไม่เคยขาดและหนูรักษาศีลห้าอุทิศบุญนี้ให้ท่านด้วยค่ะทั้งคุณพ่อและคุณแม่เจ้าค่ะท่านจะได้รับบุญนี้ใหม่เจ้าค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะคือบุญที่เราอุทิศได้นี้ท่านจะให้อุทิศบุญที่เกิดจากการทําทานทาบุญเจริสละแ บ, บปันแต่บุญที่เกิดจากการรักษาศีลนี่เป็นของใครของมันเราไม่สามารถ ส, ส่งศีลไปให้ ให้เขาถ้าก็เป็นอยู่ในอาบายแล้วทำให้เขากลายมาเป็นมนุษย์ขึ้นมาไม่ได้เรื่องของกรรมนี้แบกกันไม่ได้ของใครของมันแต่เรื่องของทานนี้แบกได้คําถามต่อไปจากคุณนัชมนค่ะมีคนบอกว่าสําเร็จอรหันแล้วก็ถามค่ะที่สําเร็จอรหันแล้วนี้เราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าจริงหรือไม่จริงค่ะ อ๋อหมือคนที่หาจาก โ, โกาครคโรคภัยไข้เจ็บเนไงเวลาเราเป็นไข้อย่างนี้เรากินยารักษาจะไม่ได้มันหายอาการไข้อาการเจ็บหายไปหลัง ใ, ใจของเราตอนนี้ก็เป็นเหมือนใจที่เป็นคนคนไข้ใจเราทุกข์อยู่เรื่อยๆทุกข์กนั น, น, กนเรื่องนั้นทุกข์กันเรื่องนี้พอเราปฏิบัติไปแล้วเรากำจัดความทุกข์จนถ้ามันหายไปหมดใจมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขตลอดเวลาเราก็จะรู้เองว่าอ๋อ เราได้ลดความจับความทุกข์แล้วคำถามต่อไปจะคุณสุขทุกข์อยู่ที่ใจค่ะก่อนนอนนั่งภาวนาทุกคืนมากน้อยตามกําลังทําอย่างไรจึงจะไม่ฝันหรือฝันน้อยลงในแต่ละคืนครับก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้มว่มาให้จิตสง บ, บให้ได้ถ้าจิตสงบแล้วจะไม่ค่อยฝันแน่แต่ถ้าจิตยังไม่สงบอ ย, อยู่มันก็ต้องฝันไปตามธรรมชาติของสังขารความคิดมุงแต่ เพราะมันไม่สมมันไม่มีอะไรคอยะะครับนับอะไรคำถามต่อไปจะคุณนัชมนค่ะนั่งสมาธิแล้วนิ่งอยู่เฉยเช่นนั้นสักครู่ก็เปลี่ยนอิริยาบถโดยการหยุดนั่งแต่ถ้าไม่หยุดจะต้องทําอย่างไรต่อคะความรู้ตอนนั้นคือนิ่งอยู่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่โปวดอันใดแบบนี้เรียกว่าสภาวะทําอะไรและต้องทําอย่างไรต่อไปถ้าไม่หยุดนั่งสมาธิค่ะก็นั่งต่อไป บากมันจะทนนั่งไม่ได้ค่อยขึ้นมาหรือจากจะนั่งต่อก็ต้องเริ่มใหม่เริ่มพุโทโธใหม่เริ่มดูลมหายใจใหม่คำถามต่อไปจากคุณอู๋ค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการที่เราจะไม่มาเกิดเราต้องวางความสุขภายในใจที่ได้จากสมาธิใช่ไหมคะและความสงบกับความสุขภายในใจคืออย่างเดียวกันไหมคะ คือความสุขมันมีสองแบบความสุขแบบถาวรกับความสุขแบบไม่ถาวรความสุขที่เราได้จากสมาธินียังเป็นความสุขที่ไม่ถาวรเพราะมันเสื่อมได้พอจากสมาธิมาเดี๋ยวความสุขนั้นก็หายไปนันแต่เราถ้าเราต้องการความสุขที่ถาวรเราก็ต้องสละความสุขที่ไม่ไม่ถาวรไปแต่เบื้องต้นนี่เราต้องอาศัยความสุข ช่วข่าวนี้เป็นเครื่องมือในการปล่อยวางความสุขที่เราได้จากทางร่างกายเมื่อเราปล่อยวางทางร่างกายได้แล้วเราค่อยมาปล่อยวางความสุขทานทางความสงบต่อไปด้วยปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นตแล้วคำถามต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายจากคุณโอนี่ค่ะอยู่อย่างตายทำเช่นไรครับก็เป็นคนตายคนตายเวลาตายอยากเขาเ้าเดือน้อน เวลาใครแย่งผัวแย่งเมียเข้าไปก็เดือด้อนไหเนะใครก็แย่งทรัพย์สมบัติเข้าไปเขาเดื อ, นนใใอด้อนไหมนี่นนนคืออยู่แบบคนตายอยู่แบบไม่เดือดร้อนกับอะไรกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราคำถามหมดแล้วค่ะเหมดแล้วเนาะเวลาก็หมดพอดีนะถ้าถูก้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะก็คิดว่าถ้าใครอยากจะถามอะไรก็รอวันพุธหน้าแล้วเราจะถ้าคิดว่า สมควรใกเวลาขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจนยต์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ